จริงไร้สดเนี่ยเหมาะกับเวทีใหญ่เหมือนการะญณธรรมนะคะหลายคนๆอย่างนั้นเนี่ยหมาะเพราะพดลึกก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็จะพูดเป็นหลักแต่วันนี้มีเชื่อว่าทุกท่านที่มาที่นี่เนี่ยตอาเน้นเรื่องส่งกันบ้านเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นการส่งกันบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะคนเพราะเฉพะคนเนี่ยไร้สดเนี่ยโอ้บางทีบางทียากเลยนะคะเพราะพูดได้จำกัดคือ อันนี้มึงก็ออกวัวนิดนึงเนาะรีงไม่พร้อมที่จะเป็นบุคคลสาธารณะยังยากใช้ชีวิตมุ่งสู่การภาวนาเป็นหลักนะคะแต่สิ่งที่มาทำวันนี้ก็ก็คือรับใช้พระพุทธเจ้านะคะรับใช้หลวงพ่อธรรมะเราได้มาสิสซิ่งนะคะเราก็มาบอกต่ออันนี้คือหน้าที่ของชาวพุทธนะคะหน้าที่ชาวพุทธจริงจริงเนี่ย มีหน้าที่ที่จะศึกษาสั ก, ก่อนนะคะเมื่อศึกษาแล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วบอกต่อถ้าเราไปอ่านในคำสอนของพระเจ้าจะเป็นอย่างนั้นเลยหน้าที่ชาวพุทธนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรากำลังมานหน้าที่บอกต่อแต่ก่อนที่จะบอกต่อเราต้องเรียนศึกษาอันดับแรกเลยให้เข้าใจสะ ก, ก่อนนะคะว่าจริงๆศาสนาพูทธพูดเรื่องอะไรนะคะมีถามนิด น, นึงคะ่ะ ตรงนี้มีใครยไม่เคยฟังหลวงพ่อประโมทไหมคะยังไม่เคยมีใครฟังซีดีหลวงพ่อประโมทเลยไหมฟังหมดแล้วเหรอคะมีใครฟังไม่เกินปีนี้ไหมคะการฟังช้าหรือมากนะคะเร็ว ว่าสามเดือนหนึ่งเดือนไม่ได้เป็นตัววัดผลนะคะเพราะบางท่านเคยภาวนามาแล้วในเดิมเดิมเดิมเดิมพอมาปุ๊บมันคลิกของเก่าพอมันคลิกของเก่ามันก็จะค่อยๆเดินได้ น, ะะนั้นเลยก็เดี๋ยวจะตอนนี้ก้ามงกระสินาทีนะคะเดี๋ยวเราก็มกี้ได้มีโอกาสสนทนากับคุณจุ๋มเนาะนะคะสิ่งที่พวกเราชาวโลกอะเรารู้สึกไหมเราเราอยู่กับโลกที่ ต้องคอยวิ่งตามมันโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มันเร็วเหลือเกินนะคะพอมันเร็วเหลือเกินได้ค่ะใช้อย่างนี้ก็ได้ค่ะพอะมันเร็วเหลือเกินเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาเรียนแล้วเราก็วิ่งตามเนาะผู้หญิงนี่ชัดเลยแต่ชั้นเปลี่ยนไหมทุกปีต้องมีเทรนอเทรนปีนี้สีอะไรแล้วต้องวิ่งตาม สิ่งที่ถ้าเราอย่างอย่างอย่างพี่กับหนูเนี่ยนะคะอย่างพี่กับนีเนี่ยเราอยู่มาถึงตอนนี้เราเห็นไหมแฟชั่นมันเหมือนเดิมแล้วพี่เนาะมันก็วนไปตั้งแต่ขาลีบเป็นขาแบนจนขาบานอะ่ะมาเปลี่ยนไปแบบนั้นนะคะมันวนอยู่อย่างนี้นะคะในเรื่องเดิมๆแต่เป็นเดิมๆถ้าเราเห็นแฟชั่นมันใช่แต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีเป็นเรื่องการทำมาหากินเรารู้สึกเลยอะ่ะมันเปลี่ยนยอะนะคะมันเปลี่ยนเยอะจนถ้าเราต้องวิ่งตามเหนื่อยไหมอ่ะหน่อย แต่ธรรมะเนี่ยเป็นของเก่านะคะโลกที่เราอยู่เราอยู่กับสิ่งที่ต้องวิ่งตามตลอดเวลาและเป็นงานที่ไม่มีวันเสร็จเลยเราไม่รู้เลยอย่างตอนนี้เขาทาสถิติออกมาแล้วนะคะตลาดรุ้นที่เราเห็นเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะมีแค่ผู้ลงทุนรายย่อยแล้วมีสถาบัานนะคะกองทุนมีลงทุนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นกองทุนส่วนตัวหรือว่าผู้เล่นเองตอนนี้ไม่ใช่อิเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามา ดิสรับชั่นดิสรับชั่นมันมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนเนาะมันทําลายสิ่งที่มันมีเดิมทําลายเลยไม่เหลือสารเมื่อนี้เกสารวันนี้เยนนเราเห็นใช่ไหมคะติดปกี่ฉบับ ด, ด, ดิฉันเราไม่เห็นแล้ววะใครยากอ่านดิฉันไม่มีแล้วนะอือใครอ่านรุ่นเนาะสกุลไทยไม่มีไม่มีมมนะคะตอนนี้ผนิชใช้ AI ในการเทรดหุ้นซึ่งได้เปลี่ยน ผู้ลงทุนได้น้อยมากเลยนะคะถามว่าตัวเองเป็นคนเล่นไม่ต้องใช้นะคะแต่ต้องเพราะเราทําธุรกิจเนาะทุกอย่างมันกระทบเราไม่มากกว่าน้อยเราปฏิเสธไม่ได้หรอกบางท่านบอกยังไม่ได้ทําธุรกิจหรอกม่นท่าเป็นแม่บ้านโอไม่บ้านก็ต้องรู้่ะเราโลกมันเปลี่ยนไปตรงไหนละนะคะออกไปนอกบ้านเนี่ยสามเดือนไม่ได้ออกนี่เปลี่ยนเลยนะคะถนนถนนเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรากําลังอยู่กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแตลอด แล้วถ้าเราต้องวิ่งตามมันตลอดเวลางานเราไม่มีวันเสร็จเลยในชีวิตนี้นะคะเดี๋ยวนี้คนหกสิบห้ายังทำงานได้ดีนะคะยังเป็นเบรนแบงค์ได้เนาะหกสิบห้านี่รัฐบาลเ็าช่วยนะคะตอนนี้ถ้าทำภาษีเงินได้เนี่ยเขามีคืนหนึ่งแสนเก้าหมืนบาทอ่าถ้าหกสิบห้าเรายังทำงานอยู่นะคะเวลายื่นแบบเนี่ยเขาคืนหนึ่งแสนเก้าหมืนบาทอืมเป็นตัวหักได้นะคะเพราะท่านก็เห็นแล้วว่า นึงตอนนี้เราต้องอยอมรับประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย น, นะคะเพราะนั้นเด็กที่เกิดใหม่มันเหลือปีหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดียวอะ่ะบางปีไม่ถึงนะคะเพราะนั้นมันจะทดแทนในสิ่งที่เราเห็นไหมว่าวันนึงเนี่ยร้านสะดวกซื้อบางร้านเนี่ยขยายที่หมื่นสาขาหมื่นสาขาเอาสามคนพอเอาคนมาจากไหนในขณะที่คนคนเนียแล้วทุกอย่างขยายขยายอะ่ะ เราก็ต้องขยายไปไหนแล้วใครซื้อใครขายนะบางทีเราก็ไม่เข้าใจนะคะแต่วันนึงถ้าเราภาวนาเราก็จะรู้ว่าพอเพียงมันแค่ไหนนะคะไม่ใช่พอเพียงแล้วเนี่ยขยายธุรกิจไม่ได้นะคะแต่เราจะรู้ว่าแค่ไหนมันพอแค่ไหนมันพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาดูตรงนี้นะคะถ้าเรายังอยู่กับโลกแบบนี้แล้วเราไม่ไม่ได้สนใจการภาวนาแล้วคนในโลกแ บ, บนี้ที่สนใจจริงจริงอ่ยมันมันนับได้เนาะมันนับได้เจ็ดพันล้านคนเนี่ยพูดไม่ถึง ประมาณห้าเปซ็เมื่อก่อนสิบนะคะเมื่อสักสิบปีที่แล้วสิบเปอร์เซ็นต์นนี้มันไม่ไมถุนเพราะพ่อศาสนาพุทธเนี่ยคนที่สนใจจริงๆเนี่ยต้องคิดว่าเป็นศาสนาที่ไม่ได้ร้องขอเป็นศาสนาที่พระเจ้าสอนว่าอัตตะคีอัตโนนาโถต้นนั่นแหละเป็นที่ผู้แห่งตน้ตนเพราะฉนั้นเราได้ไหมอ่ะบางทีเราก็บินบอลเนาะเราสวดมวนต์ไหว้พระบางทีเราก็ขออันนี้เป็นเรื่องปกติทางท่านกําลังใจ แต่ข้อก จ, จริงถ้าเป็นพูดจริงๆเราจะเข้าใจไอ้ที่ขอมันก็แค่ขอนะเป็นกําลังใจได้เทวดามีจริงไหมมีไม่ใช่ว่าไม่มีพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเทวดาแล้วท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเราไหว้เทวดาไม่ได้ไหว้เทพพรมเทวดา ไ, ไดแต่การที่เราไหว้เราไหวคุณงามความดีของท่านอย่างพระมหาพุทธศาสนาเนี้ยเราไหว้ไปทั่วโลกะ่ะมีทุกที่มีทุกที่เลยรีบรุ่นกลับมาจากลอนดอน ไปดูมิวเซียมอันนึงใครเคยไปไหมคะวิกตอเรียมวิกตอเรียอัลเบร์สร้างแต่สมัยพระราชิมวิ i ตอเรียคนที่เริ่มเนี่ยคือภระวามีท่านท่านเจ้าชายอ b ลเบร์แล้วท่านก็เก็บนวัตรกรรมต่างๆนะคะกับสิ่งต่างๆในโลกใบนี้เท่าที่ท่านสามารถที่จะเก็บสะสมมาต่อมาไม่นานไฟไหม้ หมดเลยหมดเลยท่านเลยสร้างก่อนที่สร้างเป็นปัจจุบันที่เห็นเนี่ยนะคะมันเป็นเรือนแก้วกระจกเป็นคริสตลัลทั้งหลังเลยถ้าเราเห็นปราสาทยุโรปเนาะแทนที่จะเป็ น, ก, ปนกระจกแล้วก็นำนวัต ก, กรรมต่างๆมาสร้างอยู่ใจกลาง l อน d o นนะคะนั่นแหละคือเอ็กซ์โปรครั้งแรกของโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นและจากนั้นก็สะสมมา แต่สิ่งที่มือย่างจะเล่าให้ฟังคือที่เข้าไปดูนะคะสิ่งที่พบเยอะที่สุดเลยคือองค์เทพที่พม่าบริษัทกวนอ็มนี่แหละเยอะที่สุดที่สะสมอยู่ในนั้นอ่าเพราะมันมีทุกชาติทุกภาษาอย่างถ้าเราไปเนปาลทิเบตเนี่ยก็จะเป็นองค์ตาราเาะอืคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกอะไรกาวนําหรืออะไรสักอย่างแต่มีทุกที่เลยค่ะนะคะเพราะน่าจะเห็นเลยจริงๆว่าที่พรหมเทดาเหล่านี้ มีจริงๆนะคะแล้วก็คนจำนวนมากนะคะสรรพสัตว์พึ่งพิงบา ร, รมีท่า น, นะคะ่ะแต่สิ่งที่เราต้องพึ่งคือท่านไม่ได้สามารถพายเราพ้นทุกได้นะคะท่านเป็นกำลังใจคอยพยุงเรานะคะเหมือนพระมหาชนกตอนท่านว่ายน้าเห็นไหมคะอ่าแล้วก็มีนางฟ้ามาช่วยประมาณนั้นนะคะเพราะนั้นวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราสนใจศึกษาธรรมะแล้วนะคะสิ่งที่เราสนใจศึกษา มีวันจบมีวันหมดภาระนะคะแต่เราต้องเริ่มตั้งแต่ก้าวที่หนึ่งแต่เราจะเริ่มยังไงล่ะให้มันไม่ชา้าให้ตรงทางเนาะแทนที่จะเดินวกวนอยู่ในสังสารวัตรนี้อย่างไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะคะวันหนึ่งเราสนใจเราลงมือศึกษาส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเราเรียนจิงที่ผิดเพราะเราไม่เข้าใจเราไปตามวัดเนี่ย ะะเราก็ทำอย่างที่เขาเป็นเลยแล้วก็ให้ทําไรเราทําโดยที่เราไม่ได้ศึกษาที่ดีให้ก่อนนะคะแล้วเราต้องยอมรับเลยว่าเราก็ไม่รู้จะไปศึกษาที่ไหนอันดับแรกเลยเราไม่รู้อ่านพระไตรปิฎกหรอเล่มเท่านี้อ่านจบนี่เมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่จะได้ลงมือปฏิบัติเนาะจนวันหนึ่งเนี่ยมีเชื่อว่าไม่มีคำว่าบังเอิญ น, นะคะเราเดินด้วยบุญนะคะทุกวันเนี้ยเรามีบุญคุ้มหัวทุกคน บนคือความสุขความสุขมันแลกมากับอะไรกรรมถ้าเราคิดว่าเราเป็นชาวพุทธเราเชื่อเรื่องกรรมนะคะเราปลูกต้นไม้ต้นอะไรมะม่วงได้มะม่วงส้มได้ส้มมะนาวได้มะนาวนะคะอันนี้ชัดเจนที่สุดเลยเพราะฉะนั้นในแต่ละวันที่เราจะทำอะไรก็ตามมันมีทั้งดีและไม่ดีนะคะแต่นั้นคือในภาคของจิตใจนะแต่ถ้าเราล้นออกไปเมื่อไหร่นี่ไม่ได้แ ล, ะละ้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ยมันจะช่วยเราในเดิน เช่นนี้โดยไม่ยากนะักจนวันหนึ่งเนี่ยในรายท่านเนี่ยจะมีโอกาสได้ฟัง YouTube ก็ดีได้มีซีดีของลูงพ่อหรือหนังสือก็ดีนะคะที่ฟังปุ๊บเราปิ๊งมีกันไหมคะใครฟังแล้วปิ๊งมั้งครั้งแรกเลยไม่มีเลยเหรอในห้องนี้ไม่มีเลยเอ่ะคะโอ้โหแสดงว่าเราไม่ได้ลงมือทำอันนี้อันนี้วัดได้เลยจริงๆนะคะคนที่ปิ๊งคือคนที่พวกเดินจงกรมมาสามชั่วโมงห้าชั่วโมงอืม พวกที่ทํามาแบบอัตถกรยามาฐานในยคถ้าพวกที่ยังไม่ได้นั่นคออือยังยังยังอยู่สายกลางนิดๆยังไม่ได้สุดโตง่งอันนี้คําสุภาพเนาะอันนี้เป็นที่เข้าใจกันได้ถ้าคนที่ฟังแล้วปิ้งปุ๊บเนี่ยคือพวกที่บังคับมาสุดชีวิตหละแต่ไม่รู้จะทำยังไงนีคือคนหนึงนะคะเดินมาละสาชั่วโมงเนี่ย7จ็ดเก้าครึ่งชั่วโมงอะ่ะบังคับสุดชีวิตเลยเนะนะคะเดินได้ยังไงไม่รู้มันเครียดมันทุกเนาะอยากคนทุก วันหนึ่งลงมือปฏิบัติทำเป็นไงสร้างความทุกข์เข้าฝัาอีกเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลบ้าเป็นที่ไปไปถามคุณหมอโรคจิตได้นะคะเยอะค่ะเยอะนะคะมันเริ่มตั้งแต่ไมเกรนก่อนละบังคับนะคะเพราะถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเข้าใจละชาวผู้ต้องศึกษานะคะพอเราศึกษาเสร็จเป็นยังไงคะลงมือปฏิบัตินะคะในหลักสูตรที่พระเจ้าท่านมีไว้ให้เราแล้วไม่ต้องคิดหาเองเลยนะคะ มันยังถ้ารังโลงเราก็ต้องมีอะไรตั้งแต่ปฐมเนา ะ, ะก่อนปฐมเดี๋ยวนี้มีอะไรเนื้อสไลคอนมาก่อนเรื่อยๆจนกระทั่งจบปัญญาตีจบเสร็จไม่พอเดี๋ยวนี้เราก็ต้องต่อโถนะคะอันนั้นก็เป็นวิชาทางการทังโลกหลักสูตรพุทเจ้ามีง่ายๆเลยนะคะเราศึกษาเรื่องอะไรศรีลศีลศิกขาจิตศิกษาปัญญาศิกษาเนาะในจิตสิกษานี่แหละคือสิ่งที่ชาวพุทธเราไม่ค่อยเข้าใจกันวันนี้ก็จะมาเน้นเรื่องนี้นะคะก่อนที่จะลงมือภาคสุกันบ้าน เพราะว่าจากที่เราเดินเดินกันมาคุยคุยกันมาสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะพระเจ้าได้จริงๆเลยนะคะคือเราไม่รู้ว่าจิตสิกขาเป็นยังไงจิตสิกขาก็คือการทำสมาธินะคะแต่เอาจิตแบบไหนมาทาสมาธิสมาธิมีกี่แบบนะคะอันดับแรกเลยเราเข้าใจก่อนละเราศึกษาเรื่องศีลศีลจำเป็นนะคะถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้นะคะ ซีลเนี่ยเป็นข้อหนึ่งที่ทําให้เราอยู่ร่วมกันยังไม่เบียดเบียนกันยังมีความสงบสุขนะคะอย่างข้อสุดท้ายเนี่ยบางคนก็บอกเอา้าก็ไม่ได้ดื่มเราใช่อันนี้คือสิ่งที่ท่านห้ามเพราะถ้าตัวนั้นเราไปทําเราขาดสติเพราะเราขาดสติเป็นไงเราเจตนาไหมไม่แต่เราทำโดยพลาดครั้งขาดสตินะคะที่จะทําเรื่องต่างๆที่ไม่ดีตั้งแต่เบียดเบียนกันกระทบกระทั่งกันสิ่งที่เราได้คืออะไร กรรมใหม่ที่เราสร้างเพราวกรรมใหม่ที่เราสร้างกรรมเก่าหมดได้ยังกรรมเก่านี่แหละสืบทอดมาจนฉันต้องมาเกิดมาชาตินี้แหละเนาะกรรมใหม่สร้างใหม่อีกทําไงละ่ะจิตไม่สงบง่ายแล้วล่ะคะ่ะเนาะเวลาเราลงมือภาวนาจิตจะฟุง้งจิตจะไม่สงบนะคะท่านที่ภาวนามาสักช่วงหนึ่งแล้วตั้งใจลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะรู้เลยทุกครั้งที่นั่งสมาธิทุกครั้งที่เดินจงกรม พูดไหมคะพูดเลยบางทีเรื่องนี้โหลืมไปตั้งนานแล้วเนอะลืมไปนานมากแล้วนะคะเคยตบจุงบ้างนะคะเคยมีเจตนาอย่างอื่นบ้างเคยว่าคนอื่นบ้างเนี่ยมันจะพูดขึ้นมาโดยโคจิตนี่อศัศจรรย์มันทั้งมีเรียกว่าถ้าเราถ้าเรามีเมมโมรีเนี่ยเรายังต้องซื้อเนาะซื้อให้ตัวบรรชุอันนี้ไม่ต้องเลยมันอยู่ได้ตลอดนะคะและส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยจําเรื่องที่ดีหรอก นะคะอืขอกระทบกระแทกกระเทือนทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ถ้าเราตั้งไม่ตั้งใจรักษาศีลใช้คำว่าตั้งใจนะคะพระเจ้าท่านก็ส่งอย่างรู้อยู่แล้วนะคะว่าคารวานเนี่ยเราจะรักษาศีลให้ลดงามนะคะเหมือนหอยสังที่ขัดดีแล้วไในะยากนะคะแต่ขอให้มีเจตนานะคะเจตนาที่เราตั้งใจมดเว้นนะคะไปทุกที่มี้ก็จะบอกเลยว่า คือในฐานะที่เราเอาสิ่งที่เราเจอมาแล้วลงมือปฏิบัติมาก็มาแบ่งปันกันนะคะเวลาเรานอ น, อนเนาะตอนคืนเนี่ยก่อนเราล้มตัวลงไปนะคะเราบอกเลยเราชื่อนี้บัตรนี้ตั้งแต่เวลานี้ถึงตอนเราตื่นนอนเนาะเราจะไม่ขอผิดด้วยสี่ห้าในขณะที่เรานอนเราฆ่าใครไหมทำร้ายใครไหมไม่ได้ประทุษรายใครนะคะไม่ได้ขโมยไม่ได้อยากได้ของใครละ หลับแล้วล่ะเนาะถามนอนกับพวกเราไม่ผิดนะคะสี่เราเราคงไม่ได้ฝันแล้วก็ขึ้นมาละเมอเนาะพูดอะไรที่เพ้อเจ้อหรืออะไรนะคะห้าตอนนั้นไม่ได้สมมติว่ากินเหล้าก่อนนอนเนาะแต่หลับไปแล้วตอนนั้นไม่ได้กินและล่ะนะคะแก้วเหล้าไม่ได้ถือะบริสุทธิ์ไหมถ้าเรานอนมานละห้าชั่วโมงหกชั่วโมงมันสะสมทุกวันนด้วยใจที่เข้มแข็งหรือบอกเลยจากนั้นมันจะอิ่มเอิบนะจากที่เรามีความตั้งใจมาละนิดเหน่อย วันนี้วันหน่อยมันเหมือนกระปุกเนี่ยนะคะเราหยอดไปเนี่ยเนาะวันแรกหยอดไปสองวันยกก็ยังเบาโยงเลยพอยอดไปเรื่อยๆเป็นไงมันเริ่มยกไม่ได้เราเริ่มรู้สึกอ่ะเนี่ย เ, ออเราก็กดป อ, อมนะเราก็เก็บสะสมอันนี้เหมือนกันเพียงแต่มันไม่้เห็นภาพเท่า น, นั้นเองว่าไอ้บุญที่เราหยอดไปทุกวันเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันไม่ไดแผนป้ายมันไม่มีหน่วยวัดมาให้เราดูแต่ทุกอย่างมันเมมโมรีอยู่ในใจอยู่ในจิตเราเลยละค่ะนะค ะ, นะค ะ, นะคะเพราะฉะนั้นฉีจําเป็นนะคะสําหรับนักภาวนา ถ้าที่สุดเราต้องการพ้นทุกนะคะมันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะคะที่จะทำให้เรามีความอิ่มเอิบในจิตใจนะคะจากนั้นเราํามาดูสิว่าในจิตสิกขาสมาธิก็พูดเรื่องสมาธินี่แหละคะ่ะแต่เอาใจแบบไหนจิตแบบไหนที่จะไปทำสมาธิตัวไหนนะคะในสมาธิที่ส่วนใหญ่เราเจอกันเรามุ่งสู่อะไรคะความสงบเป็นหลักเลยนะคะเราไม่ได้มุ่งสู่อะไรเลยโดยเราไม่เข้าใจพราเราไม่ได้ศึกษาก่อน ะะถ้าวันหนึ่งเราศึกษาเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะธรรมะที่ควรจะศึกษาอย่างยิ่งนะคะก็คือสมถะและวิปัสสนากรรมฐานแต่เราต้องรู้ว่าตัวไหนทาสมถะตัวไหนทํำวิปัสสนาแล้วจิตแบบไหนด้วยนะคะธรรมถะเนี่ยจริงๆถ้าเราฟังซีดีหลวงพ่อนะคะเราจะรู้เลยง่ายแต่พวกเรารู้สึกไหมมันยากเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่นะคะ เรารู้สึกว่าอะไรยากเหลือเกินให้รู้เลยว่าเราต้องเข้าใจอะไรผิดโดยทําอะไรผิดสักอย่างนึงแล้วละ่ะพระเจ้าจะไม่สอนสิ่งที่ยากเลยแต่เราเข้าใจหลักหรือเปล่าเนอะอย่างถ้าเรายังไม่เคยขับรถยากไหมคนเคยขับรถเกียร์มาวันนึงมาขับออโต้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเราไม่เคยอ่ะแต่วันนึงพอขับออโต้ไปขับเกียร์เอาอีกไหมไม่เอาแล้วอะเนี่ยเหมือนกันแหละค่ะสิ่งที่เราไม่เคยเราก็เลยรู้สึกว่ายากนะคะ หรือสิ่งที่เราเข้าใจแบบที่เราคิดเราก็เลยรู้สึกว่ามันยากนะคะเพราะเราเข้าใจแบบที่เราคิดเราไม่เข้าใจว่าจริงๆพระเจ้าสอนคําสอนของท่านว่าอย่างไงนะคะถ้าเรารู้หลักเนี่ยสมถะเป็นไงคะเหตุที่ไล่ให้เกิดความสุขเป็นเหตุไล่ให้เกิดสมาธิแต่ในสมาธินี้มีสองอย่างในขณะที่เรากําลังะทําตรงนี้มีสองตัวเองนะคะคือหนึ่งทำให้จิตสงบเนานะอารมณ์หนึ่งจิตหนึ่งสิ่งที่เราได้เราจะได้ตัวไหน ได้อารัม์มันุปนัญชานนะคะตัวนี้ทำยังไงล่ะแค่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับกรรมาฐานกองไหนเช่นบางท่านชอบพุทโธใช่ไหมคะจิตมันจะเข้าเพลงกับพุทโธพุทโธบางท่านชอบอะไรเมตตาคู่นงางอรหังเมตตาก็สามารถใช้ได้นะคะบางท่านชอบดูลงก็ดูอนนาปนาสตินะคะแต่ทิ้งที่หลวงพ่อเนี่ยเมตตาช่วยสอนเราอีกนิดนึงคือถ้าไม่พูดมากกว่าเนี้ เราก็คงจะไปเรื่อยๆโง่แบบไม่เรื่อยๆนะคะอะดูลมก็ดูลมตรงๆนั่นแหละนะคะใช้อานาปนานสตินะคะเป็นอริยบทบพานะคะในอนาปนานสติมันก็มีของมันหลยายอย่างแต่เราไม่จําเป็นต้องต้องรู้ทั้งหมดนะคะเราคารวะวันนี้สิ่งที่พวกเราหน้าที่หนึ่งนะคะคือเราต้องทํามาหากินเลี้ยงตัวเองอันนี้เป็นหน้าที่หลักนะคะหน้าที่หลักในโลกนะคะแต่หน้าที่หลักจริงๆเนี่ยที่เราคิดว่าเราเจอธรรมะจริงๆแล้วนะคะ เราเมตตาตัวเนี้ยตัวนี้คืนนี้นะคะตัวเนี้มันไม่ใช่เราเหรอกวันหนึ่งถ้าเราพาวนาไปเห็นนะคะแต่ทํายังไงไม่ให้มันต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้อีกกลับมาทุกแบบนี้อีกเราไม่เอาละใครบอกว่ารวยแล้วไม่ทุกเชื่อไหมมีมากก็ทุกมากนะคุณต้องบริหารคุณต้องจัดการอาถามว่าอกองทุนวันนี้เกิดมาจากอะไรเงินมันไม่รู้จะไปไหนฝากแบงค์แบงค์จริงถูกปะทํางไงอ่ะเอาเซฟที่สุด ใครบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นเซฟเฮเว่นนะนี่มัไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวสองวันเราเดินประทัวงเงินก็ไหลออกไปหมดค่าเงินก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้คือมี้ก็ดูค่าเงินทั้งวันน่ยนะเพราะว่าเรามีสองขาทั้งนําเข้าและชงออกนะคะก็ดูไปอย่างเงี้ยดูเ้างจิตมันตั้งแต่ ก, ก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงจนมันก็เข้าใจเนาะพอเข้าใจเราก็ค่อยๆลาดับเหตุการณ์ที่จะต้องทํำยังไงแต่มันให้ดีที่สุดในแต่ละสภาวะนะคะเพราะสิ่งที่ดีที่สุดในแต่สภาวะเราบังคับไม่ได้ ทุกอย่างตอนนี้ไม่ว่าอะไรในโลกใบ น, นี้ที่เราเห็นทั้งหมดนะคะทําทั้งนั้นนะทุกอย่างมันอันดัญาของมันจากสื่อออกมาอย่างไงเราจะเห็นยานิพกการเมืองเป็นยังไ ง, ะะไกกไงคะใช้โฆษณาทั้งนั้นแหละใช้บริษัทโฆษณาทั้งนั้นเห็นไหมคะอย่างอเมริกาประธานาธิทรัมป์เนี่ยเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันยังสื่อก็ไม่เสร็จเลยตกลงเฟซบุ๊คมันเป็นยังไงเป็นตัวชี้นำเลยนะคะเพราะนั่นอันเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยคือของปอ กูเกิลเขาก็เลยมีการทำวิจัยออกมาว่าจากนี้ไปอีก5ปีคนจะไม่เชื่อโซเชียลทั้งหมด เ, เพราะเด็กรุ่นใหม่จะเริ่มเข้าใจสิ่งที่เราเห็นในทั้งหมดที่เห็นคือปลอมทั้งหมดเขาจะไม่เชื่อกลับมาเป็น u ิว n มนทัชกลับมาเป็นเนเจอร์แบ็กทูเนเจอร์อันนี้คือสิ่งที่5ปีที่เขามองไปข้างหน้านะคะที่วันนี้เราก็เห็นแล้วละนะคะในระดับนี้เพราะนั้นตรงนี้แหละที่เรากาลังกลับมาดูว่ามันอยู่กับโลกอย่างนี้ ะะวันหนึ่งจิตเราสงบได้ไหมยากยากนะคะถ้าเราอยู่กับรูกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งจะเอาจิตนี้กลับมาน้อมนําหาธรรมะมท่าเจ้าไม่ง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีแนะนําถ้าเราฟังหลวงพ่อประโมทแล้วถูกจริตนะคะใช้อันนี้ละคะ่ะฟังเพลงเกิร์ลนี้ในแต่ละวันนะคะหลวงพ่อไม่ได้สอนแต่ภาคปฏิบัติเองเวลาที่เราฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยท่านสอนปริยัติ ด, ด้วย โดยที่เราไม่ต้องไปทั้งอ่านพระไตรปเกเองนาะอย่างคําว่าสมถะกวิปัสนาท่านแยกกันเอาชัดมากเลยนะคะสมถะเป็นยังไงแล้วบอกวิธีเสร็จไม่ได้บอกอ่ะไปทําสมถนะน ะ, ะนะไปทําวิปัสนาณะต้องมีสตินะบอกหมดสติเกิดจากอะไรนะคะสมถะทํำยังไงวิปัสนาทำอย่างไ ร, งไรเพราะท่านภาวนาที่จะเป็นพระะวาท่านถึงรู้สันดาณของภระระวาใช้คมนีนะคะ ว่ามันเป็นแบบไหนท่านถึงรู้ว่าชีวิตคารวาไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาท่านเป็นพระแล้วเนี่ยไปวัดเราจะเห็นเลยที่วัดสวนสันติธรรมไม่มีการได้ไรไม่มีเลยทุกอย่างฟรีหมดนะคะคุณเอากายกับใจไปเรียนเอาใจกับใจมาแลกธรรมะนะคะครั้งแรกที่มีไปบอกแนมะ่คือวัดในกะรุงเทพดิเลยเพราะบางวัดเข้าไป คารวะทุกตั้งแต่ยังไม่ได้ทดําบุญแล้วอะ่ะใช่ไหมตั้งกองเจ็บไปหมดแล้วอะเออถ้าบอกตายแล้วแล้วคุณไม่มีตังขวัดไม่ได้เลยนะเนี่ยถูกไหมอืมนะคะเพราะฉนั้นที่วัดมันมีทุกอย่างนั่งเสือเท่ากันเลยเป็นรัฐมนตรีก็นั่งเสือเท่ากันมีแค่ชั้นบนกับชั้นล่างเนาะอย่างชั้นบนอย่างพี่เงี้ยเดี๋ยวนี้ก็นั้งชั้นบนแล้วนะหนูเลื่อนจากชั้นล่างขึ้นชั้ น, น้วนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยท่นบอกเลยว่าสมถะเราหากรรมฐานขึ้นมาอย่างเดียวจิตมันชอบ มันจะเข้าเคลียตรงนั้นเช่นบางท่านชอบดูลงลงเราก็ดูดลงนะคะหายใจเห็นร่างกายหายใจเข้าที่คนนี้เคลิ้มอันนี้ไม่ใช่ไม่เคลิมค่ะเคล้มนี่คือขาสติรู้สึกไหมมันไหลเข้าไป อ, อันนี้คือไล่สดไม่ได้เข้าใจไหมคะถ้าไล่สดนี้มันไม่ได้นะคะเราก็บอกเลยถ้ามันไล่สดเนะี่ยเขาจะบอกคุณเม์เป็นไม่ดม ด, มดพรนั้นไม่แนะนำนะคะ เนนี้ไม่ได้รู้สึกตัวขึ้นมาค่ะตอนนี้อยู่ในกล่องนะไม่ใช่ราคาเรี่พี่ผู้ชายทด้ไหมอันนี้ไม่อยู่ในช่องว่างว่างๆลงๆรู้สึกไหมคะอันนี้ไปไหนไม่ได้นะผู้ชายต้องรู้สึกตัวอืมถ้าจิตอย่งนีเป็นคนเลยอืมวันยังไงมันไม่ใช่ไม่ดีนะไอ้ตรงจิตที่ลักษณะแบบเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกยากว่ามันมันไม่ดีเพราะมันสบายมันนิ่งๆมันไม่ต้องไปยุ่งกับใคร แต่ลองออกมากระทบสิแรงเลยค่ะแล้วพอน้ําไม่หนีโรคเนาะอยู่กับโรคผู้เจ้าให้ดูโลกนะที่สวยสดพดงามหรือดังรถทรงของพระราชาที่มีคนเขาติดผู้รู้หาคนไม่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับโลกเพราะโลกนี่คือคนที่สิ่งที่สอนธรามะเราเราอยู่กับโลกตอนที่เราอยู่กับโรกนะคะในทุกๆวันที่เรากระทบผัสสะนะคะนี่คือห้องเรียนวันหนึ่งนี่คืชีวิตมาปัญหามาเข้าห้องสอ ไม่ว่าจะรั้งกายเราเจ็บไข้ได้ปวดไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจิตใจที่อกหักเนะเาะอย่างไรมัาก็จะกอกห่ะไม่ได้ดังใจคนที่เรารักทักทักเราก็จะมีกระทุบชิง น, นี้าหละนี่แหละตอนเนี้เข้าห้องสอบเราก็จะถามตัวเองได้เราผ่านไหมเราสอบผ่านไหมเนาะสิบได้เท่าไหร่ติดเอฟไหมอ่ะหรือยังเป็นดีอยู่อ่ะดีก็ยังดีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องเอามากระทบโลก สมาธิตัวที่ทําให้เราเกิดความสงบจิตนิ่งอารมณ์ดีนะคะให้เรารู้สึกตัวให้สบายนะคะรู้จึกตัวก่อนนะคะเวลาที่เราทําสมาธิไม่ว่าเราจะเดินจงกรมหรือว่านั่งนะคะรู้ตัวทั่วพร้อมก่อนนะคะนั่งให้สบายจะนั่งบนคาชมาก็ได้นะคะท่านที่ถนัดจะนั่งบนโต๊ะนิ่งก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกว่าแต่ละคนชอบนะคะแต่เอาใจที่สบายพ็นั่งเสร็จรู้กายให้เรบร้อยเลยนะคะ หายใจไม่สึกตัว่อนบักคับแล้วค่ะซีซีซีนี้เริ่มเป็นอัดเราลองสังเกตนะใครที่หนักหลัหนบนะผมนะคะจิตที่เป็นผุ้สนจริงๆมันต้องมีลักษณะเบาเนาะถ้าเราแน่นรั้วเป็ดัดแล้วไม่ใช่้นะคะไม่ใช่แก้ไหมถ้าเราทำํำปััชนารู้อย่างที่เขาเป็นนะคะไม่แก้นะคะรู้อย่างที่เคขาเป็นเลยบางทีเราก็ไม่เข้าใจรู้อย่างที่เป็นรู้ยังไงรู้ชื่อชื่อรู้ยังไงอ่ะพี่รู้ตรงๆรงรู้ยังไง ก็สีขาวมันเป็นสีขาวอะ่ะสีดํามันเป็นสีดําแต่เราจะเอาสีเทามันก็ไม่ซื่อสิคะเพราะเราคิดเมื่อไหร่เราคิดเรายังภาวนาด้วยความคิดความคิดติดบังความจริงเสมอ น, นะคะนั้นในสมาธิตรงที่เราจะทําสมาธิทำใจให้สบายนั่งให้สบายก่อนลู้กายนะคะยืนหัวตรงตรงสบายเรียบร้อยนะคะนีค่คืความสุดความสุดตัวนี้จะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่เป็นกุศลเนาะที่เป็นกุศล เช่นถ้าเรารักพระเจ้าคุณหัวเนาะเรานึกถึงท่านเป็นเทวดานุสติเรามีความสุขเรานึกถึงหลวงพ่อเรามีความสุขเรานึกถึงหลวงปู่มั่นแล้ถึงท่านพระอาจาย์หลวงตาเป็นสังขาร น, นุสติเรียบร้อยละนะคะใจเรามีความสุขเห็นไมภาพรวมในห้องนี้ถ้าใครเริ่มรู้าสุขได้มันจะเป็นภาพรวมของความรู้สึกตัวนะคะภาวะนี้เป็นความสุขอ่ะจากนั้นเป็นยังไงถ้าเราดูลงนะคะเราใช้อนาปนานสติเราจะเห็นร่างกาย นะคะหลวพ่อก็ไม่การแนะนําเทคนิคหายใจออกไปนิดนึงนะคะถ้าเราไม่แน่ใจลองหายใจเข้าแล้วเรารู้สึกยังไงกับหายใจออกไปนิดนึงแต่าง ไ, ง ไ, มางไงหมลองสัง เ, เกตดีนะคะเราทำเวิร์ชกช็อปกันไปด้วยนะคะเพระห้องเล็กๆเปิดเ่เเเสบาย น, นะคะเห็นได้ไหมถ้าเราหายใจเข้าเป็นไง<ส>มันจะแน่นนิดนึ่งแต่ถ้าเราหายใจออกเป็นบอลมันดีเลยแล้วเราก็จะเห็นร่างกายทีหายใจเข้าร่างกายทีหายใจออก ทำไมต้องเจ้าใช้อนาตตาสักดุเพราเป็นอะไรคะเป็นกรรมาฐานที่มันมีตลอดเวลาใช่ไหมคะรู้สึกไหมร่างกายต้องหายใจตลอดเวลาไม่หายใจตายเห็นหรือไม่คะเพราะถ้าเราใช้ทํากรรมฐานที่เราเห็นได้เกิด น, นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราฆราวานเนี่ยเราพาวนาในสิ่งที่เรามีเรามีอะไรเราดูตามนั้นนะคะเราเห็ร่างกาย่ร่างกายไม่หายใจอยู่แล้วหายใจทั้งวันอยู่ไม่จ หายลิ้นปิดมือถืออีกไหมไ้่เราเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายไม่หายใจออกเราเป็นคนดูพอหายใจไปสักพักส่วนใหญ่เป็นยังไงคะนิ่งไหมนิท่านได้ทําพองหอ น, นอนยึดหนอนเหมือนกันนะคะคือร่างกายเหมือนกันแต่คนละส่วนแต่ส่วนใหญ่เราเข้าใจว่าเราดู ท, อ ท, อทอด้องกล่องท้องลึกมันจะขึ้นหือเจอมานะคะส่วนใหญ่มาบังคับทุกคนทุ่า ใช้ตรงนี้เป็นตัวดูนะคะแล้วก็เอาแน่นะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราไม่เข้าใจว่าเวลาเราทาสมาธิเรามุ่งสู่ความสงบสิ่งที่เกิดเป็นยังไงคะธรรมชาติของจิตอันหนึ่งในทางแบบคุณสอนอันหนึ่งธรรมชาติของจิตน้อมสงสารที่เวลาเรานั่งสมาธิมันไม่อยู่ที่ร่างกายยสกร่างกายเปนอะไรไปใช่ ไ, ไหคะเราทำาัไงคะต้องเล่อนจิตส นั่งตรงเฉยใช่ไหมคะน่งตรงไม่ใส่านอืมเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะดึงคำถามที่ไหมนะคะแล้วเขาใจอย่างนั้นจริงๆเพราบจิตเราไม่เข้าสมองเราอ่านเฟังแ้วพอเรามีภาตุแิบัี้เราไม่เข้าใจนะคะเพราะฉนั้นมันไม่ได้ผลเพราอ่เพราะนั้นทำไม่ถูกอานอนี้ทําให้ถ่องทำให้ถูกจะต้อนก็คือเราต้องมาเรียนรู้ว่าหลักต่างๆทีจะ เดินตามที่พระเจ้าสอนเราด้วยศิลสิทธานจิตะสปัญญานะคะเราไม่ใช่ไม่มีขึ้นอางเรามีซีดีข้อมึ้นที่ภานาให้เกิดผที่สุดเท่านี้นะคะตั้งแต่เราจับหลันี้ได้นะจับหลักนั้ได้ก่อนเพราะเสีายมกาตมนั่งสบาลไมจุตรวไจตัวก่อนนะคะพอเราสบายสุดเราอาจจอเป็นทเราเป็นากายแข็งเสร็จหรร่างกาย ในระหว่างที่ทำที่ตเราจะฝึกจุตโดยจะค่อยๆสกัดเข้ามาตรงจิตสมบุกตรงนี้จะเป็นไงคะเราอยู่นี่นะเพื่อความสมบุสิ่งที่เราได้เราได้พลังงานจะโผมากลมว่างนะคะแต่เราจะมีสมาธิตรงในปีสมาธิที่เรจะฝึกยังไงที่มีจิตตังแล้วใช้กรรมฐานตัวเดียวคือกล้าท้ายมือหันข้างข้างกายมือน ความสบเป็นจิตเกิดขึ้นะเห็นใจที่อยากสงบแต่ส่วนใหญ่เราให้ถหงใจที่อยากสงบรู้สึกไหมว่านั่งพบทกทำไงคะอยากจิตเราพลาดประสบกาเราไม่ได้เรียนรู้ความเป็นจริงองาให้ใจมรูว่าจิตในขณะที่เรานั่งขณะนี้เราอยากสงบเรามีทันความสงือว่าใจตอนนี้เห็นความสงบที่เกิดขึ้นเห็นความเฉลบเป็นสิ่งที่จิตเป็นธรรม เราจะทำยังไงทำางไงให้ฉุนทำยังไงให้ซึ่งตาทีที่เราเห็นเป็นธรรมชาตินะไม่เป็นธรรมชาติแล้วเราต้องทำยไเราต้องหักหลังี่คือสัมมาทิฏฐิพวกเรารักษาให้หายจะติตจริเพราะเราไม่เข้าใจว่าจริงๆธรรมชาติของจธรรมชาติสิตย่อมถูกองรผู้จัดเจที่สุดแต่วันใงเราดูแต่ภานาต้องสมบต้องซึ่งตาต้องดี หมายถึงทำยงไงก็ได้ไยก็ไม่ร้อนให้ตรงนี้เลยคะถ้าตรงนั้นเกลี่ยเป็นธรรชาแต่เรากำลังบอกว่าทำยังไงให้ไฟมัไม่ร้อนมันเป็นไปได้ไหไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติเมื่อไหร่ที่เราทำเป็นธรรมชาติเราจะมีความจริงได้พไม่ได้เราพิสูจน์ด้วยศสนาใช่ต่ในศายนางในนี้นะคบตรงที่พอเราใช้สมานจริงนะคเราเปลี่ยดเปแบบนี้ จิตอะไรไม่เป็นดุลจิตรอนที่ต้องกาเราใช้ตัวอะไรมันใช้ตัวประมหาเป็นเด็แต่อาศัยจิตที่จิตที่มีเพื่อนตรงจิตที่ไหนจิตที่เพื่อนเพื่อนคือสิ่งที่มอนเป็นแบบว่าธรรมชาติของจิตย่อมสุขแล้วก็ส่งไปตาตาจนหมดดีตาทั้งใจแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เรานั่งสมาธิเราจะได้ยู่ะไรครับเราจะไหลที่มีความสุข เยอะเป็นร <m. S 2> <c oughs> ่างกมีส่วกระทบ้ากในมแล้วก็จะเป็นจิตที่ไหลไปนะคะจิตในจิตเคลื่อนทุกครั้งสิ่งที่เราได้เกิอะไรคะเราได้สติขึ้นมาในขณะนั้นเลนะคะถ้าเรารม่ทำในปัจเราเป็นจิตึ้นไหลไปเปนก็หลังมี้งในแล้วก็เป็นร่างกายที่มันนั่ก็เป็นกายเรียบระเราเห็นจิตเรียบร้อเป็นกายกใจหรอได้พัฒนาใเได้ไหมจากสติที่มันค่อยๆีนะคะเรเริ่มสุดนี มาไม่มีเลจะติดติดไปเรื่อยๆนะคะเราลุตายลุใช้ไปเรื่อยๆสิที่เราได้จิตจำได้ราะจิตจได้เราได้ชั้นจากนั้นเราพัฒนาโดยวิลคะต้องเวลาสิ้านาทีไมแต่เราลวงพ่อขอให้วลยนะคะไม่ได้ขอเองเราคุยโทรศัพท์กับเพื่อนมากกว่านี้มากกว่าเราเล่นไปกู้คนท่านมากกว่านี้ไหมแ่ละันเพราะนั่นไอส้านาทีเยเราขอให้ตัวเองด้วยตัวเองเลยใครไม่าแย่งรได้ เราเอาคั้มขั้มชาติสะสมทุกวนสิบ้าท่านที่ทำสิบห้านนะคะลองสัเกทุกอย่างที่เรารียน้อันดับแรกต้องวัดผลได้ที่จุดและในือนี้นะคะการที่เราวัดผลได้จุดนี้ท่านสาาวถตอบคุยกับนัวเอว่าสิ่งที่เราทำในอยู่ในทางที่ทาสอนนะอ่านะคะอนี้เราไม่ไโยนเฉียวมาทั้งาตใช่เราตั้งหน้าตั้งตาถาโดยที่เราไม่สามารถรัผลได้สุด 1ิบนาทีสิ่งที่ท่านหอบทานไปหเดือนถ้ายังทำสิบห้านาทีทั้เดือนะคะให้ด้เลยว่าถูกหรือเปล่เพราะถ้าเราทำถูกสิ่งที่มราได้คือการทำเพิ่มชั่วโมงชั่วโมงสองชั่นโมงจะเป็นเรื่องายมากจิตจะดีขึ้มันก็จะายมัก็จะดีในรูะเมื่อไหร่ที่เรามีความดีนรูปแบแต่ไม่ใช่ติดจัานอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นคือเลยนเรเยอมันไม่ใช่ ไม่ได้ขึ้นทั้การที่เรามีจี่ทั้านันกจที่ไหลทีเยนด้วยกันแกตคือจะไม่นมันย็นดีมันทำสุก็ยินดีแต่ยินดีมันมัน้างอางเ้นนตรงนี้พอเราทําีปุบจิตมัพัฒนาเพาจะกตอนนี้เราเห็นแคะจากกาที่เราทำจิตถืออารณ์นสิ่งที่เราได้ชินได้กําลังอจิตต้องก เขาจะมือเขาจะมาดูความจิต้าก็มีแรงนะคะลไม่มีแรงหมนัคะหรืไหนอกนะคะระบดนะคะจากทั้งนี้เนี่ยเราพักตอนนี้นะคะเราขึ้นออกมือน้ีือใช้สตปน่างนี้นะคะใช้อาภรณ์ชัดเจนเป็นอย่างนกง่ข้าวองเปออกใารที่พิทเพื่อนเป็นนะคะเพื่อนมาเพื่อวันใส่เราใช้บริการทิ่ตัวนะคะบางทานใช้ทุกตัวทุกโถงมันไม่อยู่ที่กโถช่ไคะ หลายไปคิอีไคหนึ่งหลยไฟังหลไอะไรที่นมต้องกไม่ใส่ิที่มันจะเกิดในขณะที่เราเดินจบตรงาในขณะที่เรานั่งชิงต่าแต่ตรนี้ปุ๊บจิตที่หหที่บอกเราค้นทุกจิตไลจิตเครื่อนเาได้จกรงสิ่งที่เราได้ฟัามที่ประกอบด้วยความทนองที่เราได้ฟังความ ชาตัวนี ja, for you, for you, for you. Day, ้มาที่ถนี้เป็นตัวที่เกิดแล้วเพิ่ข้กังนะ้ไม่ไ้นทุกัที่น่าถ้าเรานัสมาธิอ่างเดียวระบบความุ่มชื้สมาูรณ์ิ่มึไม่ได้ถมันเจอแต่แรสมบูรณกไม่ไ้คะแล้วะขั่งเป็นเจีนะคะแล้วบางทีเราถามัวงมันเกิดอะไรแล้วป่ย่งไมันปไม่ได้มันสมองนกเช่นัน้วมันไปยังไงหรอมันเ้นรูเป็นไรนะคะเราไม่เข้าใจหรอก ออทำไปก่อนเถอะละกันทําไปก่อนนะคะเพราะถ้าไม่ทําุดที่สุดนะคะคุณหล่งต้องบอกถ้าให้ทําเลยสุดที่สุดในห้องนี้ถ้าใครไม่ทํานะคะมินและเรามิน อ, มอยากดีกับมนเลยเพราะว่าจุดไม่เห็นไม่จุดข้อคือคนที่พภ า, นาันไม่ได้เยอะนะคะจุดดีก็เป็นอย่างนคนที่ทํามั่งหยุ่ม้างจุดดีกามีอันนึงนะคะไม่ใช่ได้มีจุดดีเลยคือเธอไม่ได้บังคับคุณแรง เพรนั้นเวลาจะลงมาแก้กันมันยากนะคะแต่ท่านที่ทำมาเยอะๆเนี่ยมันแก้้าแต่พอแก้ยากขั้นพังกันเลยพวกนี้นักเยคะไปยท้งหลาเขาแยกขั้นเล ย, เลยะค่ะแต่เ็ที่ทำสมาธิมันน้อยเราก็มีแค่เสน่ห์ระบานอย่างเงี้อนี้ามีเขาไ ม, ม่หลวงทองอ่ะเงาะไปอ่ะน้เลยนะคะนั่ตรงนี้แหละเราดูที่ฝั่งเราเห็นสิบหลายสิเพื่อนอย่างเงี้ยวันนึ่งมันก็จะโก มันอยากสงมันไม่สงมันฟ้งแรงมดอ๊มันไม่ดีทไมเพ่อนี้มันมันมัวมันดูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอือนะคะเราจะเห็นอย่างนี้ิตขึ้นหันจิตี้้นขึ้นหนอยาเวลาจะเห็นคิจะแทรามดมันงมันึกจเิดจิมอือแล้วก็ส่วนนะคะบางจิตขึ้นสงบมันแล้วมันเกิดจที่ทุงท่าก็บังคับให้มันสงบก็ไม่ไ มันเกิดเองเราไม่อยากคิดเรื่องนี้คิดออกไปในสมาี่เน <inf ênio> ี้ยมันจะอยู่กับปัญหาพรเจ้าจะนิสิเจ้าผใครเลืโผขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเราก็ไม่ทำอ่ะมันก็จะถึงมัสิ่งที่ใคพเนี้ยแล้วมันไม่เกิดเลยมันเกิดเองจมูกก็เกิดเองี่เรเห็นอ่ะอ่ะเราเกิดแล้ไม่ใจอ่ะเกิจแล้วเราอยากบังคับให้มันจมกอย่างเนีะก็บังคับที่ได้แล้วก็จะเห็นว่าถ้มันบังคับไม่ได้มัน แม้กระทั่งเวลาเราตั night, ้งแต่ชดาเรเ่ออะไรกกอก็บังทมันล้ก็เกิดเองเนาะเห็นทุกเรมาถ้าเรารู้ทันใช่ไหมคะท่านที่นั่งสมาธไม่ายๆนะคะปรับจิตจิตใรู้ความต่ละนาทีถ้าเราไม่้ทันสิก็เคอนปกับินที่กุถ้าเรายังเหนื่อก็่เ่อนไเน่คนี้เป็นตัวทีนะคะ้านมากเราไนแต่ถ้าเรารู้ททุกมันเก คุณผ <oh hm. ้เราเห็นความเีแต ah ่รู้สึกจะทำอะไรแล้ถพัฒนนว่านี่คือปัญที่วันที่เป็นเ่นี้แ้วถาจะทำแบนีได้เลยว่าที่เราทำแบบนี้ที่ถูกต้องใจนี้ะคแล้วพอถึงจุเปิด แค่ต cool ิิดติดตสมรถ้กลุประกอบด้วยคามเฉลียที่เรา้ทำานมปีเราทาได้รู้ไ้ก็ตอคิว่าว่นพนั้นเฉลยวไม่พัาอเราะเราเมพฒนาสิที่เราทเราใช้จิตี่เาาเรื่องไปสองจิเชื่อมิตค้งเฉไปเรอยถ้าเราเหมือนีวั้มดนี้มันคะไรคารตลนคืออมอืค่ เกขึ้นตัแต่เพื่อนตัณสมาธิมาจากสมาธิเกอมาเป็นตัาังนั้นเราจำเป็นตมสมาไม่จเป็นท่จะ้อยม่ามสีที่สีที่จะเชื่จเก็ดได้ก่างหนึ่นะคะบคาเป็นที่จิตเราพิาาแล้วก็เขาเชื่อเข้นมาถ้าเราไม่มีเชื่ออย่งนีเราไม่มีที่ถักจิตเลยเรไม่มีที่ถักปักจิตเป็นอันตรย มันดูด้านจดล้วมันก็ดีที่แบ่าจะทำให้สุดที่จะไ้ไม่สิ้นสุดที่จะได้นะคะเื่อู่จะเป็นยังไงดีกว่าพี่ชแต่บางข้างที่ใช้สาาที่จะใช้ความสัมพันมนั้นเป็นเนเช่นท่านที่ดูดินก็จะเห็นแล้วนั่งเดือยเอาไปน่งรออะไรก็ต่างนั่งรถเ็ต่งแล้วก็ไปเดิ่นอกั่งไปในั่้ง่งไ่านไป้าหัน้างหน้าก็ดที่จ เมื่อท no no ่านใจิตโทโทกโน่ลที่เรารู้สึกโกรเราัใเรงเร่ิ่มทจิตโอยากดึกลับีจเรามีผู้มีเื่จาจิตีายไปเราไม่มีผู้มีเพื่ให้จิตการที่เราม่ีผู้มีลงังจิตมีแบจิตมันจิันก็มี มันจะเิ่มด้วยการเพิมกรต่างด้วยการกระต่างกระต่างเพิ่มด้วยการเพิ่มดึงดันที่ร่างกายใจาีที่เน่ที่ทาเข้าใจนะคึงนรงยมันจะทให้เราจิตมันม่้ตมันจะเกี่ยวกวัจาะหน้าเดนเนหน้านมันจะมต้ามันจะไม่่ีน มันฟุ้งไมฟุ้งอะเรื่องีเนี่ยะนนี้ยฟุ้งคหมคะต้องฟุ้งแต่เรารู้ว่าเราเรารู้ว่านะคะไม่ใช่ว่าทํ่เราตั้สมาเราเดินจนโค้งมากขางหนงเดินไปอีการาห้าวเราท้าคือรา้ามให้จิตไม่งบเพราะแม่ตัวใจที่จะเกียอนหนึ่งธรรมชาติงจิตตสั้นเราต้องทาความตั้งใจที่ดีขาสาร ในวันนี้เราไดีว่ากุดวิาที่ราต้องกาจะมที่ตัวนึ่งมีกี่เจ็น่คาจุดต้งางในสภาพางจตั้งร่ากับดที่สมุดตรงนี้จะมดเ่อจะได้เข้ที่หนึ่งวันหึ่งจุดขันที่เราเรียนเรียนขึ้นเรียนจากจุดนจุดท่มาเรีน เรื่องควกับใจขเาทกที่เรามนะเราไม่ได้ไปเยนสิงมั่คนสิ่มั่งคั่งน่เราจะไรไม่ให้คุ้งทำไงนะต้องสงบสงบแล้วไม่พอทำไงะก็มีตลอดเึื่อนเรตลอดเพื่นิ่มัล่นอะไรพลังของจิตจิตนะคะมันจะเข้าไปเล <mel> ่นไงจิตแล้วชอบอยู so like, ่ในี้คิที่แอวจาได้ว่าก็ยังร่วมแบบนี้ใช่ไหม บาาตปนีไปไดจะบอกให้นะที่เล่เนบังคับถ้าไม่บังคับมันจะเร่มจิตมันก็อนต้องเป็นจิตที่บี่เรงถ้าเราบังเนี้ยจิตที่ัมันบังคับจิตแบบน้มันเร่่แหละน่เนี่ยี่จิตมันจะอยู่กับเราอือือืมอืมอืออือออ ไม่ใช่คนที่ะคือเท่ากับว่าถ้าใคงเร่องนี้ด้ผลได้่คุคุณคือจริงไม่ได้ทำได้ง่ายแต่นหนังเรื่ออันนี้เวาตะกี้ชุ่ยซื่อน้องวกันนะข้าวที่เกลดเนี่ยไปไหนยากนอันนี้จริงม่ใช่ที่เกียดเพื่อนคือเราต้สุขสบายเลต้องเป็นัน ฉลาดเหนตเรากเดนนจเราจิตทีี่ขาที่เขาบว่ามีตัวไหคุเร่อเรลน่อยใจเามัหนะครับท่นากก็ตืาก้วต้งแต่เ มันจะตัดการที่ตัดกิจมันจะตราเพื่อ้เได้เนนมีมเลจ็นี่เป็นการฆ่าที่ชัดเจนแต่เเาก็รู้ว่าหลกากเป็นี่ที่จย์พูดแล้ว่นี้นะคะเรอนีไม่แน่ใจว่ามีกี่ท่านพักึา่รืง เราก็ควรจะทกนะคะหรือจำนวนนี้ไม่ได้แต่พอทำร si ่มน şey, ี treated, 謝謝้ดีนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆท่นเลยะถ้าถ้านีนั้นจเป็นที่คื้มครอนะคะแตทุกท่านต้องเลื่อนไปที่การนะปัจจัยฐนอรณ์ธรรมะศาร์จวเลยดูว่า แต่ไปได้วยแบบเขาที่ฟังขอาฟังไดรู้สว่าขาแไปไหนมาเพื่อิบ้านาทีามันพูดจริงๆยังสงสัยผมว่าาร้สึก่าคำนี้ม่ถึกับใช้ลมใช้ลมลมตรงไหน่ลมอุ่นที่ร้อนทุกอ่ ก็ไม่สมบรณ์ทีกวิกงาทะีมนกกัมีบ้านหลายนะถ้าเรามีกรรมฐานหลายอย่างเรามีบ้านหลายอย่างเรามีบ้านหลายหลั ง, ลงต้องดูแลไหมโอ้โหแค่วิ่งทำความสะอาดทุกวันก็แย่แล้วเนาะแล้ววันนี้ไม่รู้จะอยู่หลังไหนด้วย ปัญหาคือวันนี้ไม่รู้จะอยู่หลังไหนนี่คือบอกไม่รู้วันนี้จะเอาอันไหนดีนะคะเพราะนั่นมันจะแก้ยากเราชอบอันไหนละอันนึงเลยได้ถ้าอันนึ่งนะคะ่ะเราถูกและถูกคือใจระวังถูกและที่เหลือถูกเองเลยแต่ถ้าทำสิบอันวางใจใจเรายังวางไม่ถูกวางใจคือเรามุ่งสู่ความส ง, งบหรือเปล่าหรือว่าเรามุ่งหลักของข้อนะคะมนสรุปอีกนหนึ่งหลักของข้อเรียบร้อย ตายรู้จักายเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแต่ถ้าพวกเรานะี่ภาวนาส่วนใหญ่นะคะถลงมปฏิบัติไม่เอาแล้วความจริงเอาสงบ mm hmm. เราไม่รู้ทันปัญหาคือเราไม่รู้ทันว่าอา๋อจิตขนานี้คืความสงบเราอยากได้ความสงบถ้าเรารู้ทันขณะนั้นจบแล้วค่ะเรารู้ตามความเป็นจริงได้ละ ว, ว่ากายเป็นยังไงจิตก็เป็นยังไงนะคะเพราะฉนั้นคุณครูลองดูสิค้ว่าเราชอบแบบไห น, นถ้าเราชอบ1ุจังหวะเราใช้14จังหวะได้ แต่ถ้าเราชอบลมเอาตัวอย่างนึ่ตอนนี้เลือกอะไรก่อนคะเลือกลมเลยก่อนเวลานั่งลมนะคะดเรื่องความที่ลมน้ครูจะอัดลมเข้าไปรู้สึกหมรู้สึกพออัดไปสักพักเนี่ยนี่รู้สึกได้ไหมคะพออัดเสร็จมันนิ่งพอรีไปสักพักเป็นยังไงบังคับใช่พอเราเริ่มบังคับเราไม่สบายพอการบังคับมันไม่สบาย จิตมันเครียดพอมันเครียดมันเป็นนะคะอากุศลเรียบร้อยแล้วพอเป็นอกุศลจิตเป็นกุศลเกิดตามไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ถ้าเราชอบอย่างนี้นะคะคุณครูไปนั่งนั่งให้สบายก่อนถ้านั่งคุณครูก็ไม่ค่อยสบายรู้สึกไหมคะก็ถ้านั่งในสมาธินะคะในสมาธิไม่ใช่ตรงนี้ลองไปดูค่ะนั่งเก้าอี้ก็ได้นะคะนั่งนั่งพับเพียร์ม่ะฮะปกติแต่ละคะบเพกำลังจะบอกว่าถ้านั่งก็ไม่สบายแล้วพอถ้านั่งไม่สบายเนี่ยมันไม่ไปแล้วล่ะค่ะอืม ถึงบอกว่าลองเปลี่ยนดูค่ะว่านั่งเป็นก็มีจะสบายกว่าไหมลองดูนะคะแต่ไม่แนะนํานั่งบนเตียงนอนนะคะบางคนบอกสบายดิฉันสบายบนเตียงนอนโอ้โหพลังของเตียงเนี่ยมันมีโมหะครอบหมดนึกออกไหมล่างปุ๊บแป๊บสองหายใจหลับนั่งเหมือนกันบางทีว่าไม่ได้ขึ้นไปนั่งที่หน้าพระก็จะแบบเตียงนอนซักไม่เท่าไหร่อะค่ะอ๋อไม่ได้เลยไปเลยค่ะไม่รอดนะคะเขาเลยบอกว่าไม่แนะนําบนเตียงนะคะเพราะนั้นหาเก้าอี้ก็ได้ค่ะนั่งที่มันสบายที่สุดนะคะ ก่อนนั่งรู้สึกตัวก่อนนะคะเห็นตัวนี้นั่งก่อนอันเนี้คุณครูลองรู้สึกได้ไหมคะว่าตัวเนี้ถือไม้อยู่ลองดูเลยคะ่ะ <C HA> อันนี้เห็นไหมพอ เ, เรารู้สึก <C HA? S 2> ว่าบังคับมันจะบังคับมาที่ไม้เลย <C HA? S 2> ใช่ค่ ะ, ะตรงไม้เลยคะ่ะใช่อันนี้คือจิตที่มันบังคับอยู่นะคะอ่ะอันนี้อาจจะไม่ชัดเท่าลองรู้สึกเลยคะ่ะตัวนี้นั่งคุณคูพิงพนักให้สบายเลยรู้สึกก่อนว่าตัวนี้นั่งเห็นไหมคะท่าที่ลงไปเนี่ยจิตตอนนี้เป็นยังไงคุณครูนั่งขึ้นมาแบบเดิมเลยค่ะ เห็นไหจิตไม่ เ, เหมือนกันใช่ค่ะอันนั้นมันจะเบาสบายจิตที่อ่อนโยนจิตที่อ่อนน้อมนะคะธรรมะมันจะเข้าง่ายแต่ถ้าแข็งแน่นซึมทื่อธรรมะเข้าไม่ไหวละเพราะจิตตอนนั้นเครียดเรียบร้อยแล้วจิตเป็นอกุศลเรียบร้อยแล้วจิตที่เครียดคือโทสะนะคะมันเป็นกิเลสในสตัวบางทีเราไม่ค่อยเข้าใจแล้วเราทําไมล่ะก็จิตมันมีกิเลสเรียบร้อยไปแล้วโทสะครอบเรียบร้อยแล้วะ่ะจิตเป็นกุศลจะเกิดไม่ได้นะคะครูเห็นไหมนั่งอ่ะนั่งพิงเลยค่ะ ครูปีนให้สบายยิ้มหวานก่อนนะคะถ้าเรียนกับหลวงพ่อเราจะมียิ้มหวานคุณครูเห็นจิตขนาดนี้ไหมเห็นค่ะต้องบอกใช่ต้องเป็นจิตแบบนี้นจิตธรรมชาติของครูที่ละเงลงจริงค ร, รูเป็นคนละเลงนะเออแต่พอภาวนามันจะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วเราจะเข้าใจเราจะได้อะไรที่ไม่ธรรมดาขึ้นมาเหมือนกันเพราะแต่จริงไม่ใช่ค่ะเราจะไปเห็นความเป็นธรรมดาของมันว่าเดี๋ยวมันก็เกิดเองเราไม่บังคับไม่ได้แล้วมันเกิดแล้วมัน น้ำจมาเห็นความจริงตรงนี้ที่มันเป็นไตรลักษณ์ของกายกับใจแต่ถ้าเราใช้จิตอย่างเห็นไหมคะแข็งแข็งแบบนี้เราบังคับทั้งหมด <Okay. S 1> พอบังคับเราจะไม่เห็นความจริงแล้วละ่ะนะคะเพราะนั่นครูใช้ตนลมได้ง่ายสบายนะคะพอสบายเสร็จเนี่ยใช้เทคนิคเมื่อกี้เลยหลวงพ่อบอกหายใจแต่ลองเปลี่ยนนิดนึงได้ไหมคะครูลองดูเราไม่ดูลมตรงนี้ลองหายใจดูสิท่าตรงนี้ตรงนี้ก็เพิ่มอย่แล้ ใช่จิตเนี่ยมันไปแตะกับนที่นี่ต้องแายใจเนี่ยจใช้กับการหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวอาเห็นไหมยิ้หวานแล้วเห็นข้างในไหมคะันสทำไมเเพราะอไรผู้รู้จำบังจิตขนานี้เป็นผู้รู้รู้อะไรรู้สึกตัวตัวนี้ตื่นทมาจะทาเมื่อไหร่ที่เราเป็นที่ตืนจะาเจิตเปิบานแบบนี้ค่ะ เห็นคความสุข hmm. อ okay. yes, the mm. ันน so ี้ไม่ต้องซื้อที่ไหนไม่ต้องใครในโลกบนี้ทาให้เรามีความสุขเลยเราไม่ต้องพึ่งแม้กระทั่งพ่อกับแม่เราไม่ต้องพึ่งแม้กระทั่งสามีภรรยาหรือลูกแตทํำให้เรามีความสุขเราใช้ความสุขนี้แล้วเราอยู่กับตัวเราเองได้อืม้าเราจะมีลมหาใช้เพื่อนเพราะนั้นาเราอนี้ได้นี่คือไปทําไหนก็บเรารนั่งสอนเด็กเด็กจะได้จะสอนยาก่อนอืมเราจะขโมยอ่อนในัน เวลานักอนานะคะดูจิตไม่รู้เรื่องนะคะมัวไปหมดแล้วเช่นมื่อคือาจนอนดนะคะต้องตนเช้าดกข้อปฏิการิยาไม่เหนดีกยยัง้นข้อปติาที่กมันตื่ก็ได้คอ่ะไม่นะคะน จะเตือนเรียบร้อยด่มน้ำก็จะเตือยบร้อยางห็กายเรียบร้อยแล้วนะคะกายเนี่ยเป็นฐานเรานะคะดูอะไรไม่เรื่องกลับมาที่บ้านก่อนอืมเพราะกายไม่หายไปไหนนะคะถ้าดูกายไม่รู้เรื่องถ้าดูจิตไม่รู้เรื่องดูกายรู้จิตก็ไม่รู้เรื่องดูกายไม่รู้เรื่องทําสมถธินะคะก็เราต้องอดจิตนะคะแต่บางคนบอกสมถธิก็ทําไม่ได้ฝรั่งพ่อหลวงพ่อบอกต้องอดทนไม้ตายของนักโทนานะคะคืออดทนแต่ ดูจิตก็ไม่เรื่องดูกายก็ไม่เรื่องนะคะทําสมถะก็ไม่ได้อดทนก็ไม่ได้หลวงพ่อบอกว่าในโลกนี้ไม่มีเท้าไม่มีที่ให้เท้าได้เหยียบรับธรรมะอีกแล้วถ้าเราไม่มีตัวนี้นะคะนี่คือไม้ตายของความอดทนละเพราะวันหนึ่งถ้าเราภาวนาได้ต้องอดทนดูของเก่านี่แหละคะ่ะทุกวันเอ ก, กิเลสสามตัวนี้แหละวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันนะคะเราต้องอดทนตรงนี้แหละค่ะนะค ะ, นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูดูตรงนี้เลยนะคะก็จะเห็นได้ละ ว, ว่าเออจิตเมื่อกี้ไม่เหมือนกัน พี่คูกลับไปชอวแบบนี้แล้วลืมสิบสี่จังหวะไปเลยลืมมันไปเลยนะคะลืมมันไปก่อน <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เพราะว่าถ้าตรงนี้ทําถูกยังมายกสิบสี่จังหวะได้แต่ที่ผ่านมาผู้ตรงๆยังไม่เคยเห็นคนยกสิบสี่จังหวะแล้วรู้สึกตัวได้จริงๆนะมันเยอะอ่ะอืแต่บางคนถ้าถูกจริตโอเคนะคะยามรีเก็ไม่ถูกจริตโยกไปไหนแล้วคือมันต้องคิด แล้วมันถูกไหมอะแล้วมันจักท่านี้ไปไหนอือพอเสร็จแล้วอยากให้ถูกทําไงคะครับห น, นึ่งสองสามอันเนี้ยจิตก็แข็งไปหมดละอ่าแต่ถ้าเราเห็นร่างกายหายใจอย่างเนี้ยมันเห็นอยู่แล้วมันเดี๋ยวเบาบ้างเดี๋ยวหนักบ้างเดี๋ยวสั้นยาวนะคะอนนี้ถ้าเราดูตรงร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกธรรมชาติของจิตเนี่ยพอถึงจุดนี้จิตจะสงบมันจะเริ่มนิ่งๆตรงจุดเนี้ยเรารู้ทันนะคะ ความสงบก็เป็นสิ่งที่จิตเป็นรู้เขานะคะเดี๋ยวมันูไปนั่งเนี่ยไปสักพักเนี่ยไม่สงบแล้ตอนนี้มันกูเห็นตรงนี้ก่อนนะคะอะจิตขณะนี้สงบมันรูดูตรงนี้เลยความสงบเป็นสิ่งที่จิตเป็นรู้เขามันยังไม่ได้เป็นความนิ่งนะมันรูถ้าปล่อยไว้อีกนานนิดหนึ่งนะคะมันจะเข้านิ่งแล้วตอนนี้มันเคลื่อนออกมาได้มันกูรู้สึกได้ไหมคะได้ว่ามันเคลื่อนออกมาใช่ใช่นะคะตอนเนี้นี่คือความสงบจิตตั้งมั่นเรียบร้อยละเพราะ เรารู้ลงปัจจุบันได้ว่าพอจิตขณะนี้เป็นไงกายมันเป็นไงกายมันนั่งอยู่จิตมันสงบเราไปเห็นคันความสงบตัวนี้จากนั้นความสงบมันจะดับไม่ดับมันเป็นเรื่องของมันปู่เห็นไหมคะความสงบหายเห็นได้ไหมคะมันคิดตามใช่แต่พอใช่ค่ะถูกต้องพอมันรู้ทันความสงบความสงบแบบจิตจะไหลไปต่อมันจะไหลไปไหนไม่รู้แต่ส่วนใหญ่มันจะไหลไปที่ความคิดก็คือไหลไปที่จิตตาหูจมูกลิ้นกายแลวใจมันจะไหลไปที่ใจเยอะที่สุด คือเป็นตัวที่เราเห็นได้ป่อยนะคะเราภาวนาแล้วเอาตัวที่เราเห็นได้บ่อยตัวนั้นเป็นปกติแต่บางท่านถ้ารู้สึกว่าเราเป็นคนโภสักเราจะมีโมโหทั้งวันเลยเราให้ตัวนี้เป็นตัวดูได้นะคะเดี๋ยวก็มโมโหเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็ราคาญเดี๋ยวก็กังวลนะคะเราดูอย่างนี้ได้ว่าเรามีตัวไหนเราดูตัวนี้เป็นอะไรตัู้ดอย่างนี้ตัวนี้ถอยออกมาได้นะเราจะเห็นแบบนี้แหละคะ่ ะ, ะแต่พอมันนิ่งพอมันนิ่งมามันขูดอย่างนิ่งใช่ไหมคะเรารู้ ความนี้ไม่ใช่นะคะเห็นไหมเราชอบความนิ่งนี้อ่าชายชา ย, ชยคุณครูดูตรงนี้อย่าไ่ปล่อยภ<อ><อ>าวะต่างๆให้มันผ่านไปนะคะในขณะที่เรานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็ตามเนี่ยคือเวลาที่เราจะมาเรียนรู้กายและใจอย่างที่เขาเป็นเท่าที่รู้ได้เท่าที่รู้ได้นะคะไม่ใช่หมายความว่าต้องรู้ตลอดนะค ะ, ะ, คะวันเราจะเห็นอย่างเงี้ยเห็นไหมไหลไปเคลื่อนไปคุครูเห็นแล้วยังคะข้างนอกเคลื่อนไหวได้ Molly, him, him. เห็ออแต่ตัวที่คุณครูดูอยู่ตอนนี้มันนิ่งอ่ะนี่คืออาการของคนติดเพ่งอ่ะ hey. เราไม่ต้องแก้นะคะรู้อย่างที่เขาเป็นเลยนะคะ okay. มันนิ่งรู้ว่านิ่งเห็นไหมเคลื่อนได้ละได้แต่ไม่อยากเคลื่อนเห็นไหมเห็นจิตไหมมันไม่อยากเคลื่อนมันอยากอยู่อย่างนี้ยตรงที่มันไม่อยากเคลื่อนเ้รอะไรมันเหมือนในวันหนึ่งเนี่ยเรามีแม่บ้านช่วยทํางานบ้านวันหนึ่งแม่บ้านกลับสงการอันี้ไม่เคยทําเลยนึ้ออกไหม ตอนนี้ต้องลงมาทำไอ้จิตเนี้ยมันไม่เคยต้องออกมากระทบมันนิ่งอย่างนี้มาตลอดตอนนี้มันจะต้องออกมากระทบเนี่ยมันมันไม่มีความสุขมันไม่อยากเคลื่อนบางครั้งหุดหงิดถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณครูหลุดจากตรงนี้นะคะต้องใช้เวลานิดหนึ่งหนึ่งจะมโหมากกว่าปกติสองสภาวะคือฟุ้งซ่านยเยอะเพราะเราเก็บไว้แต่ตอนนี้เราเริ่มมีจิตของคนปกตินะคะปกติคุณครูฟังของพ่ออยู่แล้วใช่ไหมคะฟังทุกวันค่ะพอเราฟังตัวเนี้ยจิตมันจะได้เรียนรู้ไปด้วย แล้วสิ่งที่คุณครูจะเห็นเนี่ยมันจะมีการพัฒนาของมันอจิตมันจะพัฒนาของเขาเองนะคะหน้าที่เราเรามีหน้าที่ทําเหตุเหตุอะไรให้มีสติก็คือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆนะคะตอนที่เรารู้ตามความเป็นจริงเนี่ยจิตจะตั้งมั่นทีละขณะขณะจนกระทั่งในสุดท้ายในความเป็นกลางจะเกิดเองแต่มันต้องใช้เวลานะคะบางท่านบอกก็ทำมาสามปีแล้วห้าปีแล้วโอ้โหมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะคะมลินจะบอกว่าตรงอดทนนี่แหละ วางใจอย่างนี้เลยนะคะ mm hmm. เราไม่รู้หรอกทุกวันเราภาวนาถวายพระทเจ้า hmm. ทุกวันจะเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะเพราะว่าถ้าเราตั้งคาดหวังนักเพ่งเนี่ยจะคาดหวังต้องอย่างนี้ mm hmm. ทำแล้วต้องได้อย่างนี้ด้วยแล้วถึงสุดท้ายไม่ได้ล้มกระดานใหม่ mm hmm. เพราะเราทำคาดหวังทำเพื่อเอา mm hmm. เราทำเพื่อเอานะ mm hmm. เราไม่ได้ทำลดลา ก, กิเลสเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นคนเข้าวัด ไม่ใช่กิเลสบางนะคะไปสังเกตดูนะคะบางท่านเข้าวัดอพอกภูลมากลับมาอีกเยอะเลยะคะ่ะเนาะอันนี้เขาแจกฟรีมาหรือเปล่าไม่ใช่นะเราทำของเราขึ้นมาวัน <laughs> นั้นต้องคอยดูคนเข้าวัดไม่ใช่กิเลสบางทุกคนแล้วเราต้องดูเราไปวัดเนี่ยเรามีกิเลสตัวไหนเพิ่มไหมอ่าตัวไหนเราละได้แล้วบ้างนะคะเราตอบตัวเองได้นะคะอืมสำคัญตรงนี้แหละคะ่ะโยนิโฉมานสิทานจำเป็นต้องมีนะคะอืม ค่อยๆเดินนะคะดูใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวปลายปีเราเจอกันอีกรอบนึงเดี๋ยวปลายปีเราเจอกันอีกรอบนึงนะคะเชิญค่ะทุกคนนะคะไม่ใช่คุณครูคนเดียวทุกคนเลยค่ะทางนี้ฝ่อนหรือเปล่าคะหรือเรียงมายังไงเอาทางนี้ค่ะเชิญค่ะ เจอุบารีคร <át Stat ue> ั <es> oh, ้งส <las> <nez> <max> ุด <serves> ท้ายที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกวัดสุขบ้านสุขแก่คุมบาลีบอกว่าคือบอกุบาีบอกที่นั่งอยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงบาอกไม่น่ครูซีเขานตอไคถามว่ห้องพนันยามแล้วฝัม่้พ่อสอนอะไรไมร้่ วิวบอกโอ๊ยแตไม่กินแล้วะไปทาไมจะต้องลงข่อใหม่หัวนั่นกลับว่าหนาวฮะวิธีแตกเลยน้อยใจโอหเราปฏบัตมาเยอะมากเ้าเป็นคนที่ตีสี่โมงปฏิบัติทีมทุกวันทุกวันหนาวแล้วปฏิบัติมาขนาดนี้ไม่ได้เลยเลยแตเลยนะเลอะรัดเลยนเจอบอื เพื่อนเขปฏิบัติาอกเอ้ยกิดไม่ได้มถึงตรงนี้เอาใหม่ตั้งใหม่ตั้งใหมตั้งใหม่เอเเริ่ม ส, สองวันจริงไปสองวันวันที่สามเอาะนนี้เริ่มเด็กหนึ่งนเมื่อก่อนไม่เคยเจอไปปุ๊บทำธุระเสร็จเรียบยก็จะนั่งไปเลยบอกไปลองเดินดูเขาเริ่มเดินดีขึ้นเรา่อยๆคายเลเสร็จแล้วก็ <ใน S 1> มา น, นั่ง ก็มาคิดมาโอ้ตัวเรานี่แย่มากไม่รู้เราคิดหรือว่าจิตมันไปเองนะคะเรานี่แย่มากคุณบาลีทักมาแค่นี้เราจะเลิกโป๊กิเลตเราหนามากเราตอนนี้เริ่มดูตัวเองแล้วให้กิเลตเราหนามากแต่นี่ไม่รู้ว่าเราคิดหรือเรามาเองหลังจากนั้นก็ปฏิบัติมาจนตนิดตามแล้วมือไปไหนไหนกตามด้วยนเลยนะคะก็เลยกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเดินไปทํางิสสังสมาธิ ความไม่การรวจคู่จิมมารีสองนิดนึงว่าเราจะต้องทํางไรต่อแต่ตอนนี้ที่เดินจงกรมไปจงกรมเรามนั่งนั่งดูลมดูลมแต่บางทีเรารู้สึกอัดเมื่อวันก็รู้สึกมันซ่ามากเลยแถวเนี้ยมันซ่าเห็นไหมคะเดินจงกรมจริงๆเนี่ยพี่ก็อยากบังคับแต่มันบังคับไม่ได้เพราะมันเป็นกรรมฐานเคลื่อนไหวนะคะมันจะอยากบังคับมันก็อยากบังคับแหละแต่มันบังคับไม่ได้จริงๆอย่างเหมือนเราพี่เรานีตอนนี้พี่ทํา2อย่างเลยแล้วค่ะ S <S, ตอนเช้าเนี่ยก่อนจะเดินจะยืนสติสติก่อนแล้วก็ค่อยเดินตอนแรกก็จะเดินรู้ซ้ายขวาซ้ายขวาฟุ้งก็รู้ว่าฟุงนะคะแล้วก็พอเดินตอนแรกก็จะเดินค่อนข้างจะเป็นรูปแบบมันรู้สึกมันอึดอัดเดินชอปปิ้งท่าไหนอะพี่ก็เลยเดินปกติใช่ใช่ก็เลยเดินเร็วขึ้นก็เออรู้สึกสบายขึ้นเดินอย่างที่เราเป็นนั่นแหละค่ะเห็นไหมว่าเราดัดแปลงทั้งหมดเลยอืมคือวันนึงนะคะเราทําสิ่งที่ผิดมา วันที่เราถูกคือวันที่เราได้ธรรมะเพราะฉะนั้นพี่อย่ากลัวผิดเราผิดทั้งนั้นแหละค่ะหลวงพุทธ <c oughs> ึงบอกว่าล้มก็ต้องลุกคุกฝุ่นก็ต้องคลานไปเ <c oughs> ส้นนี้มันถึงยากไง <c oughs> คนที่มันยากเพราะว่าเราเราเราคิดว่าเราจะ <c oughs> ต้องหวังผล <c oughs> ใช่แต่เรา ท, ท, ไไทําทุกวันไปเรื่อยๆทาถวายพระเจ้าอ่ะทุกวันจิตมีกําลังทุกวัน <c oughs> แต่ถ้าระวัง <c oughs> แต่ถ้าระวังทําด้วยความคาดหวังแบบนี้ <c oughs> นึกออกไหมมันพอกกิเลสเข้ามาเราทําด้วยความอยาก ทำอย่างนี้คือความโลภแหละเพราะฉะนั้นความโลภกิเลสครอบไปแล้วในสภาวะ น, นั้นเราไม่เห็นกายอย่างที่เป็นจิตใจอย่างที่เป็นแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเห็นตัวจริงเราเราจะรู้เลยนางมาร้ายเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอือเราจะเห็นตัวจริงๆเราเลยพอวันหนึ่งเราเห็นตัวจริงเราเข้าใจตัวเรานะเราจะเข้าใจคนอื่นกิเลสที่ฉันมีเธอก็มีเหมือนกันนี่แหละเพราะนั้นการที่เธอทาแบบนี้มันไม่แปลกเราจะมองเลยว่ามันไม่แปลกเพราะทุกคนมีกิเลส แต่สำคัญคือมันไม่รู้เท่าทันกิเลส น, นะคะมันก็เลยเกิดการกระทบกระทั่งเบียดเบียนกันในโลกใบนี้เนาะตอนนี้กลับมาการเภาวนาของพี่เนาะตอนเนี้ที่พี่เดินอยู่มันดีขึ้นแต่สติมันเข้มไปสติเข้มไปสติเข้มไปตรงนี้คือสภาวะของการบังคับเนี่ยยังมีอยู่อ่ะทำไมมันถึงยังมีอยู่ต้องวางใจให้ถูกก่อนค่ะเนาะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง พี่เอาความเป็นจริงเราไม่เอาว่าจะต้องดีมันยังติดดีอยู่รู้สึกไหมคะเห็นไหมคะเห็นได้ไหมอ่ะมันเดินบางทีก็คือเป็นคนเป็นคนมีโทรศั์ค่ะแล้วเป็นคนที่ทําอะไรคัดมีจุดมุ่งหมายมบางทีเนี่ยเดินเดินเอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปทํานู่นแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปทํานี่เดี๋ยวเราเข้าบราิษัทเราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอรู้ปุ๊บมันก็ดับไปเริ่มใหม่เริ่มเดิใหม่เดินใหมย่ยืนตรงใหม่แล้วก็เดินใหม่อย่างเงี้ยค่ะเราเป็นคนมีโทรศัพ รู้ว่ามีโทสะเวลาคุยกับลูกน้องเนี่ยรู้ค่แต่โกรธไปแล้วอืมเอ็ดไปแล้วกับมารู้โอ้ยที่เราไม่น่าเลยแต่เราเรออกเราลุดไปแล้วไม่เป็นไรค่ะตัวโทสะเนี่ยมันจะเป็นกรรมฐานเนี่ยหรือเป็นกิเลสเนี่ยที่ดูได้ง่ายเพราะมันหยาบนิดหนึ่งนะคะแรกๆกราไม่ชินต่อไปเนี่ยเราเริ่มจํานะจิตจะเริ่มจําได้เอาเนี่ยโมโหนะอันนี้โกรธนะอืต่อไปเนี่ยมันจะค่อยๆจําต่อไปมันจะขึ้นปุ๊บขึ้นวิถีปุ๊บเนี่ยมันจะดัง ยดีเราจะเห็นได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ตอนนี้เราต้องมาดูก่อนว่าไอสมาธิ<ม>ที่เราทําอยู่ตอนนี้ยมันยังมีการบังคับอยู่<ม>เพราะใจเรายัางวางเนี่ยพี่รู้สึกไหมเราจะเอารู้สึกตัวเราจะเอามีสติอยู่อถ้าเราจะเอาสองตัวเนี้ยเราบังคับไห ม, ม, มอ่ะก็ถ้าจริงเราไม่ได้เอาสองตัวนั้นเลยเราจะเรียนรู้ความเป็นจริงของกายและใจใชเช่นพอพี่ไปเดินพี่รู้ทันใจก่อนว่าอ๋ออยากฝึกสติอ๋อเป็นเดินเนี่ยอยากรู้สึกตัวรู้แค่ตรงนั้น เราตรงนั้นคือความจริงของกายและใจในขณะนั้นที่เขาทํางานไม่ใช่ว่าห้ามไม่ใช่ห้ามอะไรห้ามเผลอไม่ใช่หรือห้ามอ๋อฉันอยากมีสติต้องห้ามไม่ให้จิตมันคิดแบบนี้เหรอไม่ใช่แต่ไปรู้ว่าอ๋อจิตเขาอยากมีสติอ๋อเราภาวนาเพื่ออะไรเพื่อเอารู้สึกตัวอืมเรารู้ทันตรงเนี้ยนี่คือการที่เราเนี่ยเข้าใจหลักที่หลวงพ่อสอนเอาหลักได้แล้วเวลาลงมือปฏิบัติเอาหลักนั้นทาบลงไปด้วยว่าอ๋อเราผิดตรงไหนดูไม่รู้เรื่องเลย ตอนนี่คืออะไรออกคือขณะจิตไม่รู้เรื่องนี่คือความจริงของกายกับใจล่ะ ว, ว่าจิตขนาดนี้ฉันดูไม่รู้เรื่องนี่คือหนึ่งสภาวะจากนั้นความไม่รู้เรื่องดับนะคะจากนั้นอะไรจะเกิดเราไม่รู้ละเราก็ดูตามไปอีกนะคะอย่างบางท่านเนี่ยบอกอยากได้จิตตั้งมั่นทำยังไงให้มันมีจิตตั้งมั่นเราดูทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็เรารู้จิตที่มันไหลไปทันทีที่เรารู้ว่าจิตนั้นมันไหลไปจิตก็จะตั้งมั่นเสร็จเรียบร้อยเพราะความไม่ตั้งมั่นดับ ความรู้สึกตัวเกิดสติขณะนั้นเกิดเรียบร้อยความตั้งมั่นของจิตเกิดเรียบร้อยละเพราะฉะนั้นมันทําไม่ได้ว่าต้องทําตัวจิตตั้งมั่นขึ้นมาแต่เราไปรู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นก็คือจิตที่มันไหลไปจิตที่มันเคลื่อนไปนะคะแ ต, แ ต, แต่บางขณะที่นั่งนะคะบางทีรู้ว่ากำลังจะฟุง้งกําลังจะไปแล้รู้ปุ๊บมันหายเลยบา ง, บางขณะแป๊บเดียวแ ต, แต่ตอนนี้ที่หายพี่ไปดูเนาะพอมันหายปุ๊บพี่สังเกตก่อนว่าเราหนักไหมตรงหน้าอกตอนนี้มันจะหนักอยู่ นั่นคือเราดึงกลับมาเลยนะคะอใช่ค่ะพอบันหายปุ๊บเราก็ปล่อยไม่ปล่อยค่ะมันรู้อย่างที่เขาเป็นค่ะแต่ตอนนี้ที่พี่หายเนี่ยคือพี่บังคับอยู่เนาะคือมันหลายปุ๊บพี่ดึงกลับมานะคะลองสังเกตค่ะวิธีสังเกตคือเรารู้สึกไหมว่าหน้าอกมันแน่นๆ่นมันดึงกลับมาอืเพราะเราจะเอารู้สึกตัวเราจะให้มันไม่ไหลอ่ะเราจะเอาเนี่ยต้องไม่ไหลต้องสงบต้องรู้สึกตัว ตอนนี้ความรู้สึกตัวนี่เด่นมากในความรู้สึกที่เรากำลังจะภาวนานะคะนั่นคือความจริงที่จิตเขาอยากรู้สึกตัวเรารู้ไปตรงๆเลยว่าจิตอยากรู้สึกตัวอืมจิตไม่ใช่เราเนาะจริงๆพ่อแท้จริงเราจะภาวนาจนเห็นว่าจิตมันไม่ใช่เราพี่ใช้เวลานิด น, นึงนะคะมันไม่ยากหรอกะแต่สิ่งที่พี่ทํามาทั้งหมดมันเป็นเหมือนทองนะมันเป็นเหมือนทองแต่มันต้องกล่านิดนึงอะว่าจะขึ้นทางยังไงอมืมันมีหลายทางขึ้นเลย ะะเราไม่จําเป็นต้องเอาทางของใครเลยนะคะทุกคนมีทางของตัวเองนะคะแล้วแล้วทางที่เริ่มขึ้นเริ่มมันเริ่มแล้วสิพี่เห็นแล้วพี่ใครออกมาต้องเยอะแล้ว อ, อ่าอย่างน้อยพี่เดินจมกลมที่เห็นสภาวานะแล้แต่วันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่พี่ทํามาต้องนานกับอ น, นี้พี่ทํามาเดือนหนึง่งมันจะหายเลยมันเป็ น, เ ป, นเป็นไม่ได้นะถ้าได้เนี่ยก็บงังคับอีกแบบหนึ่งแหละอืมนะควันนั้นคือมาลีบอกว่าคุณรู้ว่าภายในตัวคุณเนี่ยไฟดวงใหญ่มากใช่อ จริงอันนี้จริงเพราะบางคนใจร้อน<ช>นะคะแต่ว่านั้นสติดแตกแต่จริงๆคือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มาคุยกับลีคถ้าภาวนามาเยอะๆนะคะเ<ช><ช>ขาจะบอกเหมือนโดนไม้3ามตีกลับไปเราเข้าใจนะแต่แต่ถ้าไม่ตีพี่นึ่งออกไหมอะเมื่อไหรมันจะรู้เรื่องละก็เลยมาคิดไงฮะเป็นบุญมากเลยที่ได้เจอแบบนี้เพราะได้เจอหลวงพ่อได้เจอคำนัที่พระเจ้าเนี่ยไปเข้าคอสเนี่ยไปเจอวิทยากรบางท่านก็ถามเหมือนกันว่าเป็นยังไงตอนวิจิต ก็เดินถูกแล้วนะแต่ว่าอย่าเพ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพอมันเจอกุมารีวันนั้นเนี่ยมันตกใจมากเลยกลับบ้านในสติแตกวันนั้นคนจะไม่ค่อยต้า ม, มาเจอมารีหรอกไม่ไม่อันนี้เรือ่องจริงก<อ>็เลยมีความรู้สึกว่าเออใช่ละคนที่ใช่ลนะนะมันหล <ขอ S 2> ักข้อถึงบอกว่าผู้ช่วยสอนมีหลายท่านเราลองดูว่าเราถูกจาริดกับใครนะคะมันไม่ใช่มารีไม่ได้ถูกจริดกับทุกคนเพราะบางคนร้องไห้กลับไปเลยอย่างเงี้ยก็มีเราก็เราก็เข้าใจได้นะอืมแต่ว่าสไตล์เราเป็นแบบนี้เนาะ จะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีบุญที่ได้เจอเงฮะเพราะว่าโอ้โหที่ปฏิบัติมานานนะขอตรงๆแต่ว่าเมื่อก่ อ, อนออนๆออกๆเพิ่งมเริ่มจริงจังเมื่อประมาณปลายต้นปีที่แล้ววันหนึ่งถ้าเราทํานะเราเข้าใจน ะ, นะคะ ม, มันจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ปฏิบัติหรอกเราจะรู้สึกเลยบ้านเนี้ยมันมันหลอมอยู่ในชีวิตประจําวันเรานะต่อไปคุณจะรู้สึกอย่างนี้ได้เลยเราจะไม่ได้แยกชีวิตเลยว่านี่คือปฏิบัติธรรมอันนี้คือการอยู่กับโลกมันหลอมอยู่ทั้งชีวิตนี่แหละ ย่งเงมันนั่งอยู่เนี่ยมันคุยคุณก็เห็นใจไหลไปใจเคลื่อนไปเห็นจิตที่มันเหนื่อยอเห็นอะไรเนี่ยเราก็เห็นร่างกายเห็นไปเนี่ยมันต้องคอยขยับตัวนะคะอย่างบางทีเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่เข้าใจนี่อะไรรู้สึกตัวอืมอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําความรู้สึกตัวเข้ามาเพราะเวลาเราคุยอย่างนี้เราต้องใช้สมาธิในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพิศกักไปทําเนาะไม่ยากแ <ใน S 2> ล<ะ>้วล่ะค่ะแต่ตรงนี้ให้เปจดูก่อนว่าเรายังอยากอยู่อยากรู้สึกตัวความเป็นจริงคืออยากรู้สึกตัวอืม ไม่อยากถูกไม่มีในคำสอนพระเจ้ามนทื่อยากพูดรู้อยางใช่คำสอนพระเจ้ามีแต่คำว่ารู้รู้อย่างที่เขาเป็นด้วยนะคะโอเคนะเซนค่ะสวัสดีค่ะมีค่ะมีว่าหนูเป็นคนที่ตื่นเต้นง่าค่ะเพราะตื่นเ้นงายแล้วมันก็จะบักขาเอาใกล้ๆนิดนึงกันหน่พเป็นคนที่ตื่นเ้นงายค่ะเพราะตื่นเ้นงายปอบบอกมันจะบักขาวจิตไม่ให้ตื่นต้ แต่แบบกระจนไม่ให้ตือนเต้นนะก็จะก็จะแข็งนล้วนัแน่นข้างในอ่ะที่นี้เลยเมื่อกี้ระหว่านง น, านั่งฟักพิมารีพู้นะคะก็พยายามดูดูความแน่นที่อยู่ข้างในแล้วก็จะแบบแน่นมากแน่นน้อยแต่มก็ยังไม่ได้คลายอือก ค, คือจริงๆหนูจะใช้ดูไกลเป็นหลักนะคะก็จะเวลาเดินอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความรู้จุดที่เท้าค่ะก็ อาจจะแบบว่ามีความรู้สึกอัตโนมัติแบบบางทีแร้วนักทำงานอยู่อะค่ะจะรู้ปเป็ข้าวมันน้ำแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าระหว่างที่เท้ามันเกิดบหงบอแบบเราจะรู้สึกตัวทันทีค่ะก็ เ, เลยไม่แน่ใจว่าเราทั้งที่ผ่านมาเป็นอะไรตอนนี้ทำสมาที่แบบไหนอยู่คะปาากติใช้ดูลมหายใจค่ะวันละเท่าไหร่คะไม่ค่อยบ่อยจะใช้ก่อบ น, นอนค่ะอืมวันละนลเท่าไหร่ก่อนนอนเน่ยก่อนน อ, อปนประมาณนาทีโอ้ ทำไมมักน้อยจังงทำห้านาทีก็ได้ห้านาทีเนาะธรรมะนิยุกิทําแห่งธรรมะเนาะห้านาทีนี้แล้วฟังซีดีหลวงพ่อมานานเท่าไหร่ฟังซีดีหลวงพ่อมานานเท่าไหร่แล้วคะหลายปีแล้วค่ะหลายปีทำห้านาทีนะหน้าตีไหมแต่ว่าแต่ว่าหนูอาใจฟังธรรมะหลวงพ่อตอขับมันไม่พอค่ะคือถ้าวันหนึ่งเราไม่เอาจิตมาพักเลยสมถะเราไม่ทําเลยเราจะรู้สึกว่าเหมือนเรารู้สึกตัวได้นะแต่ข้อแท้จริงมันไม่รู้สึกตัวแล้วล่ะ จิตถ้ามันไม่เข้าบ้านจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยปัญญามันเดินไม่ได้แล้วต่อไปเราจะตกรถไฟแล้วนะเพราะตอนนี้เนี่ยแยกขันเป็นเรื่องปกปติตอนนี้เจริญปัญญาการซะส่วนใหญ่แล้วนะคะเพราะนั้นถ้าเราฟังซีดีหลวงพ่อมานานแล้วเนี่ยไม่ได้มักน้อยเกินห้านาทีพอืมทำไมใช้คำว่าพยายามจะตั้งใจทำให้ได้ค่ะรู้ทันว่าไม่ตั้งใจรู้ทันว่าไม่อยากทา เรารู้ตรงๆเลยค่ะกิเลสมันหลอกอยู่ตอนนี้เป็นคนที่ยีโมหะเยอะอะค่ะใช่อันนี้เราต้องมาดูและเห็นไหมให้เราหลุดของเราออกมาแล้วนะรเรามีโมหะเหตุของโมหะมาจากไหนของเรามาจากเฟซบุ๊กไหมมาจากไอจีไหมมาจากว่าเราต้องทําหน้าคอมเยอะๆไหม เ, เราต้องดูก่อนถ้าเรารู้ว่าเรามีโมหะเราต้องรู้ด้วยว่าชนิดของโมหะมันมาตอนไหนอันนั้นกับสิ่งที่เรามีโยใ น, นใิสงมณิสการในตัวเรารในการภาวนา เราภาวนาอย่างเดียวไม่ได้นะคะถ้าเราไม่สังเกตตัวเราเลยเองนะคะทําแบบนี้แล้วได้อะไรทําแบบนี้แล้วได้อะไรนะคะเราจะทําแล้วมันเหนื่อยฟีไปเลยนะคะแล้วสุดท้ายเราต้องคอยมานั่งถามคนอื่นไม่ได้เราต้องตอบตัวเราเองได้ะนะคะตอนนี้ทําเพิ่มนะคะเวลาเรานั่งเนี่ยมี <c oughs> เวลาเราจะเดินจงกรมก็ได้นะคะเลือกสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีแรงนะคะเดินเพราะนั่งหลับแน่นอนคะ่ะไม่เหลือ เพราะมันปกติ ค, คนชาเมืองเนาะสี่ <4 S 1> ทุ่มยังอยู่บนท้องถนนนึกออกไหมเราสี่ทุ่มเรายังอยู่บนท้องถนนเลยอะ่ะ เ, เพราะนั้นเราจะเหลือแรงกลับไปทําได้ไหมยากเราจะพยายามภาวนาระหว่างขับรถนะคะบางทีก็รถจึดตัวบางบางทีก็เห็นเท้าที่มันขยับบ้า ง, างเวลาขับรถคือเวลาที่ไม่ควรจะดูเลยใช่ค่ะเดี็กจิตมันไปรวมนะเ อ, อมันไม่ได้เลยเวลาที่เราไม่ควรจะดูคือเวลานอน เวลาทางานที่ใช้ความคิดอันนี้เพิ่มอีกอันหนึ่งคือว่าเวลาขับรถถ้าจิตมันรวมแล้วมันจะไม่ไหวเลยนะคะเพราะฉนั้นกลับมาเนี่ยเดินได้ไหมสิบห้านาที<ช> ถ, าถ้านั่งมันไม่รอดหรอกคะอ่ะเหนืน่อยเกินดีด ไ, ค, ดดนนไดคือถ้าดูลมแล้วจิตไม่มีแรงแบบนี้นะคะมันก็จะเคลิ้มเข้าไปในลมสุดท้ายมันก็คือสร้างวิชาสมาธิใช่ตอนนี้มันก็เคลิ้มอยู่มันจึงไม่มีแรงรู้สึกไหม เออมันเออเออย่างเงี้ยอืมอืมเพราะมันเออเอมันไม่มีแรงละมันจะดูอะไรก็ไม่ได้ละนะคะถ้าสมมุติเราบอกเออมันไม่ไหวละนอนไปเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวตื่นขึ้นมาทําถ้าเราตื่นนะแต่ทําให้ตื่นวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลนะวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลคือมันจะหลับไปรวดตื่นเช้าคือจะต้องวิ่งไปทํางานละอันนี้จะไม่รอดหรือหรือถ้าเราบอกอันนั้นไม่ไหวนอนก็ทําตอนเช้าอ่าแต่ถ้าตอนเช้าก็ไม่รอดอีก ต้องหาวิธีของตัวเองแล้วล่ะนะคะนี่ถึงเดินจงกรมทั้งชีวิตเลยเพราะว่านั่งก็ไม่ไหวสลบแน่นอนชาตินี้ฉันไม่ต้องไปไหนแลว้วอะตายแน่นอนแต่ถ้าเราเดินแล้วจนกระทั่งเข้าใจอ่ะเดี๋ยวนั่งก็ได้ค่ะเนาะโอเคเนาะค่ะเชิญ ค, ค่ะ ยังไงคะฟังหลวงพ่อโประโมดมานานแล้วคะ่ะฟังกับเจ้านายเจ้านายฟ oh, ังโมธนาเ ด, เดินตรงกลมมาได้หกเดือนแล้วคะ่ะโอ้โมธนาค่ะแล้วเป็นยังไงคะเดินแล้วชอบไหมที่แรกก็เดินได้สิบนาทีแล้วพอหลังๆก็เพิ่มไปสิบห้าค่ะตอนนี้ ได้ครึ่งชั่วโมงโอ้โหมธนาเดินธรรมชาติดีเนาะค่ะแล้วเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงอีกมั้งคะก็เห็นไม่มีความสุขขึ้นค่ะเห็นตัวร้ายร้ายเราไหมเห็นตัวร้ายร้ายเราไหมก็เห็นค่ะดีค่ะตรงนั้นตรงที่ร้ายเนี่ยเราอย่าเกลียดมันเนาะค่ะเราค่อยๆดูมันเดี๋ยวจะค่อยๆเข้าใจเพราะมันไม่ใช่เราหรอกอืมเพราะมันไม่ใช่เราก็ทําแบบนี้ค่ะทําต่อเนื่องไปแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อไปฟังค่ะฟัง คนมาเีสอนเดินจงกรมด้วยดีค่ะเดินจงกรมต้นน้ำ ม, มันได้มันได้มันได้ร่างกายด้วยนะพูดถึงเราเดินจงกรมนะคะอเราได้เคลื่อนไหวเพราะจริงๆในคารวะเนี่ยเราเคลื่อนไหวทั้งวันอะเพราะฉนั้นถ้าเราฝึกการเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวได้เราใช้ในชีวิตประจําวันได้เราก็จะเจริญสติได้จริงๆะนะคะค่ะดีค่ะโมทนาค่อยๆทําอย่างนี้ไปค่ะรู้สึกไหมมันมีความสุขรู้สึกแล้วพ่อตาไนก็สอนไว้ค่ะได้ไ้ พี่รู้สึกไหมว่าชีวิตพี่เปลี่ยนอะค่ะรู้สึกไหมอะรู้สึกอืมจริงๆนะถ้าวันหนึ่งคนเราเจอธรรมะจริงๆที่มันถูกจริตกเรานะเราจะรู้ว่าชีวิตเรามีจุดมุ่งหมายไม่ใช่เกิดมาแล้วตายไปเฉยๆบางทีกลางคืนจะนอนนะะอุ้ยวันนี้ยังไม่ได้เดินจนกลมเลยบอกเจ้าไหนอุ้ยวันนี้พี่ยังไม่ได้เดินจนกลมเลยลุกขึ้นมาเดินเลยโอ้โมทนาโมทนาดีค่ะค่อยเดินแล้วเดี๋ยวพี่จะรู้ว่า อะไรในชีวิตเราที่เป็นสาระจริงๆเนาะโหทนาค่ะทำบุญมาไม่ธรรมดาเนาะเชิญค่ะปิดเตค่ะดีค่ะนั่งสมาธิจนไม่สามารถที่จะเดินต่อได้เลยได้เจอษีดีของหลวงพ่อค่ะก็เอาไปฝึกทำแต่ว่าก็ยังไม่ได้ก้าวหน้าค่ะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้พี่ทำสมาธิตัวไหนอยู่ค่ะก็เป็น ตัวจิตนิ่งนะคะจิตนิ่งใช้ใช้ดูลมตรงไหนไหมคะอธรรมดาก็จะใช้ตรงอลมหายใจเข้าหายใจเข้าออกค่ะแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นดูร่างกายค่ะอดีค่ะดีรู้สึกไหมคะพอเดาดูมาดูร่างกายเนี่ยอะไรความนิ่งตรงนั้นเนี่ยมันหายไประดับหนึ่งมันเบาใช่มันไม่ล็อกเหมือนเดิมมันเริ่มเคลื่อนไหวได้ค่ะเพราะวันหนึ่งเราเห็นร่างกายเนี่ยมันหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเนี่ย ธรรมชาติมันเคลื่อนไหวยอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเราก็จะเห็นได้ตรงที่มันเคลื่อนไหวได้ตอนเนี้ยพี่เห็นได้อย่างธรรมชาติอยู่แลแต่ตอนนี้มันอยากจะไปบังคับไหมรู้สึกได้ไหมคะรู้สึกได้ค <ๆ S 2> ่ะ ร, รู้ทันตรงบังคับเลยค่ะรู้ทันจริงๆมันหลุดมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะแต่มันยังไม่หมดะนะคะแต่ตอนนี้พอเราไปรู้ปุ๊บเนี่ยธรรมชาติจิตที่เราเคยบังคับลงมาเรื่อยๆรื่อยเราก็อยากจะมาบังคับตัวนี้อีกพี่รู้ทันตรงเนี้ยดีมากเลยค่ะพี่หลุดแล้วนะจริงๆรอ่ะพี่รู้สึกไหม รู้สึกว่าเบาขึ้นไงใช่ใช่รู้สึกมันสบายขึ้นรู้สึกได้ใช่ไหมคะรู้สึกได้แต่ก็ยังฟุ้งอยู่ฟุ้งเป็นสิ่งที่จิตต้องฟุ้งธรรมชาติของจิตมีหน้าที่ฟุ้งนะคะเรามีหน้าที่รู้พี่ฟังซีดีหลวงพ่อนานเท่าไหร่แล้วคะประมาณปีเดียีหนึ่งค่ะปีหนึ่งเนี่ยพี่ท่องหลักหลวงพ่อให้ได้ก่อนมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงค่ะเวลาที่จิตเขาฟุ้งเนี่ยพี่ดูตรงๆเลยว่าจิตมันฟุ้งค่ะนะคะแล้วดูไปเรื่อยๆ ถ้าวันไหนเรามีกำลังดูเราดูเลยจิตที่ฟุ้งเนี่ยฟุ้งไปเองเราบังคับจิตฟุ้งไม่ได้ค่ะตรงนี้พี่จะเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์เห็นตั้งแต่ว่าจิตมันฟุ้งได้เองเราเห็นอันนี้จังละแล้วเราอยากให้มันฟุ้งไหมเราไม่อยากให้ฟุง้งเราอยากบังคับเราบังคับไม่ได้ถูกไหมคะเราบังคับให้จิตไม่ฟุ้งไม่ไดอ้อันนี้เราเห็นอนัตตาถ้าพี่สามารถเห็นไตรลักษณ์ของกายกับใจได้เนี่ยคือมีปัจนาได้แล้วแต่ตรงเนี้ยใหม่ๆถ้าเราติดอย่างนี้นะคะ ช่วยมันคิดนิดนึงได้ว่าเออไอจิต Ь ที่ฟุ้งไม่ใช่เราอืจิต Ь ที่สงบก็ไม่ใช่เราอีกคิดนำำําำคิดนําใช่ถูก ต, ต้องคิด น, นํานิดนิดได้พอเราคิดนําสักครั้งสองครั้งจิ ต, ตจะจำได้ต่อไปจิตมันแยกดูได้เองเ<ช> <umpy. S 2> พราะจิตที่มันบังคับอย่างเงี้ยมันก็มีกําลังของมันอยู่แต่มันใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้ไไดคือมันเจริญปัญญาไม่ได้มันได้แต่นิ่งกับสงบนิ่งกับสงบอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้จะเดินปัญญาด้วยวิธีไหนพอเราเดินปัญญาไม่ได้เราพ้นทุกข์ไม่ได้ พรสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะเพิ่มเพิ่มความทุกข์มากขึ้นเพราะเราบังคับทั้งหมดเลยค่ะพี่เห็นไหมสบายขึ้นสบายขึ้นได้ค่ะตอนนี้ใช้วิธีดูลงตรงนี้ใช่ไหมคะใช่วันหนึ่งเท่าไหร่อยู่คะสิบนาทีได้ค่ะทํำให้สบายคราวนี้เราจะเจริญสติได้มากขึ้นใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยค่ะร่างกายกวาดบ้านถูบ้านนะคะพี่ทํางานบ้านบ้างไหมทั้งวันเลยโอ้ดีค่ะใช้เคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้เนี่คนที่เขาทําแบบเนี้ยเขาได้ธรรมะมาก็เยอะแล้วนะ ใช้วิธีนี่แหละกวาดบ้านล้างมือนะคะล้างจานทํากับข้าวเนี่ยซักผ้าหรือทําอะไรเนี่ยที่เคลื่อนไหวทั้งวันแล้วเรารู้กายไปเรื่อยเรู้จิตไปเรื่อยๆเวลาทําความสะอาดบ้านสะอาดแล้วเห็นใจที่มีความสุขย้อนมาดูใจที่มีความสุขนะคะอย่าดูกายจนกระทั่งมันคือจริงๆของพี่ดูกายอะ่ะได้นะคะแต่จิตมันก็นิ่งไปด้วยนะคะรู้ทันความรู้สึกขึ้นมานิดนึงวันหนึ่งนะคะสมมุตินั่งเฉยเฉยนะคะพี่ใช้ขยัะแบบนี้เลยคะ่ะกํา พี่ลองทํานะค ะ, คะกํำแน่นๆแล้วแบแล้วลองสังเกตจิตที่มันเปลี่ยนไปนะค ะ, คะกำแล้วก็แบนะคะลองกำแล้วก็แบที่ลองทําดูพี่เห็นไหมว่ากำอ ะ, ะแล้วแบดูค่ะพี่เห็นไหมตรงแบข้งครั้งแรกกับธรรมชาติแต่ตอนนี้มันเริ่มรู้สึกไหมคะมันมีการบังคับตรงแบไม่ธรรมชาติอ่าไม่ธรรมชาติเพราะนั้นทําอะไรก็ได้แต่อย่าทำซ้ำํา พี่ทำอย่างนี้สักสีห้าครั้งพอจบทุบเข่าเลยค่ะทุบให้สบายทุบเขา่าสบายพี่จะทุบแรงค่ะทุบเบาๆทุบเบาๆสบายๆอย่าลืมความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิอ่าอ้าสบายๆอย่างเนี้ยค่ะอ่านั่งเฉยๆนะคะนวดตัวม่นวดวสบายอ่าใช่อย่างนี้คะคนไม่รู้หรอกว่าเราทํากรรมฐานอยู่อืมเราขยับตัวนะคะเลขาไปแล้วแนะนํานะคะ ถ้าทายที่ไม่เล่งห้าก็ไม่สงวนนะคะเพราะมันจะสามารถลูกการกลับมาได้เพราะเวลาเรานวดยังไงเรารักอะไรมากที่สุดรักตัวนี้แหละพอละรักตัวเนี้ยเรานวดจะมีความรู้สึกได้อืให้เธอแข็งแรงนะให้ตัวนี้แข็งแรงจะได้อยู่ภาวนาเนี้ยเนี้ยพี่ช้อย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวทุบมั่งทุบมั่งซ้ายขวานะคะขยับใช้วิธีนี้นะค่ะนะคะมันสามารถได้อันนี้เป็นเครื่องอยู่ได้นะคะมันเครื่องอยู่ในระหว่างวันได้นะคะ เชิญค่ ะ, ส ว, คะสวัสดีค่ะเริ่มฟังหลวงพ่อได้ไม่กี่เดือนะค ะ, คะแล้วก็เริ่มปฏิบัติดูโอ้ดีค่ะที่ทํามาถูกหรือเปล่าคะพี่ทำมานานเท่าไหร่แล้วคะสอสามเดือนน ะ, ะสองสามเดือนทําอะไรอะคะเออท่านึกได้หลวงพ่อบอกว่าให้ดูลมหายใจคเออพูดโธอะไรอย่างเนี้นะ ค, ะค่ะแล้วบางทีเมื่อก่อนจะเป็นคนขี้โมโหมากกับแฟนเนะะี้ย เขาพูดอะไรมาก็จะของขึ้นอืแต่ถ้าฟังหลวงพ่อมาเขาพูดมาก็เอพ่อโมโหก็รู้ตัวว่าเออโมโหดีจังก็จะก็จะงับลงได้อะค่ะเดี๋ยวแฟนพี่เขาจะบอกเลยเขาได้แฟนใหม่ใช่อไม่ใช่ค่ะเขาจะไม่บอกทีแรกแบบทีแรกกับเปิดเปิดหลวงพ่อใช่ไหมคะค่ะโอ้พอแกได้ยินเลยคือจะเดินมาปิดเลยอพอพักหลังเปิด ก็เปิดเบาๆแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆเพราะแก่เปิดทิ้งไปบ้างเดี๋ยวนี้แกก็ไม่ปิดเลยค่ะโอ้แกก็ไม่ปิดเพราะเขาเห็นแฟนเราเปลี่ยนไปอ่าอย่างน้อยอันนี้เป็นตัวที่ช่วยให้แฟนเราอารมณ์ดีขึ้นได้อืเพราะว่าแก่จะเป็นหลวพ่อบอกว่าดีาได้สามีแบบนี้แต่ไม่ได้ถามหลวงพ่อนะฟังจากที่ญาติโยมถามกันเขาบอกเป็นตัวฉนวนทําให้เรามีสติว่าเออจะเริ่มโกรธแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเดี๋ยวไปปิดทองได้นะ ปิดทองสามีได้ทําให้เราเข้าใจธรรมะขึ้นมาในระดับหนึ่งนี่แหละค่ะมันต้องอยู่แบบนี้แหละกระทบกระแทกกระเทือนแล้วมันเห็นใจที่มันเปลี่ยนไปนะคะแล้ววันนึงธรรมะเนี่ยมันเปลี่ยนนะมันเป็นอัศจรรย์แห่งธรรมะนะมันเปลี่ยนเพราะนั้นที่วันหลวงพ่อเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมากันเป็นครอบครัวเริ่มจากคนแรกก่อนอ่าต่อไปจะมากันเป็นทั้งครอบครัวเลยอืมที่เห็นหลักๆคือเขาไม่ปิดสีดีหลวงพ่อแล้วอ่าโอเคก็เปิดฟังไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะถามคุณมารีว่าที่ทํามานี้ ตอนนี้เดินเดินจงกลมใช่ไหมเดินบ้างถ้านึกได้นะคะถ้านึกได้ก็เดินบ้างแล้วก็บางทีถ้านึกได้บางทีฟุ้งไปก็จะรู้ว่าเออวันนี้ฟุ้งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะตอนที่เดินเดินมาละสิบห้านาทีอยู่หรอตอนเนี้ยไม่ได้ดูเดินไปเรื่อยๆใช่ค่ะเพราะที่บ้านจะขายของบางทีถ้าว่างๆไม่มีใครเข้ามาซื้อก็จะเดินอ๋อก็เดินอ๋อดีค่ะแล้วจริงๆทําในรูปแบบจริงๆไหมในแต่ละวันหรือว่าใช้อาศัยแบบนี้ ทำจริงๆว่าเออเนี่ยขอเปลีเวลาเลยสิบห้นาทีฉันทำตรงเนี้ยก็คือใช้รูปแบบแบบนี้นะคะจริงๆทําได้อยู่นะคะแต่ถ้าจะให้มันพัฒนามากกว่านี้มันต้องทําจริงๆเลยก็แบ่งเลยขอเวลา15นาทีเนี้ยทุกวันนะคะก่อนนอนเลยตอนไหนก็ได้นะคะเพราะตอนนี้เวลาที่เราเดินเนี่ยมันมีความกังวลเนืองเนืองมันไม่ได้สบายจริงพอไม่ได้สบายสมาธิมันไม่เกิดมันก็ได้กําลังตอนนี้พี่ได้กําลังอยู่ที่พี่ฝึกอยู่ตอนนี้นะ อ <Okay. S 2> แต่สมาธิจริงๆที่ประกอบด้วยความตั้งมั่นเนี่ยเพื่อจะเอาไปเดินปัญญาจริงๆเนี่ ย, ยมันยังไม่พอเพราะจิตขณะที่เรากั ง, งวลว่าเดี๋ยวจะต้องทำโน่นทํานี้ต่อ <Okay. S 2> ตรงกั ง, งวลเนี่ยมันเป็นโทสะค <Okay. S 2> จิตขณะนั้นมันเป็นอกุศลอยู่นะคะมันมีความเครียดความเครียดตรงนี้แหละคือตัวโทสะทั้งหมดเลย <Okay. S 2> นะคะเวลาที่เราเสียใจตรงนี้ก็คือตัวโทสะนะคะ oh. ในตระกูลนี้อย่างบางคนถามว่าแล้วเวลาเราไปเดินเนี่ยเดินบางอย่างแล้วมันเสียวนึกออกไม่สูงเนี่ยเสียวนี้เป็นตัวไหนของกิเลส เราเคยรู้สึกไหยมันมี็สภาวะต่างๆคือโทสะอเลากลัวความกลัวนี่คือโทสะอืมนะคะเพราะนั้นมันจะแค่เราในธรรมในแต่ละวันถ้าเราทําไปแค่รู้ว่าเออขณะนี้เรากําลังทําอย่างนี้เรค่รู้ตัวก็พอใช่ไหมคะไม่พอค่ะอไม่พอเพราะจิตเนี่ยมันต้องการพักจิตเนี่ยมันจะเปรียบมันมือถือพี่ทําอะไรกับมือถือมั่งวันนึ่งอะเพียไว้โทรคุยกับคนอื่นใช่ไหมคนก็โทรหาเราใช่ไหม หลังจากนั้นเราต้องทําอะไรบ้างไหมกับมือถือเนี่ยวาดบ้านถูบ้านบ้างอะไรใช่ค่ะแต่คราวนี้จิตเนี่ยนะคะสมมติเนี่ยมือถือโทรศัพท์พี่เนี่ยพี่โทรหาคนอื่นใช่ไหมอ่ะคนอื่นโทรหาเรานี้ก็จะเปรียบว่าจิตเราเนี่ยเหมือนโทรศัพท์มือถือนี่แหละอ่ะจากที่พี่ใช้ในแต่ละวันเสร็จเนี่ยตกข้ามพี่ต้องทําอะไรกับมือถือต้องชาร์จแบตไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่เอามาทํารูปแบบอันนี้คือการชาร์จแบต พราะจิตเขต้องการพักอ่เพราะเขาพักเขามีกําลังเขาจะได้ดูได้อืมแต่คราวนี้เวลาเราพักเนี่ยเราไม่ได้พักแบบนานๆนะคะเพราะเราไม่ได้มุ่งสู่ความสงบแต่เวลาพี่เดินเนี่ยก็จะใช้วิธีอ่ะไหลไปเคลื่อนจิตไหลไปแล้วเรารู้ไหลไปที่เท้ามัง่งเดินไปสักาาพักอ่ะมันสงบขึ้นมาเราเห็นใจที่มันไหลไปอยู่ในความสงบพอสักพักมันก็ไหลไปคิดอีกเราก็เห็นใจที่มันไหลไปคิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้เหมาะกับบริกรรมเดินจงกลมใช่ไหมคะเดินจงกลมได้ค่ะอ๋อแต่ไม่ต้องบริกรรมอ๋อเพราะพี่บริกรรมพี่เห็นไม่แน่นเลย เห็นไหมคะจิตห น, หนักขึ้นมาค่ะ <c oughs> เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง <c oughs> เราไม่ได้เอาสงบนะคะ <c oughs> อืการปฏิบัติเราเราไม่ได้มุ่งสู่ความสงบนะคะแต่จิตที่ตั้งมัน่นมีความสงบอยู่ด้วยโดยธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วนะคะค่ะ <c oughs> ที่ทําดีแล้วล่ะนะคะไปเพิ่มตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> แล้วในระหว่างวันก็จะใช้ร่างกายเป็นวิหารธราทก็ได้ที่พลิเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะแล้วรู้สึกตัวไปได้คะ่ะ ขอบคุณมากค่ะโมทนาค่ะเชิญค่ะค่ะปกติจะสวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมอะค่ะแล้วก็แล้วก็ใช้ดูร่างกายอะค่ะมันจะไม่แน่ใจว่าทําเดินได้ถูกทางปล่าเดินจงกรมเวลาเท่าไหร่คะประมาณสิบถึงสิบห้านาทีค่ะชอบไหมชอบไห<อ>มเวลาที่เราเดินจงกรมชอบเห็นใจไหลไปเยอะไห ม, มเวลาที่เราเดินไม่ค่อยเห็นค่ะไม่ค่อยเห็น ปัญหาของคุณคือหัวจงกลมร <c oughs> ู้สึกไหมคะหัวจงกลมเนี่ยเราไม่รู้ตัวทั่วพร้อมจริงๆเคยดู y o u t u ไหมคะดูย youtube พี่บ้างไหมเค ย, ยค่ ะ, ะเคยเนาะเวลาเราหัวจงกลมเนี่ยเราต้องรู้ตัวทั่วพร้อมก่อนท่านนี้รู้ตัวทั่วพร้อมแค่ไหนเดี๋ยวลองดูนะคะอเอานั่งให้สบายก่อนคะ่ะรู้ก่อนว่าตัวนี้นั่งอยู่เห็นไหมรู้ได้ไหมรู้ได้อ่ารู้อยู่ตรงไหนเห็นไหบังคับอยู่ดูก่อนดูตรงหน้าอกก่อนค่ะ มันแน่น ม, มันแน่นใช่เพราะว่ามันพยายามจะรู้คือมันรู้ปุ๊บมันไหลเลยอะลองดูนะคะยิ้มฝานกับพี่ก่อนเริ่มใหม่ะลองรู้สึกเลยค่ะว่าตัวนี้นั่งอยู่เห็นไหมมันเข้ามาไม่ได้ใ ช, ใช่นั่นแหละคือปัญหาของหัวจงกลมหัวจงกลมเรายังไม่รู้ตัวทุบพร้อมถ้าเราไม่รู้ตัวทุบพร้อมอย่างนี้แล้วเราเดินไปเนี่ยจิตมันจะไหลอย่างยอกไปหมดเลยมันจะไม่รู้สึกตัวจริงอืมนะคะเพราะฉะนั้นกลับมารู้สึกตัวจริงๆก่อนอ่ะ ยิ้มหานอย่าเครียดนะคะถ้าเมื่อไหร่เครียดสมาธิไม่เกิดนะคะยิ้มหวานก่อนอ้าบกมืออ่านี่แหละรู้สึกตัวอย่างเงี้ยจาความรู้สึกอันนี้นะคะนี่คือรู้สึกตัวอ่ะนั่งเห็นไหมหนักเพราะอะไรเราเผลออยงนี้ออกไปพอพอเรารู้ว่ามันไหลออกไปปุ๊บเราก็จะดึงกลับในระหว่างที่คุณเดินเนี่ยอืมข้อหวัวจงกลมมันยังไม่รู้สึกตัวพอเดินไปปุ๊บไปสักพักหนึงอ้ามันไม่รู้สึกตัวเนี่ยจะเอารู้สึกตัวละ แต่ไปรู้ตรงๆว่าจิตขนาดนี้ไม่รู้สึกตัวแต่ตัวที่มันรู้ไม่ได้เนี่ยเพราะหัวจงกลมมันยังไม่รู้ตัวทุ่วพร้อมมันก็ไหลไปเลยมันจะไม่ต่างกับมันจะไม่ต่างกับคนที่นั่งสมาธิเพราะนั่งสมาธิยังไม่รู้ตัวทั่มพร้อมอัดลมเข้าไปเลยมันก็จะไหลเข้าไปในลมของคุณที่มันก็จะไหลทิ้งออกไปเดินไปมันก็จะไหลทิ้งออกไปพอรู้สึกตัวอีกทีก็ต้องบังคับเข้ามานะคะแทนที่เราจะรู้ตรงๆว่าขนาดเนี้ไม่รู้สึกตัวขนาดเนี้จิตไหลไป ะะแต่กำลังมันไม่พอเพราะว่าโหัวชมกลมเรารู้ตัวไม่พร้อมนะคะยิ้มหวานก่อนอบอกมือจะได้จําได้ว่าอความรู้สึกตัวนี้อะไรตัวอะไรยิ้มอ่าจำมันนี้เลยค่ะอะตัวนี้ที่ยิ้มเห็นไหมมันคลายนิดนึงแล้วมันก็แน่นพอมันรู้สึกตัวปุ๊บมันกดเลยรู้สึกได้ไหมคะเคยทําอย่างอื่นมาก่อนไหมเคยฝึกอย่งางอื่นมาก่อนไหมาาอ่นั่งแบบไหนนี่แหละค่ะมันติดมาจากอันนี้แหละเพราะเราจะบังคับลมอืม <c oughs> สบาที่ไม่ต้องนั่งนะคะตอนนี้เดินก่อนเดินให้เข้าใจก่อนเพราะเราเดินตรงนี้เราเข้าใจเดี๋ยวเราไปนั่งเราจะรู้เลยว่า อ, อ๋อเราก็ดูเหมือนร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกมันจะไม่ได้ไปบังคับที่ลงตอนนี้ไปบังคับอยู่เนอะรู้สึกตัวก่อนคะ่ะแน่นรู้ว่าแน่นไม่มีคำว่าแก้นะคะเพราะรู้สึกว่ามันแน่นอยู่กลางหน้าอกใช่เพราะว่าพอมันไหลปุ๊บอะอเราก็จะตึงกลับแต่ระหว่างวันเหมือนบางทีก็จะรู้สึกตัวนะะคถ้าเดินแต่ก็ไม่แน่ใจว่า คือโดยปกติเนี่ยนะคะ ถ, ถ้าถ้าจิตเราตื่นได้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกตัวได้เนืองๆแต่เราต้องดูว่าไอ้ตรงที่เรารู้สึกตัวได้เนี่ยมันรู้สึกจริงๆริงไหมหรือมันรู้มันก็ไหลออกไป<ม>แล้วเราจะรู้สึกเหมือนว่าเรารู้ตัวได้แต่ขอ้อแท้จริงเนี่ยมันมันไม่ได้รู้สึกตัวได้จริง <ขอ S 1> นะคะอืมเพราะฉะนั้นค่ะ ม, มีบางทีสวดมนนะคะพอสวดมน์แล้วก็เหมือนน้าตาไหลเราก็จะรู้ตัวว่าเราน้ําตาไหลแล้วก็เหมือนรู้ว่าชอบอะค่ะต๊ะ อันนี้ไม่ได้เลยอันนี้เป็นตัวสังขารมันปรุงแต่งอยู่เนาะคือปิติปิติมันจะมาหลายรูปแบบแต่เรารู้ทันมันสวดมนต์เวลาเท่าไหร่คะประมาณยี่สิบนาทีโอเ ค, คเวลาสวดมนต์นะคะรู้ตัวทัว่วพร้อมอีกเหมือนกันเนาะเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเราก็นั่งพนมมือเรารู้สึกตัวก่อนว่าตัวเนี้นั่งอยู่นะเนาะแล้วก็สวดไปน้าโมตระมันก็เห็นจิตลังทีมันก็ไหลไปที่บทสวดเรารู้ทันที่ใจไหลไปที่บทสวด ไหลอยู่ปากก็ยังน้โมแต่ใจไหลไปคิดละเราเห็นใจที่มันไหลไปคิดอในขณะที่เราเห็นร่างกายเดี๋ยวมันก็กลับมาดูร่างกายเห็นตัวนี้ผนมเห็นปากที่ขยับต้องเห็นปากเห็นตัวที่นั่งเนี่ยเราเรียกว่ากายานุสติประธานอ่ะเราเห็นจิตที่มันไหลไปในคําบริกรรมเราเห็นจิตที่มันไหลไปคิดตรงนี้เราเห็นจิตตานุสติประธานอ่ะพอไปสักพักเนี่ยเรายกมืออย่างเงี้ยสักพักมันไม่อยู่เท่าเดิมนึกออกไหมอันที่มันก็ดรอปลงมา อังที่ร่างกายเรานั่งอยู่มันก็ขยับตัวทำไมมันต้องขยับมันเมื่อยตัวนี้เราคืออะไรเวทนานุสติประทานแล้วเราก็เห็นเลยว่าสวดๆไปพักมันก็สงบสงบแป๊บเดียวมันไหลไปคิดอีกล่ะสงบพักเดียวเดี๋ยวมันก็ได้ยินเสียงที่สวดเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อใจที่มันไหลไหลเองเนาะใจที่มันมาฟังก็ฟังเองใจที่มันดูร่างกายก็มาดูเองเราเห็นทันมานุสติประธาน เพราะนั้นในบทสวดมนต์หนึ่งบทเนี่ยถ้าเราภาวนาเป็นเราจะทำจํำสติปัฏฐานสี่ได้เลยนะคะเพราะฉนั้นเนี่ยเดี๋ยวซ้อมแบบนี้เนาะไม่งั้นเนี่ยมันแน่นมาจากการที่คุณสวดมนต์ด้วยเพราะบางทีมันจะบังคับจิตมันจะบังคับให้อยู่ที่บทสวดเนาะเราใช้ตัวเนี้ยในการสวดมนต์เนี่ยเพราะคุณสวดตั้ง20บนาทีเนี่ยเราสามารถใช้ตัวเนี้ยในการปฏิบัติในรูปแบบได้ด้วยวิธีนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรานั่งไปสวดมนต์ไปมันปิติเรารู้ทันว่าปิติ คำว่าปิติของเราอาจจะไม่เข้าใจแต่เราเห็นว่าเออมันร้องไห้อ่ะเราเห็นเลยว่าเออตัวนี้มันร้องไห้เองได้เนาะทันทีที่เรารู้ปุ๊บสภาวะนี้มันจะดับอืมแต่เห็นไหมว่าเราชอบตัวเนี้ยบางทีก็เห็นนะคะเรารู้ทันที่ชอบเพราะตัวนี้เราเลี้ยงมันอยู่นะเพราะบางทีรู้ทันว่าชอบปุ๊บน้ำตาลก็หยุดไหลทันทีใช่แต่เห็นไหมว่าเราเลี้ยงตัวเนี้ยอตัวที่ตัวที่ร้องไห้เนี่ยตลเพราะเราชอบมันไปรู้ทันใจที่มันชอบมันไม่หายเพราะว่าเราไม่รู้ทันว่ามันชอบ สภาวะนั้นก็เลยค้างอยู่อืมทัศนติมันไม่ขาดอ่ะนึกออกไหมอืมเรารู้ทันตรงๆเลยว่าเราชอบมันเราเห็นปิติต้งเห็นเห็นร้องไห้เอ้ยเราชอบเรารู้ว่าชอบนะคะแล้วจะเห็นเลยว่าครั้นี้มันดับดับแบบมันไม่กลับมาอีกอ่ะอืมแต่ไม่ก็มันจะค้างอยู่อย่างเงี้ยเพราะมันมันชอบอยู่ใช่ใช่ใชค่ะเนอะโอเคเนาะค่ะโมทนาค่ะเซ็นค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เป็นวันแรกที่ได้พบคุณมัน่ก็มือใหม่มากเลยค่ะสงสัยตอนต้นขออนุญาตนะคะที่คุณมาดีกล่าวเรื่องการรักษาศีลก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติภาวนาค่ะตอนนี้ตัวเองรักษาได้เฉพาะครบห้าข้อเฉพาะเวลานอนเวลาหลับทีนี้เราสามารถเริ่มภาวนาได้เลยค่ะภาวนาเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะตัวนี้นั่งอยู่แล้วรู้ว่ะตัวนี้นั่งพิจุทั้งหลาย นั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่ยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่ได้เชื่อว่าปราลบความเพียรแล้วการที่เราไปนั่งสมาธิสามชั่วโมงเดินจงกรมสี่ชั่วโมงแล้วบอกอันนั้นปราบความเพียรอันนั้นไม่ใช่อมันมีแต่คําว่ารู้จิตเป็นทุกข์รู้ว่าเป็นทุกข์จิตมีราคะรู้ว่ามีราคะนะคะการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้แยกชีวิตหรอกคะ่ะเคยฟังหลวงพ่อพูดธไหมคะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดจิตให้มีสติ นะคะที่ไหนมีกายที่ไหนมีใจก็ภ า, าวนาได้ทุกที่เลยค่ะธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดเนาะมเมื่อกี้คุณครูจุม๋มคุยกับคุณครูจุม๋มคุณครูจุ๋มบอกว่าเอทานครูเนี่ยไปบางวาดัดอืมแล้วก็ไม่ค่อยพอไม่ค่อยโอเคเ อ, อไม่ค่อยชอบอืมนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่เราให้รู้ว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมะไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะอยู่นี่แหละมีกายกับมีใจเนี่ยคือธรรมะเราลนะ นะคะแล้วเราก็ศึกษาคำสอนพระเจ้าให้เข้าใจหลักเอาหลักมันมันจะไม่ยากแล้วก็ไม่ช้านะคะการที่เราสามารถรักษาศีลได้ในช่วงเวลานอนแล้วทำอย่างนี้ทุกวันจิตจะมีกำลังต่อไปในชีวิตประจำวันแล้วเราจเจริญสติแบบนี้ด้ถูกวิธีนะคะคือจิตไหลจิตเคลื่อนแล้วเรารู้นะคะรู้ตามความเป็นจริงของกายกับใจมีสติเริ่มต้องมีสติก่อนนะคะสตินี้จาเป็นในทุกที่สถานในการทุกเมื่อ นะคะหลวงปู่เทศสอนเราอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ด้วยว่าสติเกิดขึ้นได้อย่างไรเนาะเพราะฉะนั้นเราฟังซีดีไปเวลาวิธีฟังซีดีหลวงพ่อความที่เป็นมือใหม่นะคะฟังแล้วปฏิบัติเลยค่ะเห็นใจที่ไหลไปฟังฟังไปตอนนี้หลวงพ่อเทศไม่รู้เรื่องรู้ทันความรู้สึกจริงๆการปฏิบัติเนี่ยคือรู้ทันความรู้สึกตัวเองมันไม่ได้รู้ตรงไหนเลยรู้ทันใจเรานี่แหละโมโหได้ไหมคะหงุดหงิดลาคาญ อ, อยากได้เนาะ เสียใจเราดูได้หมดนี่คือสภาวะต่างๆที่เราสามารถที่จะดูได้ในแต่ละวันแต่ส่วนใหญ่จะละเลยนะคะถ้าเราไม่ละเลยเราจะรู้ได้หนึ่งเดือนพอเรารู้ได้หนึ่งเดือนี่ยสติเราเกิดขึ้นบ่อยๆบ่อยๆแล้วล ะ, ละอ่าพอบ่อยๆต่อไปศีลเราจะรักษาได้ง่ายเพราะตัวอย่างมันเกิดขึ้นจากตรมนีอ่าโมโหหรืออยากได้อย่างเช่นเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราเดินไปห้างนึกออกไหมโอ้ข้าว้านนี้ก็ชอบอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็อยากได้ถ้าเรารู้ทันใจพวกนี้จะไม่ได้อยู่บ้านเรา กระเป๋าเราก็ยังคบปบัดเครดิตก็ยังไม่ได้รูดบางคนบอกว่าอ๋อเงินไม่ไหลแล้วค่ะรูดแต่บัตรอืมนะคะอันนี้ถ้าเรารู้ทันใจของพวกนี้มันจะไม่กลับมาบ้านเราอืมแต่ถ้ารู้ไม่ทันใจหันไปสองเดือนที่แล้วของซื้อมายังกองอยู่เลยค่ะอืมอันนี้แล้วแต่นะคะแต่ผู้หญิงเราเนะี่ยเราเห็นตัวเนี้ยได้ง่ายเลยนะคะยิ่งถ้าเราชอบสวยงามเนาะเราจะรู้แต่สุดท้ายซื้อไหมอ่ะซื้อนะคะถ้าจําเป็นอืมบางคนบอกอ๋อซื้อของมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละมีสองอย่าง จำเป็นกระอยากได้เพราะฉะนั้นของจะเต็มบ้านเลยค่ะจำเป็นกระอยากได้เนี่ยแต่ตอนต่อไปเราจะฉลาดขึ้นอยากได้รู้ว่าอยากได้เออจำเป็นรู้ว่าจำเป็นนะคะตู้เสื้อผ้าไม่ต้องขยายห้องไม่ใช่ตู้นะคะห้องเสื้อผ้าไม่ต้องขยายตอนนี้ก็พยายามใช้ชีวิตประจําวันด้วยกันมีสติรู้ตัวอย่างเงี้ยรู้อารมณ์รู้ความคิดตัวเองเอคือดูให้ทันเอไม่ต้องรู้ให้ทันรู้เท่าที่รู้ได้ถ้าเรารู้ทันคือเราต้องบังคับ เราไม่ได้มุ่งสู่ว่าต้องรู้ทันนะคะเราไม่ได้มุ่งสู่ว่าต้องมีสติมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงคือจิตขณะนี้ไม่มีสติจิตขณะนี้ไม่รู้สึกตัวสมมุติทํางานไปสามชั่วโมงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาทีหนึ่งเออเมื่อกี้ไม่รู้สึกตัวเลยเนาะครื่องวันผ่านมาไม่รู้สึกตัวนี่คือความจริงอ๋อเรารู้ว่าอ๋อขณะนี้ไม่รู้สึกตัวนะคะสติเกิดเรียบร้อยละความตั้งมั่นของจิต รูเรียบร้อยล้เพราะขณะนั้นเรามีสติสัมปชัญญะเรียบร้อยแล้ ว, ะ น, น, น, ะญญลวนะคะสมาธิที่มีความตั้งมั่นแล้วเดี๋ยวมันจะเดินปัญญาให้ต่อนะคะค่อยๆเดินนะคะเวลาเราภาวนาเราไม่ใช้ความคิดเราดูตรงๆนะคะของคุณเวลาคุณดูความรู้สึกคุณจะหยิบมันขึ้นมาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอีกอันเนี้ยมันจะทําให้เราช้าความคิดปิดบังความจรงิงนะคะเพราะเราจะคิดอย่างที่เราคิดเพราะจริงๆเนี่ยสภาวะมันแสดงต่อหน้าต่อตาละคือมันไม่รู้สึกตัว เรารู้ตรงๆว่ามันไม่รู้สึกตัวเราไม่ต้องทําให้รู้สึกตัวเพราะทันทีที่คุณไม่รู้สึกตัวนั่นคือสภาวะหนึ่งของการที่เรามีสติเรียบร้อยตามความเป็นจริงว่าจิตขณะนี้คือไม่รู้สึกตัวจิตขณะนี้คือฟุ้งซ่านแค่นั้นนะคะเพราะตอนนี้ฟุ้งซ่านมาธรรมชาติของทุกคนฟุ้งหมดเลยคุณถามในห้องใปเนี้ยทุกคนฟุ้งหมดเลยธรรมชาติอันหนึ่งธรรมชาติของจิตมีหน้าที่สงบเห็นไหมหลวงปู่ดุลสอนชัดเจนนะค่ะถ้าไม่ได้บอกเลยว่าต้องสงบ ต้องไม่ฟุงไม่ใช่ท่านจะสอนว่าธรรมชาติของจิตมีหน้าที่คิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดเพราะฉะนั้นเราถึงไม่ได้ห้ามความคิดไม่ได้ห้ามว่าไม่ฟุ้งซ่านเพราะถ้าเราห้ามไม่ฟุ้งซ่านเราห้ามไฟไม่ให้ร้อนอืมซึ่งทําไม่ได้เราต้องบังคับอีกพอบังคับเสร็จเราต้องมาแก้ตัวนี้อีกถ้าเราไม่เข้าใจหลักนะคะเราก็จะวนเวียนอยู่กับสงบกับฟุ้งซ่านนี่แหละอ่า แต่ถ้าเราเข้าใจหลักอ๋อจิตไหลแล้วรู้ทันทีที่คุณรู้ว่าไหลจิตจะไม่ไหลเพราะสภาวะที่ไหลดับไปล้จิตตั้งมั่นเรียบร้อยล้วแต่จากนั้นจิตก็ไปทํางานต่อเพรา ะ, ะไหลเรารู้ทีละขณะขณะเพราะเรามีทรัพยากรแบบเนี้ยในการภาวนาเราทําชานไม่ได้นะคะแต่เราใช้สมาธิตัวนี้เป็นขณะสมาธิทีละขณะขณะนะคะขณะกะสมาธิทําจนจบได้นะอืมทีละขณะเนี่ยคุณรู้สึกไหมว่าจิตเนี่ย เวลาที่เรารู้ทีละขณะมันจะเหมือนไฟอันเนี้ยนะคะอืมไฟอันนี้เขาพลิบไหมกต่พลิบใช่แต่มันทีจนกระทั่งเราไม่รู้สึกจิตเราเหมือนกันค่ะเรารู้ทีละขณะขณะแบบเนี้ยเรานึกว่ามันไม่ใช่มันเก็บสะสมไปทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันนะคะและในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระอรหันต์ห้าร้อยองค์เนี่ยใช้คณิกะสมาธิเนี่ยสามร้อยี่สิบองค์อันนี้เปรียบเทียบนะคะมีร้อยแปดสิบองค์เท่านั้นนะที่ทําด้วยฌานมานะคะ เพราะนั้นเป็นสมาธิอย่างพวกเราที่ทําอะไรไม่ได้นี่แหละค่ะแต่อาศัยคณิกะสมาธิเพราะเราใช้ปัญญานําสมาธิเพราะยุคพวกเราเป็นยุคคนเมืองใช้ความคิดเยอะนะคะให้มานั่งสมาธินานๆ น, นันน่งไม่ลงเรามีเครื่องมืออะไรเรามีทรัพยากรอะไรเหมือนวันนี้เราจะทํากับข้าวเนาะเราเป็นแม่บ้านเปิดตู้เย็นมีอะไรอ่ะอืมมีอะไรก็ทําตามนั้นนั่นแหละเหมือนครูจุ๋มบอกวันเนี้ยเนาะตอนนี้ที่แต่ละอาคารทํากับข้าวอืมไปตลาดอ่ะ จะทำเมนูนี้ไปถึงพาเด็กไปผักที่จะเอามาทํามันไม่มีอ่ะต้องเปลี่ยนเมนูตรงนั้นอันนี้เหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามีอะไรเราทําตามนั้นเลยนะคะเรามีขนันกถาสมาธิเราใช้ ข, นชชขนชันธ์เนี่ยกถาสมาธิละคะ่ะใช้ปัญญานำสมาธิค่ะในศีลสมาธิปัญญานะคะค่ะสกัดไปฟังซีดีหลวงพ่อค่ะได้ค่ะค่อยๆทํานะคะรูปแบบอย่าลืมนะคะรูปแบบทําอะไรนะคะเมื่อกี้นี้ทําอะไร ไม่ได้ทํางั้นเดี๋ยวไปฟังนะคะแล้วต้องหารูปแบบสักอย่างหนึ่ง <c oughs> นะคะจะถามว่าแล้วรูปแบบนี้เริ่มเรื่อยังไงเมไรรูปแบบก็คือว่าเราเอาจิตมาพักเนาะให้มันมีกําลังเสร็จแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะขึ้นมาเรียนรู้กายและใจได้จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยจิตมันตั้งมั่นพอสมาธิมันพอมันก็จะเดินปัญญาคราวนี้ปัญญามันไม่ได้เดินตลอดนะคะมันเดินรอบๆบหนึ่งมันมกําลังมันก็ดูทีหนึ่งขึ้นมานะคะเราก็ไปดูว่าเราชอบแบบไหนเราชอบเดินจมกลมหรือนั่งสมาธินะคะถ้านั่งสมาธิก็แบบเมื่อกีี้่ย ที่มารีบอกไปนะคะรู้ตัวทั่วพร้อมก่อนถ้าอยากจะเดินจมกรมก็ลองไปดูใน YouTube ดูนะคะค่ ะ, คะรูปแบบต้องหาเองเนาะว่าอันไหนเหมาะกับเรามีไหมคะเดี๋ยวไหลมาเนาะโอเคค่ะได้ค่ะเอาทางนี้เลยใครได้ไมพูดไปเลยคสวัสดีครับพี่มารี บ, รบช่วงนี้มันก็เข้าใจโลกมากขึ้นนะครับ hmm. แล้วก็ติดโลกน้อยลง แต่ว่ามันไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้มันดีแต่มันฟุ้งได้ทําเยอะครับทําไมไปทําอะไรมาจิตมันฟุ้งด้ทําเยอะรู้ทันเข้ามาค่ะเป็นเพราะไม่สบายเป็นไปได้ไหมครับไม่สบายนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่จิตที่มันเล่าร้อนอืมจิตที่มันอยากเรารู้ทันตัวนี้คนอืมครับผมอ่าเห็นไหมดับลงมาเห็นเอไม่งั้นเป็นศัตรยานไปอย่างเนี้อืมมันจะทําให้เราฟุ้งอ่าพอฟุ้งตัวนั้นอ่ะมันยิ่งทําให้เราไม่มีแรงอืม นะคะให้อยู่ในกายในใจ <ผม S 2> นะคะตอนนี้รูปแบบทำอะไรพยายามจะเดินจงกรมแต่ว่าเวลาทีเ่เริ่มต้นจะเดินเนี่ยคือบางวันเนี่ยมันจะแข็งไปเลยมันเกือบเหมือนกับประสาท ต, ตึงเครียดครับผมก็เลยจำเป็นต้องใช้อดทนไปก่อนคือถ้าเดินไม่ได้ไม่เป็นไรนั่งก็ได้ถ้า <ผม S 2> นั่งแล้วดูลมไม่ไหวหาพัดมาสักเล่มหนึ่ง อ่าเคลื่อนไหวแล้วเรารู้มันไม่ต่างกับเดินจงกลมครับแล้วก็เห็นเอาเคลื่อนไหวทักพักไหลไปคิดทักพักไหลไปฟังทักพักเห็นร่างกายอ่าทักพักมันสงบเห็นใจที่สงบก็เห็นไหลไปคิดอีกมันเมื่อยเห็นร่างกายที่มันเมื่อยแล้วก็วางแล้วก็ดูร่างกายหายใจเข้าร่างกายไม่หายใจออกอยู่กับกายตอนนี้ของคุณต้องอยู่กับกายเพราะจิตมันฟุ้งเยอะเนาะถ้ามันไม่ได้เลยขนาดนี้มันลำบากไปหมดเลยขยับสองนิ้วนี่แหละ อขยับนิ้วมือไม่ได้ก็ขยับนิ้วเท้าได้นิ้วหัวไม่โป้งหลวงพ่อใช้วิธีนี้นะคะเวลาท่านแสดงธรรมขยับรู้สึกตัวอืบางทีก็สวดมนต์ครับผมเป็นพระิโสพรวาได้ว่าบางทีก็เมตตาคู่นัอรหังเมตตาได้เพราะฉะนั้นจะเห็นเลยกรรมฐานมีหลากหลายมากนะคะเพียงแต่ว่าเราชอบอันไหนเสจิตเนี่ยมันชอบกับอันไหนมันก็จะเข้าเคลียร์กับ น, นั้นนะคะแล้วในคําบริกรรมแต่ละอันให้ผลไม่เหมือนกันนะคะ เราก็คอยสังเกตว่าเออเราทำบัคคำริกรรมอันนี้มันแข็งแข็งไหมเราทำบัคคำใบกรรมอันนี้มันไหลไปเยอะไหมนะคะคอยสังเกตตัวเองเห็นไหมเข้าฐานแล้วเห็นครับผมนะคะเพราะนั้นใช้กายนะครับอคือเดี๋ยวผมจะรักษาโรคทางกายตอนนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆคราวหน้าอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ไม่เป็นไรครับมันไม่เที่ยงอยู่แล้วนะเราก็ดูมันไปค่ะเดี๋ยวนี้วิทยาการมันเร็วมากเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าผ่ากระต้อกระจกไม่ต้องรอแก่แล้วค่อยผ่า เขาบอกมันมีเลนอันใหม่พอ ผ, ผ่าเข้าไปแล้วเนี่ยสั้นยาวมันปรับออตโต้อืมเขาว่างั้นนะคะคู่หนึ่งเท่าไหร่คู่ละแสนเลย ย, ยังไงเนี่ยเยขาบอกมันปรับออตโต้แล้วนะคะเราไม่ต้องไปยิงเลสิออะไรแล้วแล้วสามารถไม่ต้องแก่ก็ไปทําได้ก่อนอเออวิธีการมันก็สมัยใหม่ขึ้นนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้อยู่ภาวนาได้มากขึ้นขอบคุณมากครับผมถ้าถ้าไม่มีอุบัติเหตุซะก่อนนะคะ อาเชิญค่ ะ, ะต่อใครคะเชิญเลยค่ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะช่วงนี้ทำลูกแบบไม่ได้เลยค่ะติดเพลงแต่ช่วงไหนถ้าไม่ติดเพ่งจะ จะรู้สึกตัวได้ดีเดินปัญญาได้ดีค่ะค่ะเห็นไหมเพ่งก็ไม่เที่ยงเนา ะ, ะ, ะบางวันก็เพ่งบางวันก็ไม่เพ่งตอนนี้ทําอะไรคือค่ะสมาธิค่ะถ้าทําให้รูปแบบก่อนนอนก็จะดูลมหายใจนะคะแต่ช่วงก่อนนั่งตอนแรกเลยะจะใช้พุโทโธช่วยเพราะไม่งั้นจิตจะไหลเข้าไปจับลมหายใจเคยจิตเป็นล็อกอยู่ในลมหายใจจน <c oughs> จมูกเลือดออกอะ่ะสามวันอแล้วตั้งแต่วันนั้นมามันก็เพอก็จะเข้าไปจุดนั้นอยู่เรื่อย ก็จะใช้พุทโธแล้วนับหนึ่งที่หลวงพ่อสอนนะคะนับหนึ่งนับสองจนถึง10บแล้วก็ถอยกลับมาค่ะพอจิตสงบใช่ไหมคะก็จะเหลือจะลมหายใจแล้วก็จะดูพี่เห็นไหมคะว่าตั้งแต่พุทโธเริ่มพุทโธมันก็บังคับตั้งแต่พุทโธเลยเนาะมันยังบังคับอยู่นะคะรู้สึกได้ไหมคะ เวลาพุทโธหนึ่งพุทโธสองเนี่ยค่ะคือพยายามจะเอาจิตออกมาจากลมหายใจนี่แค่ะถ้าเรารู้แค่ว่ามันอยู่ในลมหายใจแค่นั้นก็พอแล้วนะมันหลุดแล้วนะคะอ๋อค่ะถ้าการที่มันเป็นอะไรแล้วเราพยายามจะไปแก้อาการเนี่ยมันไม่หายอาการเก่าเนี่ยนะอันดับแรกมันไม่หายเราเพิ่มอาการใหม่เข้าไปด้วยการบังคับไันอีกเหมือนเรารู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นเรารู้ทันว่าจิตขณะเนี้ไม่ตั้งมั่นความไม่ตั้งมั่นจะดับจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเอง <No. S 2> แต่ช่วงไหนทําได้ในระหว่างวันจะมีสมาธิอ่อนๆนะคะ <c oughs> จะจะเห็นการทํางานของจิตได้ดี <c oughs> ค, คือ <c oughs> ท่านที่รู้กายรู้ใจทํางานได้ค่ะนะคะ <c oughs> ไม่ใช่หมายความว่าภาวนาถูกเสมอไปนะคะให้สังเกตก่อนนะคะ <c oughs> ท่านที่เพ่งเนี่ยจะรู้กายรู้ใจได้มากกว่าคนปกติแต่ตัวที่ไปรู้เนี่ยมันเที่ยงตัวรู้ไปนี้ตัวที่ไปรู้นี่มันนิ่ง ที่รู้สึกได้ไหมมันเป็นพักๆค่ะอืมมันเพ่งเป็นพักๆจริงๆมันพักเวลาจิตที่มันเพ่งมันจะเพ่งทีละขณะค่ะคือมันจะเพ่งเนี่ยเรามันเพ่งตัวที่ไปรู้ว่าเพ่งเนี่ยมันทีละขณะขณะเพราะตัวรู้ดับมันก็เพ่งต่อหรือมันจะไหลไปต่ออันนี้แล้วแต่ว่าทีละขณะมันเป็นอย่างไรนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวก่อนค่ะมาดูตรงรูปแบบก่อนเนาะตอนนี้รูปแบบเนี่ยก็คือใช้วิธีพุทโธนับหนึ่งถึงสิบ ค่ะช่วงแรกพูดโธนับหนึ่งถึงสิบแล้วพอพอมันนิ่งจิตมันนิ่งปุ๊บ ก, ก็ทิ้งพูดโธแล้วก็ทิท้งการนับค่ะจะดูลมหายใจจะมีความสุขฟ้าค่ะตอนที่มันอยู่ในลมหายใจตรงเนี้ยพี่รู้สึกไหมว่ามันเป็นลมหายใจที่มันอยู่ในที่ที่หนึง่งมันไม่ได้เป็นการหายใจปกติของเราอ่าค่ะมันเป็นมันเป็นกล่องอยู่อืมมันล็อกอยู่ใช่ค่ะพี่ลองดูสิเวลาเดี๋ยวกลับไปดูเองนะคะ เราหายใจปกตินี่นี่คือหายใจปกติเห็นไหมคะมันก็เพิ่มขึ้นลงได้อ่าอพี่ลองนึกว่าอ่พี่ลมหายใจเนี่ยลงไปแบบนี้จิตมันชอบไหลาตามลงไปค่ ะ, คะมันลงไปเลยทีนี้ว่าทําถูกไหมคะ ท, ทั้งขณะที่ภาวนาแล้วจิตเรเอาไว้ตรงนี้ไม่ถูกนะคะไม่ถูกเลยคะ่ะมันเริ่มไม่ถูกตั้งแต่พุโทโธนับหนึ่งและะ้วค่ะอ๋อค่ะค่ะมันก็บังคับจนกระทั่งมันนิ่งมาพ อ, อนิ่งมาเสร็จก็อัดลมเข้าไปอยู่นิ่งๆค่ะอ่าอันนี้คือการบังคับทั้งหมดคือการเพ่งทั้งหมด งงเนา ะ, ะยิ้มหวานกันดูก่อนเดย๋ยวพิ่งงงเราใช้เวลานิดนึงนะคะยิ้มหวานก่อนค่ะทาใจให้สบายก่อนไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจเนาะเสียใจรู้ว่าเสียใจมันเป็นเรื่องปกตินะคะของนักภาวนาหลวงพ่อจะบอกเลยค่ะร้อยคนเดินมาก็เพ่งทั้งร้อยคนแหละแต่ความต่างอยู่แค่ว่าเขารู้ว่าเพ่ง เราบังคับไม่ได้หรอกธรรมชาติอะนั่งสมาธิไม่มีใครไม่ขยับตัวหรอกตรงขยับเรียบเรียบ้อาไว้วะบังคับเรียบร้อยแล้วนะคะอืมเพราะฉะนั้นอย่ากตกใจว่าเอเราเพ่งผิดหรือเปล่ามันผิดมันทั้งหมดนั่นแหละคะ่ะแต่พอเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติเนี่ยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเลยเป็นกลางเราจะรู้ว่าอ๋อมันเพง่งเพราะคือความจริงว่าจิตมันเพง่งไม่ใช่เราเพ่งหรอกถ้าเป็นเราเราอยากเพ่งไหมไม่ เพรเรารู้ว่าเพ่งไม่ถูกหรอกอืมแต่จิตมันเพ่งเองนี่ข้อเท็จจริงคือความจริงที่เราไปเห็นอ๋อจิตมันเพง่งเออแล้วมันเพง่งมั่งเดี๋ยวมันก็ไม่เพง่งเ อ, อไม่ใช่เราเหรอกมันบังคับไม่ได้พิถี่ิถันตรงนี้เลยตรงนี้คือจับหลักให้ได้ว่าหลักของข้อสอนว่าอะไรนะคะก็รู้ตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมันแต่ต้องมีสติก่อนทีนี้เอาใหม่ใช่ไหมคะเวลานั่งไม่ต้องพูดโทัพท์และ ใช่ดูลมหายใจเบาๆไปเรื่อยไม่เบาหรือแน่นเลยค่ะไม่มีคำว่าแก้ตอนนี้เรากําลังจะขึ้นมีปัจฉนากรรมทานเนา ะ, <ค>ะจะไม่มีคําว่าแก้ห้ามต้องยาหรือเปลี่ยนตอนนี้พี่กาลังจะเปลี่ยน <คะ S 2> ถ้าเราเปลี่ยนคือเราแก้อาการแก้าการไม่หายอาการเก่าก็ยังอยู่อาการใหม่ตามมาอีกก็ต้องมาแก้สองอันเลยนะคะมันง่ายนิดเดียวอ่ะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงมันเพ่งอความเป็นจริงคือฉันอยากแก้ ไม่ได้ก็ห้ามเพราะธรรมชาติของจิตเราห้ามมันไม่ได้หรอกมันประกาศทนทูกตลอดเวลาแหละบังคับฉันไม่ได้ฉันอยากเพ่งเซนก็เพ่งแต่เพ่งแล้วฉันเจ็บฉันก็เลิกเพ่งเองเออตอนที่มันเลิกเพ่งเนี่ยฉันจะมาเพ่งมันก็ไม่ยอมเพ่งแล้วอืมนะคะแต่หน้าที่ของเราเรามีหน้าที่พาจิตรู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงเป็นยังไงอะเพ่งแล้วมันเป็นยังไงเพ่งแล้วมันอึดอัดธรรมชาติของจิตเนี่ยเขาปรารถนาความสุขถ้าเราพามันไปดูจริงๆว่าเอ้ยถ้าเรารู้สึกตัวแบบเนี้ย มันสบายจิตเลือกเองเลยค่ะอ๋ออันนี้สบายอันนี้ไม่สบายเขาไม่เอามาต้องพาเขาดูความเป็นจริงจริงๆจริงๆก็คือออมมันแน่นจริงๆคือมันอุดอัดอ่าจริงๆคือมันสบายถ้าเรารู้สึกว่ามันสบายเราก็รู้ตรงๆนะคะว่ามันสบายอืมค่ะพี่ฟังสีิงหลวงพอมานานเท่าไหร่ประมาณสามปีกว่าสาปีกว่าเนาะโอเคแล้วค่ะแต่ว่าในระหว่างวันอะทํางานเกี่ยวกับการใช้สมาธิอะค่ะอ๋อ เย็บผ้าค่ะทีนี้ว่าพอเย็บแล้วก็จะเพ่งลงไปนั้นพอเพ่งพุ๊บมันเลยย้อนกลับเข้ามาใช่ใช่ช่วงนี้จะถามพุณจุมาลีว่าจะเลิกดูตอนเย็บผ้าหรืว่าเลิกทํากันเป็นอาชีพใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันเป็นสัมมาอาชีพเนาะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูวิธีอย่างนี้นะคะคือเวลาที่มันเย็บเนี่ยค่ะถ้าเราเห็นมือเราเห็นร่างกายค่ะเราดูร่างกายแต่ถ้ามันไหลจมเข้าไปในที่ที่ผ้าแล้วก็จม เราก็รู้สึกว่ามันจมแค่นั้นไ ม, ไม่ต้องดูการหายใจคือ <C dreaming> ถ้าเราทํางานเนี่ยเราต้องเราต้องดูงานเราเหมือนคนที่ทํางานด้วยความคิดเวลานั้นดูจิตไม่ได้นะคะต้องรู้เรื่องราวที่คิดอย่างนี้เราประชุมเราทํางานเนี่ยมันต้องคุยกันเนี่ย <M ano. S 1> <c phi> มันก็ต้องรู้เรื่องราวที่คิดเน่ยแล้วเราก็ทําไปอนะคะไม่ใช่เวลาต้องมานั่งเดินจงกลมหรือนั่งสมาธิบริษทัทไม่ได้จ้างเรามานั่งสมาธิ ห, หรือเดินจงกลมเ <c oughs> ขาจ้างเรามาทํางานเราก็ต้องทํางานก็ต้องคิดงานให้เขาเต็มที่เพราะเรากินเงินเดือนเขา อันนี้เหมือนกันค่ะแต่เมื่อไหรพี่รู้สึกว่าอขยับแล้วเรารู้สึกตัวหรือทําไปทักพักหนึ่งมันล้าเรารู้ว่าล้าเราขยับตาเรารู้ละเราขยับตาเราเห็นร่างกายละเออเราขยับขึ้นมาหน่อยคราวนี้เวลาพี่ทําอันนี้มันต้องใช้แบบจมนานๆมากไหมคะทั้งวันค่ะทั้งวันคือแล้วเป็นช่วงๆได้ไหมอ่ะเช่นสักครึ่งชั่วโมงแล้วเบร์มันไม่ต่างกับคนที่ต้องทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์สภาว่าอของพี่เหมือนกันคือที่ติดเพ่งอ่ะเข้าใจตรงที่ว่า ขณะที่เราทําเราเพ่งงานมันก็เลยติดเพ่งใช่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะคะ<อ>ไม่ใช่ทั้งหมด <aż S 1> ค่ะไม่ใช่ทั้งหมดอ่าพียงแต่ว่าในชีวิตประจําวันเราเนี่ยมันทําให้เราอะ่ะเอื้อกับการเพง่งมันไม่ต่างกับคนที่เขาต้องทําคอมพิวเตอร์เยอะๆของพี่ไม่เหมือนไม่ต่างกันเลยนะคะเพราะฉนั้นคนที่ทําคอมพิวเตอร์เยอะๆวิธีแนะนํ า, นาก็คืออย่ากเกินครึ่งชั่วโมงแล้วเขาใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาต้องใช้เมาส์ของพี่ก็ต้องใช้เข็มใช่ไหมใช้ตัวนั้นดูเลยค่ะขยับ ขยับแล้วดูอ่าขยับแล้วรู้สึกตัวขยับแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างน้อยได้แวบหนึ่งก็ยังดีแล้วเดี๋ยวมันก็จมใหม่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะขึ้นเรื่อยๆนะคะมันจะเกิดความรู้สึกตัวได้มากขึ้นมากขึ้นสติมันจะเกิดบ่อยขึ้นนะคะคอมพิวเตอร์เหมือนกันไม่ดูเกินครึ่งชั่วโมงขยับเมาส์อ่าขยับเมาส์เสร็จเราทําอะไรลราทำเป็ดก็เวิร์กเรากลับมาเขียนอะไรละอ่าถ้าไม่มีงานก็ดื่มกาแฟไม่มีก็เดินไปเข้าห้องน้ํา เราค่อยกลับมาดูคอมพิวเตอร์ใหม่ในระหว่างที่ดูก็ขยับตาด้วยนิดนึงช่วยมันเ อ, อเพราะมันเป็นงานเราปฏิเสธมันไม่ได้แต่อย่างน้อยเราเป็นสัมมาอาชีพเราก็สบายใจขึ้นมานิดนึงละนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ใช้ใวิธีนี้ดูนะคะแต่คราวนี้ตอนนั่งสมาธิล่ะคะไอ้พุโทโธนับห น, หนึ่งสิบเนี่ยพี่รู้ทันก่อนว่ามันมันมันไหลไปบังคับที่ตัวพุโทโธหนึ่งพุโทโธสองอน่นแหละค่ ะ, นน ะ, คะเรารู้ทันว่ามันไหลไปบังคับ ชอบไหมคะเวลาที่มันหนึ่งสองมันนับเนี่ยแล้วมันบังคับไปด้วยเนี่ยมันก็จะมีจังหวะของมันมันมันรู้สึกว่ามันไม่เพ่งลมหายใจก็โอเคแล้วอืมค่ะอันนี้มันเป็นเพ่งที่พุทโธสิคะอ่ามันไม่ที่เพ่งที่ลมแต่มันเป็นเพ่งคําบริกรรมอืมคอันนี้พี่ลองไปนั่งสบายเลยแต่เพืว่าเราไม่ทําพุทโธลองดูนะคะไม่ต้องเชื่อมลีนะพี่ลองทำสองอาทิตย์ก่อนนะคะไอ้ของกาวที่พี่เคยทํายังไงเราลื้อมันทิ้งไปก่อนหยุดมันก่อนแล้วเริ่มใหม่ไปนั่งให้สบายก่อน หายใจออกไปนิดหนึ่งแล้วเห็นร่างกายมีหายใจเข้าร่างกายมีหายใจออกเราเป็นคนดูนะคะใช้วิธีนี้พอจิตนิ่งหรือว่านิ่งพอเนิ่งแล้วไปไหนไม่ได้ยิ้มหวานไว้ก่อนนะหลวงพ่อจะมียิ้มหวานอ่ะพอยิ้มหวานเสร็จทำยังไงรู้ร่างกายเรียบร้อยละใจมันคลายแล้วมันคลี่แล้วมันมีความชื่นชื่นแล้ะอ่านะคะเห็นร่างกายเสร็จหายใจออกไปนิดหนึ่งแล้วก็เห็นร่างกายมีหายใจเข้าทําแบบเนี้ยค่ะเข้าออกเข้าออกแบบนี้นะคะพมมันเป็นิ่งเสร็จปุ๊บอ่ะ มันนิ่งแล้วเราสบายเรารู้ว่าสบายสมมุติถ้าตรงนั้นเราไม่อยากยินหวานบางท่านยิ้มหวานไม่ได้นะคะก็ใช้วิธีโน้มน้อมจิตนะคะจะชอบอะไรก็ได้อย่างที่มึงกิ้มริ้งเกินนะคะนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ไม่ถึงหลวงพ่อก็ได้นึกถึงพระพุทธเจ้านะคะถ้าบางคนบอกว่าอ้วนนี้มันก็เครียดอีก เอาสายลมกับแสงแดดแล้วกันชอบเขาหรือชอบทะเลอ่ะแล้ว <c oughs> ลองไปดูอ่ะฉันชอบทะเลอ่ะอะไรที่มันไม่ผิดสีนะคะในระหว่างวันเขาจะสวดมนต์เองค่ะเขาจะสวดมนต์มั่งร้องเพลงมั่งปล่อยเขานาะเรารู้ทันอ่ะถ้าสวดมนต์แล้วเราชอบเรารู้ทันใจที่ชอบะอืมถ้าสวดมนต์แล้วอึดอัดหรือว่าออพี่เห็นไหมเวลาร้องเพลงมันมีความสุขแต่เวลามันขึ้นบทสวดมามันอึดอัดมากเลยลองสังเกตนะมันจะหนักหนักเห็นไหมหนักแบบเนี้ยค่ะ ลองหายใจดูนะคะถ้าท่านที่เพ่งแล้วไม่แน่ใจว่าเพ่งหรือเปล่านะคะลองสังเกตเวลาเราหายใจเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่ตรงเนี้ยมันจะลงมาไม่ได้ข้างล่างนะคะมันจะอยู่ได้แค่กลางหน้าอกและอึดอัดหนักๆ น, นะคะเรารู้ทันตรงนั้นเออถ้าถ้าถ้าร้องเพลงคือปกติเนี่ยให้ตรงร้องเพลงกับตรงตร ง, ตรงคําบริกรรมที่มันไหลามาบทสวดเนี่ยพี่สวดอยู่แล้วหรใช่ปะปกติจะ ฟังเนี่ยค่ะธรรมจากแปะค่ะอ๋อค่ะแล้วมันจะไหลไหลพอชอบไปเลยไหลตามใช่เพราะมันบังคับอยู่เรื่องเนื่องน่ะรู้สึกได้ไหมคะเห็นไหมไหมคะเนี่ยมันจะหนักหนักแบบเนี้ยในขณะที่พี่บริกรรมในชีวิตประจําวันนะที่มันขึ้นมาเองเนี่ยนะคะเออเห็นไหมคะมันจะหนักอยู่เนงเนืองลองกลับไปสังเกตดูนะคะอ่ะแล้วไอ้ที่เปิดเนี่ยไอ้ที่ฟังธรรมจักเนี่ยเปิดไว้ใช่ไหมคะเปิดไวอ่ะถ้าสมมติลองปิดดูสองอาทิตย์ แล้วลองเทียบดูว่าระหว่างปิดกับเปิดเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราอ่ะคอยสังเกตและวัดผลด้วยตัวเองว่ามันเป็นยังไงนะคะสิ่งที่พี่จะเจอนะคะถ้าปิดจิตจะฟุ้งเยอะจิตมันจะฟุ้งซ่านนะคะเพราะมันใช้ตัวนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงยึดเาไว้ไม่ให้มันฟุ้งอืมเราแค่รู้ทันว่ามันฟุ้งทนนิดนึงนะคะสักสองอาทิตย์คือต้องปล่อยให้จิตมันไหลออกมาแบบนี้ไม่งั้นเนี่มันจะไปเกาะอยู่แต่ตัวเนี้ยแล้วมันจะติดอัดแบบนี้ตลอดมันทําให้มัน คือทุกอย่างเพ้งหมดเลยค่ะเพราะพี่วางใจว่ายังไงการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยระวังใจแล้วปฏิบัติเพื่ออะไรคะก็เพื่อให้เขาเห็นเองค่ะไม่อยากให้เขาเห็นเองรู้เองอืมอันนี้เขาอยากเห็นเองรู้เองอ่ะแต่สิ่งที่เราทําตอนนี้เราไม่ได้ทําให้เขาเห็นเองรู้เองรู้สึกไหมเราบังคับให้เขาเห็นกับบังคับให้เขารู้อ่าข้อที่จริงคือเราอยากบังคับเราก็รู้ทันทําไมเราถึงอยากบังคับ ทำไมเราถึงอยากมังครับก็อยากค้นน ะ, ะ, ะคะ<น>อเราอยาก<ๆ>เราก็รู้ทันว่าเราอยากดี<ะ>เราอยากพ้นทุกข์<ะ>เราไปรู้เลยความจริงคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นก็คืออ๋อฉันอยากค้นทุกข์ฉันก็เลยทําแบบนี้อแล้วเดี๋ยวจิตเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาแล้วเดี๋ยวมันจะมีธรรมะแสดงให้เราเองนั่นแหละว่าไอสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ยมันไม่ได้ทําให้เราพ้นทุกข์จริงนะมันสร้างทุกข์มากขึ้นเปล่าทําให้เราอึดอัดทําให้เราไม่สบายเลยในการภาวนา ะความสุขเป็นเหตุไล่ให้เกิดสมาธิถ้าพี่บังคับไว้เนี่ยมันได้ช่วงหนึ่งนะอืมแต่พอมันับังคับนานๆชินๆปุ๊บเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยู่กับมันได้ออืมืมมแต่เดี๋ยวเราเห็นความจริงเนี่ยพาจิตก็ดูความจริงตัวนี้มันจะค่อยๆ ค, คลายออกมาแล้วมันจะรู้เลยว่ามันมันไม่ได้สบายจริงนะคะใช้เวลานิดนึงนะค ะ, ะคะ่เชิญค่ะนนี้เลยค่ ะ, อะเอาลอเล้วทไมมาที่ผ่านมาแล้วคะเชิญ เ, เลยค่ะ เอาใครก่อนได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณมารีก็มีส่งกันบ้านคุณมารีครั้งที่แล้วอ่ะค่ะที่บ้านจิตสบายแล้วเหมือนกับว่าคุณมารีก็แนะนําให้หาวิหารธรรมทีนี้ลองไปพุโทโธดูอะค่ะคือมันก็ได้ผลคือมันไม่เผล่ยาวมันก็แบบเผลอสั้นลงเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าไอ้ตอนที่เราพุโทโธอะค่ะคือมันก็ไม่ได้แบบ มันไ ม, ไม่ได้บังคับไว้ น, นะคะแต่เราเห็นสภาวะ ว, าว่ามันจะมีการเพ่งอยูเวลาเราพุดโธทีท่นี้มันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะอันนี้คือเครื่องอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเวลาที่เราเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราไปพุดโทพอพูดโทเสร็จปุ๊บเนี่ยใจเราอะเราจ ะ, ะจะเห็นอาการเพ่งใช่เพราะใจเราไม่อยากให้มันเผลอแต่คือมันเพง่งแค่นิดหน่อยะะถูกต้องค่ะตอนนี้นิดหน่อยแต่ถ้าเราไม่รู้ทันต่อไปมันจะกดไว้เลยค่ะพอมันเพิ่ปุ๊บดึงไว้ตรงนี้เลยเผิ่มปุ๊บตอนเนี้ยมันคืออาการเริ่มแรก ะะเรารู้ว่าเผลอปุ๊บมันจบตรงนั้นแหละเห็นใจที่มันไม่อยากเผลอเรารู้ทันตรงที่มันไม่อยากเผลอนะมันถึงไปกดไว้ที่คุณบอกมันแน่นนิดหน่อยแต่ต่อไปถ้าเราไม่รู้ทันบ่อยๆมันก็จะกดยืนพื้นเลยอย่างนี้ก็ควรยังพูดโทษหรือว่าไม่หรือว่าคือถ้าเราเข้าใจหลักมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงคือมันกดมันความเป็นจริงคือมันหนัก นั่นคือความจริงจบละนี่จบงานของเราแล้วนะ<ม>เราไม่ต้องนั่งอธิบายว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรของจริง ม, มันจะนิ่งเป็นใบนะถ้าเรารู้สภาวะจริงๆเนีิยมันไม่มีคําพูดเลยมันรู้แล้วมันก็จบตรงนั้นคือ<ม>เรารู้ว่ามันเพ่งเราก็แค่รู้ว่ามันใช่เรารู้ว่ามันไม่รู้ ว, ว่าเพ้งด้วยรู้ว่ามันหนักรู้ว่ามันกิดอดับก็คือสภาวะหนึ่งทั้งสิ้นอแล้วมันก็จะดับไปเหมือนสิ่งอื่นๆคือรู้ว่ามันสภาวะมันแตกต่างจากปกติใช่ค่ะ เพราะเราอยากไม่อยากให้มันไหลเราก็รู้ทันว่าไม่อยากให้มันไหลอเนาะแต่ถ้าเราเอาหลักของพ่อทากเพราะมันอึดอัดเรารู้ว่าอึดอัดจบแล้วมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นในขณะนั้นเรารู้เรียบร้อยแล้วว่ามันอึดอัดแล้วถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันอึดอัดเพียงแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนใจมันไปมันไปเราเห็นอะไรตรงไหนก็ได้ค่ะ แล้วแ ต, <c oughs> แต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราจะถ้ใช้คําพูดกับสภาวะนี้อย่างไรแล้วก็ใช้คําพูดนั้นแค่แค่นั้นค่ะแล้วหลังจากที่ส่งการบ้านนะคะก็รู้สึกว่าใจมันเป็นกลางกับความรู้สึกต่างๆมากขึ้นแล้วก็จิตมันก็ใจมันก็เริ่มยอมรับนในลักษณะที่ว่าอะไรเราก็บังคับไม่ได้อะคะ่ะคือเรามีหน้าที่แค่ทําให้มันให้ปัจจัยมันพร้อมเท่านั้นนะคะ แต่ทีนี้คือคิดว่าตัวเองยังภาวนาไดไ้ไม่ได้เรื่องก็เพราะว่าอย่างที่บอกพอมีปัญหาเข้ามาหรือพอเกิดอะไรที่มันจะทบแรงๆอะค่ะเราก็ยังสอบตกอยู่อะค่ะและเรื่องปกติค่ะคถ้าตราบใดยังมีเหตุอยู่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราจะเข้าใจทุกอย่างเกิดแต่เหตุ ม, มันมีเหตุมันก็ต้องเกิดบนเหตุมันก็บังคับไม่ได้มันก็ถับไปของมันมคือถ้ามันมีเหตุตรงนี้อะอย่างเช่นบางคนลูกติดยา แล้วบอกมาปฏิบัติทําให้ลูกหายติดยาเป็นไปได้ไหมไม่ได้อ่ะรูกต้องไปแก้ปัญหาลูกติดยาลูกติดเกมก็ต้องไปแก้ปัญหาลูกติดเกมอืมใช่ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องปกติอ่ามีไปมีพยายาใหม่ไปมีกิ๊กมีอะไรก็แล้วแต่แล้วฉันมานั่งปฏิบัติตทําไปเลยค่ะถูกไหมเออมันไม่ใช่วิธีแก้มัรนั้นเราต้องดูเอามันมีเหตุอ่ะอย่างเงี้ยสามีเรามีกิ๊กใจเราอ่ะบอกเออเราเป็นกลางละปล่อยวางได้ไหม ปล่อยวางสักพักเดี๋ยวตโตมาแน่นอนเลยถูกไหมเพราะมันบังคับแล้วก็กดไว้อใช่ไหมปัญหาโลกก็ต้องแก้มันยังมีเหตุอยู่ไม่ให้เราเสียใจได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องเสียใจอย่างคนเดี๋ยวนี้ไม่สบายไปตรวจร่างกายก็เป็นมะเร็งขึ้นมาเฉยๆอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วเราบอกเรามาปฏิบัติ ท, ทําให้หายมันมะเร็งไหมเอ้ยรักษา ต, กตัวก็ต้องรักษาไปไอปฏิบัติก็ส่วนปฏิบัติแต่บางคนไม่เลยนะคะอืรักษาแพทย์ทางเลือกอย่างเดียวเลยค่ะ ถ้เข้าใจคำว่าแพททางเลือกไหมคือแพทยรักษาไม่ได้แล้วเราค่อยมาเลือกทางนี้เรามีทางเลือกของแพทย์สมัยใหม่ก็รักษาไปก่อนเนาะอือย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีเหตุถ้ามันมีเหตุอยู่เราบังคับมันไม่ได้หรอกมันก็ต้องแก้ตามเหตุและปัจจัยไปแต่หมดเหตุแล้วมันก็จบอเราชมที่กิเลสมันมันเหมือนกับเกิด้อนใจเราก็ไหลไปกับมันเราถึงจําเป็นต้องมีรูปแบบเนาะจําเป็นต้องมีวิหารธรรมนะมแล้วเราก็ต้องฝึกต่อเนื่อง แล้วฝึกกันสมปี5ปีแล้วบอกกิเลสหมดแล้วก็เป็นพระราษรหมดแล้วล่ะถูกไหมอ่ะมันไม่ได้หรอกมันก็เป็นตามขั้นไปก่อนนะคะอแต่สาคัญจําหลักหลงข้อให้ได้<ะ>ค่ะค่แล้วอยากถามคุณมาลีว่าตอนนี้แยกขันได้หรือยังะคะตอนนี้เนี่ยเราดูก่อนเนาะเราฝึกมาในขณะนี้รูปแบบเราทําอะไรนะคะเดินจงกรมเดินจงกรมเป็นวลาเท่าไหรค่ครับสี่สิบนาทีถึงหชั่วโมงอืมตอนนี้เวลาที่เราเดินอะ่ะเราชอบไหมเราดูก่อน ตอนนี้เดินมานานเท่าไหร่แล้วคะประมาณตั้งแต่น่าจะประมาณมิถุนาปีที่แล้วอะค่ะค่ะแล้วเรารู้สึกว่ายัางไงคะที่เราเดินมารู้สึกว่าบางวันก็ชอบบางวันก็ไม่ชอบอืมอันนี้เรามาดูละเรามีสองอย่างวันที่ชอบมันเป็นยังไงแล้ววันที่ไม่ชอบมันเป็นยังไง มันสังเกตวันที่ชอบก็คือว่ารมันจะรู้ตัวใช่ใช่ค่ะมันที่ไม่ชอบคือดูฟุ้งฟไหลไปกับความคิดคราวนี้ถ้าเรามีหลักละหลวงพ่อใช้หลักว่าไงสอนหลักเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอ่าวันที่ไม่ชอบคือวันที่เราไม่เป็นกลางกับสภาวะมันเกิดแล้วเราไม่ชอบถ้าเรารู้ทันเข้ามาตรงๆว่าเราไม่ชอบเลยนะเรารู้เลยว่ามันไม่ชอบแต่ตอนเนี้ยทําไมเราถึงเกิดสภาวะสองอันนี้ขึ้นมาอืมเราเลือกที่จะ อยากรู้สึกตัวอ่าวันนี้เรารู้สึกตัวได้เรามีความสุขเราชอบใจไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางหนึ่งหลักหลวงพ่อคือมีสติรู้ ก, กายรู้ใจตามความเป็นจริงท่านสอนให้เราเรียนรู้ตามความเป็นจริงท่านไม่ได้สอนว่าจิตต้องรู้สึกตัวเนอะไม่ได้สอนว่าต้องให้มีสติต้องทําสติขึ้นมาไม่ใช่แต่ทําเหตุของสติคือเรารู้กายรู้ใจได้บ่อยๆจิตจะจําได้พอจําได้ปุ๊บสติจะเกิดเอง แต่เราไม่ได้ทำให้มีสติไม่ได้ไปทำให้รู้สึกตัวอันนี้พอเรารู้สึกตัวปุ๊บเรามีความสุขเราก็ไม่รู้ทันอีกว่าจิตขณะนั้นเนะ่ะมีความสุขเพราะนั้นนะ่ะตอนนี้เราต้องถามก่อนระวังใจยังไงในการปฏิบัติธรรมระวังใจเราจะภาวนาเพื่อเอารู้สึกตัวรู้สึกไหมแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันก็ลํารับได้มากขึ้นนะคะว่าไอ้การที่มันจะเป็นยังไงคือเราก็บังคับมันไม่ได้อะคะอม การที่เราทําใจได้มากขึ้นแต่ไม่ได้แปลมามำว่าปล่อยไปนะคือเราต้องกลับมารู้จริงๆการที่เราอีกนอสภาวะมันไม่ใช่การปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะมีสติรู้กายตามความเป็นจริงไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจเราอยากได้อย่างนี้ล้วภาวนาเราจะเอาสติอ่ะแล้วภาวนาเราจะไม่ให้มันไม่ฟุ้งซ่านอะเรารู้ไปตรงนันตรงนั้นอะรู้ซื่อๆรู้อย่างที่เขาเป็นอืมไม่ใช่ภาวนาเพื่อไม่ไปทําอะไรกับมันไม่ใช่หรืมไม่ใช่ภาวนาเพื่อ ไม่ไม่ไปยุ่งกับสภาวะไม่ใช่ตอนนั้นใจระวังแบบนี้อยู่นะคะอื ม, อมเรายังไม่ได้เอาตามความเป็นจริงความเป็นจริงอะ่ะจิตมันเป็นยังไงเรารู้ตามนั้นแต่ตอนที่เดินก็เหมือนกับมันก็รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบก็รู้ค่ะแล้วรู้ทันไหมว่ามันอยากเยอะๆอ่ะตอนเดินรู้ค่ะมไม่รู้หรอกอใช่ถ้ารู้จิตจะไม่เป็นแบบนี้ ม, มันรู้อย่างเนี้ย คุณดูดูภาพนะดูหน้าพี่นะมันรู้แบบหนรู้รู้ไม่หายนะคะรู้ค่ะรู้ตรงๆเลยไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอืมรู้ซื่อๆหลวงพ่อคำเขียนใช้คําว่ารู้ซื่อหลวงพ่อจะบอกว่ารู้ตรงๆอืมรู้อย่างที่เขาเป็นส่วนใหญ่เราจะใช้แบบทัชสกรีน่คือทุกวันนี้เราใช้มือถือแบบเนี้ยเราก็ดูแบบนี้จริงๆมันคือที่จิตเลยเข้าไปไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบชอบรู้ว่าชอบ เห็นได้ไหมตอนเนี้ยเนี่ยคือรู้รู้ได้ไหมลองดูสิรู้แล้วมันเด้งออกอะ่ะเห็นการเด้งออกไหมมันไม่เข้ามาที่ฐานจริงๆคือตอนนี้สภาวะตรงนี้ถ้าเราดูแบบนี้นะจิตจะไม่ตั้งมัน่นจิตจะไม่เข้าบ้านจิตไม่ถึงฐานเห็นไหมลองดูเข้ามาในจิตสิมันเข้ามาไม่ได้ค่ะเห็นได้ปะอย่ากเกงใจนะถ้าไม่เห็นพี่จะมองให้เช็ครอบว่าจะต้อง ด, ดูตัวไหนเพราะฉะนั้นสภาวะการเดินเราเนี่ยเราเดินแบบนี้อยู่ อ่านันเราต้องมาดูละเราเห็นแล้วว่าเราเดินเนี้ยวันหนึ่งสี่สิบนาทีต่อเนื่องมานะคะทําไมจิตมันเข้ามาไม่ได้เนืกอออกไหมงงรู้ว่างงเราเรียนสิ่งที่ผิดนะคะอย่าตกใจว่าเอ๊ะทาไมเพราะบางคนทํามาสี่สิบปีข อ, อ, องคุณนี่ยังแค่เดือนมิถุนานืกอออกไหมพี่ว่าจริงไหม เ, เราทํากันมาสี่สิบปีในเรื่องจริงอะ่ะเออแล้วเราก็พบว่าไอ้ที่ท่านทํามาเนี่ยมันไม่ถูกแล้วไม่ถูกเรารู้ด้วยนะว่าเราไม่ถูกอะ่ะแต่เราเดินไม่ได้อะ่ะ เราไม่รู้จะหลุดยังไงออกมาอืมเพราะฉะนั้นอย่าตกใจนะคะหลวงพ่อบอกเส้นนี้เราภาวนาไปเรื่อยๆเราจะทําแต่ถ่งที่ผิดทั้งหมดเออจนกระทั่งเรารู้ว่าอ๋ออันนี้ผิดนะอันนี้ถึงถูกอืมตอนนี้ลองดูสิคะเข้ามาได้บ้างไหมได้บ้างอ่าโอเคพอเรารู้สึกตัวเข้ามาเรารู้สะพาว่าจริงๆอะว่าเราเข้าบ้านไม่ได้เรารู้ตรงๆเลยว่ามันเข้าไม่ได้กระแทกแล้วเข้ามาได้หน่อยเองอืมอมแต่ก็ยังไม่รู้ว่าทํำยังไงอะะไม่ต้องทํา รู้อย่างที่เขาเป็นการภาวนาเนี่ยถ้ามันภาวนาจริงๆแล้วเนี่ยนะเหมือนไม่ได้ทํามันมีแต่รู้อย่างเนี้ยรู้อะไรก็ไม่รู้ด้วยนะรู้อะไรก็ไม่รู้มันที่หนูเป็นเมื่อกี้เนี่ยค่ะมันเมื่อกี้น้องเห็นอ่ะเออมันมันตรงที่มันอึ้บเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันเข้ามาได้นั่นคือคุณรู้ตรงๆแล้วว่าคุณไม่รู้ส่กตัวคุณรู้ตรงๆแล้วว่ามันไม่เข้าบ้านพอทันทีที่คุณรู้ว่ามันไม่เข้าบ้านเนี่ยไม่เข้าบ้านมันดับมันเข้ามาเลยโดยที่ไม่ได้ต้องทําว่าให้มันเข้าบ้าน แค่รู้ว่ามันไม่เข้าบ้านมันก็เข้ามาเลยอืมเห็นไหมรู้ตัวทั่วพร้อมละคุณจําจิตอันนี้นะคะอันนี้คือรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าคุณไม่ได้ทํามาสี่สิบนาทีเนี่ยสภาวะนี้คุณจะไม่เห็นเลยแต่คุณทํามาแต่ว่ามันไม่มันยังขึ้นมาเจริญปัญญาไม่ได้นะคะแต่มันมีกําลังของสมาธิ<ม>ที่เราชี้กันอย่างเงี้ยคุณจะเข้ามาได้อืมอันนี้ถึงฐานเรียบร้อยละค่ะคุณจําอันนี้นะคะอะโอเคตอนนี้เรามาดูตอนเราเดินอืมโอ้จงกงุมอ่ะ มันรู้ตัวจริงๆริงไหมอ่ะมันรู้แล้วมันไหลยังไง <lavor> คือความรู้สึกตัวเนี่ยคุณคนเข้าใจว่าอ๋อยืนแล้ว<ม>ต้องอย่างนี้ข้อที่จริงไม่ใช่อดูตัวนี้นั่งอยู่เนี่ยแค่เนี้ยนี่คือรู้สึกตัวแล้วไม่จําเป็นต้องไล่เลยเห็นไหมคุณไม่จําเป็นต้องไล่อ๋อนั่งอยู่เอมันอยู่ที่ก้นเหรอไม่ใช่นั่งอยู่แล้วอ๋อยู่ตรงไหนไล่ยอย่างนี้ไม่จําเป็นเห็นไหมแค่รู้ว่าไม่รู้รู้แต่ว่ามันนั่ง่ะ แสงว่าตะก่อนเหมือนกับมันตรงใจโยมากเกิ น, นมันปาดอย่างนี้ค่ะพอมันปาดอย่างนี้ยคุณรู้ว่าเดี๋ยวมันจะเพ่งพอปาดมาปุ๊บ ก, ก็ปล่อยออกไปเลย ม, มันก็จะไหลทิ้งออกมันเลย ม, มันไม่รู้ตัวทั่วพร้อมละอ่าอันนี้สภาวะที่คุณเดินมันก็จะรู้แบบไหลายๆรู้แบบหลายๆเพราะฉะนั้นจิตก็จะไม่ตั้งมั่นจิตก็จะไม่ถึงฐานมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะแต่คราวนี้ความที่เราทําต่อเ น, นื่องมาไม่หายไปไหนนะคะ ยุติแห่งธรรมะเสมอนะคะคุณทําผิดยังไงกําลังมันก็ยังมีในบา ร, รมีสิทธัศย์ยังมีอยู่นะคะอย่างน้อยมีอะไรมีศีลตอนคุณเดินจงกรมคุณปฏิบัติธรรมตรงนั้นน่ะยังไงก็ยังมีศีลมีเนคขมมะมีอธิษฐานมีสัจจานะคะหลายๆเนี่ยในบา ร, รมีสิทธิ์เนี่ยคุณสะสมอยู่นะมันยังไม่ได้หายไปไหนพอเราถึงเวลาพุ๊ถ้ามันไม่ใช่เราไกด์กันนิดเดียวเนี่ยคุณเดินแล้วคุณเห็นได้แต่ถ้าไม่ทํามาเลยไม่เห็นเลยค่ะชี้ยังไงก็จะไม่เห็น เพราะนั้นเราเห็นแล้วเนาะเพราะนั้นเรากลับไปดูเนาะความรู้สึกตัวแค่นี้อ่ะกลับมาดูตอนตัวนี้นั่งอยู่อ่าแค่นี้เลยเห็นไหมมันเบาเบานุสึกไหมเห็นไหมแล้วมันก็อยู่ห่างๆแล้วก็มันก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันก็เห็นเนี่ยกองคุณเห็นได้ไหมมันเหมือนกองอะไรสักกองอ่ะลองดูยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนให้ใจมันคลายก่อนเนาะถ้าว่ามันจะได้เข้าได้ค่ะอาตัวอะไรยิ้มพยักหน้า อ่าโอเคอ่ะตัวอะไรพยักหน้าอ่ะตัวนี้นั่งอยู่อ่าถูก ต, ต้องเป๊ะเลยพอเห็นไหมพอเรารู้ปุ๊บเราอยากเข้าไปดูชัดๆอีกนิดเลยอ่ะเราก็รู้ทันแค่นั้นล่ะค่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเราเนี่ยเรารู้ตามนั้นแค่นั้นเลยงานของเรามีแค่นี้อืมมันอยากเพง่งรู้ว่าอยากเพง่งมันเพ่งแล้วเรารู้ว่าเพง่งเออมันแน่นแล้วเรารู้ว่าแน่นเราไม่ต้องเห็นตั้งแต่ลีลาหนึ่งถึงสิบมาเลยการถ่ายทําไม่ต้องเห็น ข, นะขณะปัจจุบันที่มันเป็นมันหนักรู้ว่าหนัก อึดอัดรั่วอึดอัดอยากหายนะคะนักภานานะคะถ้ารู้สภาวะหนึ่งแล้วไม่ดับให้รู้ว่าเราดูผิดตัวผิดตัวแล้วทําไงงงรู้ว่างงผิดตัวสงสัยรู้ว่าสงสัยยังไงนะคะเอาสงสัยไปก่อนยังไงมันต้องมีสงสัยแน่นอนนะคะโอเคเนาะอย่างนี้ถ้าเพื่อกลับไปทําแล้วมันก็จะเดี๋ยวว่าเปลี่ยนตรงหัวจงกรมนี่แหละจําตรงนี้ล่ะค่ะว่าจิตที่นั่งน่ะอย่างนี้ ไปจำจิตเป็นท่ายืนแค่นั้นอืจากนั่งเนี่ยเป็นยืนนะคะโอเคไหมคุณแม่เชิญค่ะอ่ะมาพี่จีน้ําตาเชิญค่ะี่ค่ะสวัสดีค่ะขอถามพี่มาลีว่าที่ปฏิบัติทุกวันนี้ถูกต้องไหมคะมคําถามนี้หลวงพ่อบอกว่าให้การพิงได้แล้วออเราต้องตอบตัวเองสิค่ะเราภาวนาแล้วเราเราคิดวไาเราคิดว่าถูกต้องอ่าโอเคสมาธิทําอะไรกันครัะนั่งก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงตอนเช้าตื่นมาหนึ่งชั่วโมง ร่างกายหายใจค่ะหายใจหายใจตรงนี้เนาะใช่ค่ะอืมีดูลมได้ไหมปกติเคยดูลมมาก่อนไหมก่อนหน้านี้ดูลมค่ะแล้วมันยังเพ่งลมอยู่นะอใช่ค่ะมันยังใช้ทํากรรมฐานตัวเก่าอยู่เป็นหลักนะคือตอนแรกเนี่ยเราเริ่มจากตรงนี้เนาะแต่เห็นไหมคะตรงเริ่มจากตรงเนี้ยถามตัวเองดูหน่อยหายใจทั้งวันหายใจอย่างที่ทําอยู่ไหมพอเวลาอย่างถ้าปกติไม่ได้อยู่ในรูปแบบนะคะเวลาทํำอะไรปุ๊บ ก็จะกลับมาแล้วก็ดึงลมหายใจแบบนี้ใช่ไม่ถูกเลยคะมันดึงถูกไหมไม่ได้เหรอคะเวลาเราหายใจทั้งวันเราต้องดึงไหมไม่ค่ะแต่ดูเหมือนเราจะเอาเป็นวิหารธรรมได้ไหมคะไม่ได้ค่ะวิหารธรรมถ้าเราบังคับคือเพ่งวิหารธรรมคือมันเมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาในขณะนั้นว่ามันไหลไปเมื่อเรารู้สึกตัวในขณะนั้นว่ามันเผลอไปใช่ค่ะส่วนใหญ่บางทีแต่คราวนี้ยพอรู้ปุ๊บคุณดึง ที่เมื่อกี้คุณใช้คําว่าดึงแล้วมันก็ดึงบวงนี้เห็นปะแน่แนๆอยู่เออถ้าเราดึงก็คือบังคับแต่เราก็เหมือนเรา<บ>หายใจทั้งวันเราต้อ ง, งดึงมันไห ม, ค, ไมคํำถาะนั่นแหละเราดูแค่ร่างกายหายใจเราไม่ได้ทําอะไรกับการหายใจของร่างกายเลยนะคะแต่การที่คุณดึงคุณกําลังบังคับลมหายใจมันเหมือนเราอยากดึงให้เรารเห็นไหมเราอยากดึงเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการภาวนาเราจะเอารู้สึกตัวใช่ค่ะ เราไม่ได้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางการที่คุณไม่ได้เอาตามความเป็นจริงเราไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาะอเราจะเอารู้สึกตัวเราก็เลยต้องบังคับค่ะบังคับก็คือการเพ่งเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าผิดหรือถูก เ, เราตอบตัวเองก่อนเดี๋ยมันจะแยกไป็สองอย่างนะคะถ้าอยู่ในรูปแบบถือว่าผิดไหมคะที่เราดูร่างกายหายใจถ้ารไา่กายหายใจอ่ะสิ่งที่คุณดูเนี่ยมันดูล่างกายหายใจจริงไหมหรือว่ามันบังคับ น่าใจบังคับใช่ค่ะ อ, อันนั้นถ้าบังคับก็คือไม่ใช่ค่ะวิธีถ้าเราบังคับถ้าเรารุ้งทันนะค ะ, คะการหายใจจะไม่ปกติเช่นหน้าอกจะหนักหนักนิดนึงถ้าใครดูตรงนี้นะคะเราจะรู้สึกว่ามันเริ่มหนักหนักเริ่มตึงตงึไม่ต้องแก้นะคะรู้ก่อนว่ามันไม่ปกติรู้ว่าเอามันตึงรู้ว่ามันแน่นนะคะแล้วถามมันนิดนึงอันนี้มารีใช้ของตัวเองนะเอ๊ะแกหายใจมาทั้งวันแกหายใจแบบนี้ไหมวา ไอสภาวะที่คุณบังคับมันจะดับเลยแล้วมันจะเห็นจริงๆเลยว่าร่างกายหายใจยังไงพ อ, อไปสักพักเดี๋ยวมันก็กลับมาแบบนี้อีกกลับ<ฮ>มาหนักอีกเป็นเรื่องปกตินะคะความความรู้สึกมันอย่างนี้นะคะพี่เวลาพอนั่งปุ๊บมันก็ต้องหลุดไปฟุ้งเรื่องอื่นเราก็จะบอกว่าเอ้ยยังไม่คิดเห็นไห ม, ไมทมี่เราจะไม่เอาฟุง้งอ่า ไ, ไม่เอาไม่เอาอ้าวเห็นแบบเนี่ยมันกําลังจะบอกไงว่าพี่จะเอารู้สึกตัวพี่จะไม่เอาฟุง้งเนี่ยมีพูดมาตั้งแต่เก้าโมง พี่ช่วยเข้าใจกันหน่อยแต่ไม่แค่ขังก็ยิ้มหวานแล้วก็กลับมายิ้มหวานแล้วเราก็เราไม่ยิ้มหวานค่ะเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนค่ะอันหนึ่งหลวงปู่ดูลสอนอันหนึ่งธรรมชาติของจิตส่งออกธรรมชาติของจิตส่งออกอคราวนี้มันส่งออกไปไหนล่ะมันก็ส่งออกไปคิดนี่แหละที่พี่เรียกว่าฟุ้งใช่ค่ะอ่าคราวนี้พอฟุ้งเราจะไม่เอาฟุ้งเลยพี่ก็บังคับไม่ให้มันไม่ฟุ้งเขาอแท้จริงคือจิตฟุ้งใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเพราะฉนั้นถ้าเราจะรู้ตามความเป็นจริงของกายกับใจก็คือใจขณะนั้นมันฟุ้งค่ะแต่พี่จะเอาไม่ฟุ้งไงพี่ก็เลยต้องบังคับให้มันไม่ฟุ้งพีมหวานก่อนยี้มหวานก่อนพี่ฟังทีดีหลวงพ่อมานานเท่าไหร่นานแล้วนะคะนานแล้วเป็นปีอะค่ะเป็นปีโอเคได้สองปีไหมอืมน่าจะปีหนึ่งค่ะอ่าโอเคเอาปีนึงเพี่ฟังจริงจังเลยนะฮะจริงจังเลย ไม่ต้องบอกสำนักนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยภาวนาอย่างอื่นหรอไหมไม่ค่อยไม่เลยค่ะไม่ไม่เป็นลบเป็นภายไม่ไม่ได้เริ่มอะไรจริงจังเลยโอเคค่ะไม่เป็นลบเป็นภายแต่มีใช่ไหมคะคําถามคือมีไหมไม่น่ามีด้วยนะคะไม่ได้ฝึกอย่างอื่นเลยไม่ได้ฝึกอย่างอื่นเลยอ่านไหมอ่านเยอะฟังอ่นั่นนหะค่ะนั่นคือปัญหาเลยค่ะเพราะเวลาพอคุณฟังหลวงพ่อเนี่ยคุณเทียบใช่พอมันเทียบเสร็จเนี่ยมันก็จะปรับเป็นรูปแบบอันนี้ มันก็จะต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงค่ะพี่มะลิให้การบ้านมาเลยค่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีการบ้านหรอกนะคะแต่ต้องให้เรารู้ก่อนว่าจิตปัจจุบันขณะที่เราเจอกันขณะนี้จิตเราเป็นอย่างไรเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนเราต้องรู้ปัจจุบันก่อนนึกออกไหมเพราะการภาวนาพราะเจ้าสอนให้เรารู้ลงปัจจุบันอันนี้ถ้าปัจจุบันตรงเนี้ยเห็นไหมเราไม่ดูเราจะเอาการบ้านก็จะไปคิดละนึกออกปะคิดแล้วพี่ก็จะเทียบเคียงตลอด เนี่ยคิดตลอดเลยเห็นไหมที่มัีพูดเนี่ยมันจะคิดคิดคิดคิดคิดคิดมันจะหลายไปคิดเยอะเห็นได้ไหมค ะ, คะอมพอคิดปุ๊บพี่ก็จะคิดในหลักสูตรของการภาวนาตัวเองออกมาใช่ค่ะ อ, อันนั้นก็จะเป็นหลักสูตรของคุณแล้วไม่ใช่หลักสูตรพระพุทธเจ้าสอนงงอยากรู้ว่าตรงไหนที่มันใช่อะ่ะมันไม่มีคำว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่รู้ว่าไม่ใช่ มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงค่ะคือถ้าเราคิดนะคะเราภนาวนาด้วยความคิดเนี่ยมันปิดบังความจริงที่คุณจะเห็นได้ทั้งหมดเลยค่ะจิตในขณะนั้นคือเราจะเอารู้สึกตัวอออันนี้ด้วยความเข้าใจแล้วคุณก็ลงมืออย่างนั้นเลยอืค่ะถ้าเราเทียบกับหลักที่หลวงพ่อให้มาแล้วพระเจ้าสอนเราขึ้นที่ปัชนากรรมฐานปัชนาแปลว่าเห็นวิแปลว่าแจ้งชัดถูกไหมเพราะถ้าเราเห็นจริงๆแล้วในขณะว่าจิตนี้มันฟุ้งซ่าน แต่คราวนี้พี่ไม่เอาฟุ้งซ่านพี่จะทํายังไงให้จิตนี้ไม่ฟุ้งซ่านใช่ไหมคะอ่ะคิดอีกแล้วเห็นไหมไอ้ตรงคนที่ภาวนาด้วยความคิดเนี่ยอันนี้ยากเพราะเราไม่สามารถให้เขาหยุดคิดได้ค่ะอืมเพราะเขาจะคิดไปเรื่อยๆพอคิดเสร็จแล้วสิ่งที่คนเหล่านี้มีคือก็จะมาถามค่ะอก็จะฟุ้งเพราะเขาคิดเสร็จแล้วเขาฟุ้งฟุ้งเสร็จแล้วเขาก็จะถามพอถามเสร็จอ่ะก็ก็ไปคิดต่อ พอคิดต่อเสร็จเขาก็ฟุง้งเพราะว่าเขาต้องคิดคิดเสร็จแล้วเขาก็มาถามต่ออพอถามต่อได้คําตอบไปเขาก็ไปคิดต่อก็ฟุง้งอ่ะไอ้ตรงที่คิดนี่คือฟุ้งทั้งหมดมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราแค่รู้ว่ามันฟุง้งค่ะนะคะมีสติรูก้การรู้ใจตามความเป็นจริงอันนี้คือหลักเลยนะค ะ, คะถ้าเราจําหลักได้เราพอนะเราอหลักท่าบเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความเป็นจริงมันเป็นไงในขณะเนี้ยท่านที่เพง่งจิตมันเพ่งอะ่ะ อึอดอัดรู้ว่าอึอาดอัด <ะ S 2> เราไหลไปคิดเรารู้ว่าไหลไปคิดคอ๋อจิตมันฟุง้งเรารู้ว่าฟุง้งฟุ้งแล้วยังไงไม่อยากให้ฟุง้งอะเราเห็นใจเลยเราไม่อยากให้ฟุง้ง <คะ S 2> อ๋อฟุ้งแล้วฉันอยากสงบรู้ว่า <famili Storm? S 2> อยากสงบแต่พออยากสงบปุ๊บเห็นน่ะจิตมันหนักเรารู้ว่าหนักอื <Down S 2> <คะ S 1> เพราะเราบังคับแล้วเราบังคับให้มันไม่ฟุ้งบังคับให้จิตเนี่ยสงบคือเห็นได้ไหมคะจิตขนาดเนี้ยนี่คือจิตที่มันสงบแต่สงบแบบอัดเข้าไปลองหายใจกลางหน้าอกดูค่ะมันจะหนักหนัก ตัวนี้ค่ะคือตัวยืนพื้นของพี่อยู่ตอนนี้นะคะค่ะอือพยายามจะให้สมค่ะอันหนึ่งธรรมชาติของจิตมีหน้าที่ส่งออกนะค่ะอืส่งออกก็คือส่งไปฟุ้งนั่นแหละค่ะอืมฟุ้งไปตามกายตาหูจมกูกลิ้นกายและใจค่ะนะคะอันนั้นคือธรรมชาติของเราค่ะอืมเราก็มีหน้าที่ดูไปอย่างนั้นเพื่อเห็นไม่สบายขึ้นค่ะอนี่แหละค่ะแต่จุดที่จะมีปัญหาของคุณคือพอคุณรู้อย่างนี้รู้เรื่องแล้วนะ แล้วคุณเอาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณเคยอ่านมาก็ไปรู้อีกว่ามันเปรียบเทียบค่ะมันต้องใช้เวลามากเลยไม่ได้บอกเลยนะมากกว่าคุณเพ่งอีกค่ะเพราะมันหยุดความคิดไม่ได้อืมแต่คุณรู้ว่ามันคิดแค่นั้นแหละพอคิดรู้อีกเห็นไหมพอรู้ว่าคิดปุ๊บเห็นไหมปวดหัวเลยเพราะมันเป็นเบรกตกคิดขึ้นมาอืมเราไม่แก้นะคะรู้อย่างที่มันเป็นแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆสลายใช้เวลานิดนึงนะคะ แต่มันต้องกล้าสู้จริงๆนะว่ามันไปเปรียบเทียบเห็นไหมตอนนี้มันฉลบออกไปเห็นจิตไหมคะหายใจรู้สึกตัวกันค่ะมันจะเห็นเลยจิตมันฉลบออกข้างๆอยู่เห็นได้ไหมตรงที่ฉลบตัวนี้คือวิ่งไปเอาสิ่งที่คุณเคยเรียนรู้มาเปรียบเทียบเห็นได้ไหมเนี่ยมันเทียบเป็นเล่มอยู่เลยเห็นได้หมคะเทียบเป็นเล่มเลยเล่มเป็นบรรทัดด้วยซ้าไป เปิดเป็นบรรทัดเลยเราก็รู้เราไม่แก้เลยค่ะจิตเขาทํางานเองไม่ใช่เราถูกไหมค่ะอแล้วเราดูจะเห็นเลยสุดท้ายไม่มีเราหรอกมันมีแต่จิตที่มันปรุงแต่ง อ, อจิตที่มันดิ้นรนนะคะจิตที่มันอยากดีทุกคนเป็นอย่างนั้นนะคะอย่าตกใจ อ, อืเราทุกเราอยากพ้ทุกค่ะอืแต่ครั้นี้พอเราไม่รู้ทางเราไม่เคยศึกษาคําสอนจริงๆเราก็ไปผิดทางค่ะอะพอไปผิดทางบันึงเนี่ยเรารู้ทางแล้วต้องใช้เวลาในการ กลับรถโอเคอ่าแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเรากลับรถถ้าเราไปสระบุรีกลับข้างกลับข้ามจังหวัดเลยนะมันไม่ได้กลับแค่สองไฟแดงนะมันกลับข้ามจังหวัดมาเลยอ่ะอันนี้ใช้เวลานิดหนึ่งได้ค่ะค่ะสู้ๆเนาะค่ะขอบพระคุณค่ะบุธนาเชิญค่ะพอดีค่ะเดี๋ยวแถวนี้มีมีกี่ท่านคะท่านสุดท้ายหรือยังอะเดี๋ยวจะได้ข้างนี้นะคะท่านสุดท้ายเชิญค่ะได้ไหมคะ Okay. สวัสดีค่ะพี่มาลีค่ะเดือนที่แล้วต้นเดือนที่บ้านจิตสบาย พ, พี่มาลีก็บอกว่าให้ไปหารูปแบบมาค่ะก็ไปเริ่มดูลหมหายใจตรงนี้วันที่15เพราะว่าไปดู YouTube คุณมาลีค่ะก่อนหน้านั้นเลยเนี่ยฟังหลวงพ่อมาแล้วก็เข้าใจมาตลอดเลยว่าเราต้องรู้สึกตัวก็เลยเอารู้สึกตัวเลยพยายามที่จะรู้สึกตัวแต่ว่า ทีนี้พอมาฟังคุณมาลีก็เข้าใจแล้วอ๋อเราเข้าใจผิดจริงๆหลวงพ่อก็พูดอย่างนี้นะนพูดทุกวันเลยค่ะหนูฟังแล้หนูเข้าใจใช่ใช่ใชค่ะทีนี้พอเหมือนพอมาเริ่มดูลมหายใจปุ๊บหนูก็รู้สึกแล้วว่ามันแน่นอืมทีนี้เนี่ยมันแน่นดูดูไปดูมาก็เลยเหมือนมาเริ่มคุยกับตัวเองว่าปกติหายใจอย่างนี้หรือเปล่าบางทีมันก็หายบางทีมันก็ไม่หายแล้วบางทีก็รู้สึกว่าแน่นแล้วก็สูงอุ่อึดอัดแน่น เลิกไปเถอะวะ เ, เลิกไปเถอะไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ชอบนะบาง<ม>ทีแบบเอออยากหายบางทีมันก็หายบางทีมันก็ไม่หายจนวันนึงก็มาคุยกับตัวเองสรุปแกยังไงแกชอบเพ<ม>่ง<ม>หรือเปล่าหรือยังไงเอะเรา<ม>ว่าเราก็ไม่ชอบเพ่งแต่ว่าไอ้แน่เน้นเนี่ยเราไม่ชอบอ<ม>หรือว่าแกชอบเพ่งแล้วข้างในนี้มันก็เด่นดุ๊กดุ๊กเฮ้ยสรุปแกชอบเพ่งหรออหัวก็ไม่แน่ใจว่ายังแล้วมันหลุดออกมาเห็นปะค่ะ ก็หลุดแต่บางวันมันก็ไม่หลุดใช่ใช่บางวันที่มันไม่หลุดเพราะอะไรเพราะมันอยากหลุดมันไม่รู้ทันอยากค่ะมันถลัมกับสภาวะอยู่ก่อนหน้าสมัยเดิมๆเนี่ยนะคะที่หลวงพ่อจะสรุปออกมาเป็นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยท่านจะใช้คําว่าก่อนรู้อย่าตั้งใจรู้รู้แล้วอย่าถลัมไอสภาวะเนี่ยคือถลัม ตนรู้อย่าตั้งใจรู้รู้แล้วอย่าถล่ารู้แล้วจิตนั้นยินดียินร้ายให้รู้ตามไอ้ตรงที่เราถล่มเนี่ยเราเลยไม่เห็นใจที่เราอะไม่ชอบใจที่เราชอบธรรมะมเราคิดว่าเรารู้ว่าธรรมะร ม, มันเลยเข้าสู่ใจเราไม่ได้ออไอ้ตรงบดดิ้งสุดท้ายนีย่สำคัญมากเลยนะค ะ, คะจิตนั้นยินดียินร้ายหรือเฉยๆทุกครั้งที่จิตมีการทํางานมันจะเกิดสภาวะขึ้นสามขณ ะ, ะชอบไม่ชอบหรือเฉยๆ ขณะนี้ตรงนั้นเนี่ยเราไปถลํากับสภาวะที่มันแน่นในขณะนั้นเราอยากหายเราไม่รู้ทันเพราะกิเลสตัวใหม่เกิดละตอนที่มันไปถลําเนี่ยคือเป็นไงมันเป็นโมหะที่มันถลําเข้าไปแก้ต่อมาอยากหายมันเป็นโทสะเราดูผิดตัวอยู่คุณหนูรู้สึกว่ า, วาเราดูผิดตัวมันจะไม่หายคิวเริ่มชนกันแล้วหนูก็สึ อ, าอ้าวคิวชนกันนี่เรางุดหงิดอือโอ้โอดีเก่งมากเลยนี่เรางุดหงิดอะไรอยนะ่างเงี้ย เออมาโหวแล้วนะเว้ยไม่หายสักทีแน่นอะไรสักพักบางทีมันก็ค่อยๆคลายอยอกตรงที่มันไม่หายหนูไปดูมันอยากหายค่ะแล้วเราไม่รู้ทันเพราะตัวนั้นเน่ยเป็นกิเลสตัวใหม่เนาะเก่งค่ะค่อยๆดูดูแบบนี้แหละทีนี้เนี่ยเออระหว่างวันตอนแรกหนูก็ดูพี่มารีแล้วเออที่ยูทูปพี่มารีบอกให้ทําทีละอย่างพอทําไปแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ยอันนี้อาจจะไม่เหมาะกับเรา เปลี่ยนไหมเดินจงกรมแบบอ๋อแกอยากแ ก, แก้โรู้สึกขึ้นมาทีนี้หนูก็เลยเอ๊วิหารธรรมเรายังไม่มีมหนูก็เลยสามวันที่แล้วเพ่าไปหาไปฟังหลวงพ่อใช่ไหมคะก็บางทีก็รู้สึกได้ว่าเออตอนเช้าดีตกเย็นแน่นมากมบางทีชเช้าก็แน่นเย็นก็โป่ง ม, มันเหมือนกับเห็นไหมเราเห็นไตรลักษณ์ของมันหค่ะแล้วบังคับไม่ได้ แน่นมันก็แน่นเองบางทีมันแน่นมากจนเรูลุ้หนูรู้สึกว่าโอ้ยทายังไงมันก็ไม่หายแล้วเออมันเป็นไทยรักมันบังคับไม่ได้จริงๆสักพักมันก็หายไปหรือว่าอ้าวถ้าเรารู้ลงปัจจุบันขณะนะค่ะแน่นก็ไม่เที่ยงอืเราจะเห็นเลยว่าแม่แน่นเองไอ้ตรงที่เราเห็นเนี่ยมันก็หายเองเนาะค่ะเราก็ดูตรงตรงอันนั้นแหละค่ะทีนี้อวิหารเราวิหารธรรมหนูก็เพิ่งทํามาประมาณได้สามวันใช่ไหมคะ ก็เหมือนกับว่าตอนระหว่างวันะ่ะเวลาเราทํานูน่นทํานี่เราก็พยายามรู้สึกตัวใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่านั่งเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ขยับแล้วหนูก็ทําเหมือนอที่ ม, มีแนะนําแต่หนูบางทีก็งงเอ๊ะพอเราทําอย่างนี้จิตเราก็พุ่งไปตรงนี้มันก็เพง่งอะมันคือเพ่งหรือเปล่าเพ่งค่ะหนูก็ไม่แน่ก็เปลี่ยนนิ้วเปลี่ยนข้างเปลี่เปลี่ยน อ, อย่างอื่นแล้วกลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายไมหายใจออกก็ได้มันควรที่จะรู้สึกทั้งตัวเลยว่คหายใจเราไม่ค่ะ มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรรวความเป็นจริงคือเราอยากรู้สึกตัวค่ะ<า>แค่นั้นจบละเหมือนเรารู้สึกตัวได้ก็คือโอเคแล้วไม่ค่ะการที่เราไม่รู้สึกตัวนั่นคือเรารู้สึกตัวแล้วนะอืมเพราะเรารู้ว่าเราไม่รู้สึกตั ว, ว น, นั่นหนึ่งคือสภาวะหนึ่งค่ะเราไม่ได้ทําให้รู้สึกตัวนะคะค่ะแต่เราทําเหตุของมันเหตุคืออ๋อตอนนี้เอาฉันไม่รู้สึกตัวทันทีที่เรารู้ว่าไม่รู้สึกตัวเรารู้สึกตัวขึ้นมาทันทีอืม เราก็เริ่มวิหารธรรมของเราต่อได้ค่ะวิหารธรรมเนี่ยมันเป็นเครื่องอยู่แค่ว่าอา๋อจิตขณะนี้ไม่รู้สึกตัวพอเราไม่รู้สึกตัวแล้วก็ขยับนิ้วใหม่พอขยับนิ้วไปสักพักเราก็ลืมไปแล้วะแล้วก็เพอไปอีกมันรู้สึกตัวเมื่อไหร่อีกทีก็เมื่อนั้นเราอาจจ <ừ. S 1> ะไม่ได้ขยับอยู่แล้วก็ได้อืมแต่ขยับขยับอ๋อรู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บไปดูอย่างอื่นละอ้าวรู้สึกตัวมาใหม่ทีหนึ่งอะ่ะก็เริ่มขยับใหม่แต่เนี้ยของหนูเนี่ยดึงกลับมาที่นิ้วหมดเลย<อ>เห็นไห<ด>มใช่ตลอดเวลาที่คุณใช้ตัวเนนี้ยะ คุณดึงจิตกลับมาที่ตัวนี้นะคะอืมให้เรารู้ทันก่อนว่ามันดึงต้องเข้าใจหลักมันก่อนไม่ได้ทําให้รู้สึกตัวค<อ>ตอนนี้ใจระวางว่าอยากรู้สึกตัวมันยังอยากรู้สึกตัวรู้ ต, งตรงๆงเลยว่าฉ<อ>ันอยากรู้สึกตัวตอนนี้ยังเป็นฉันอยู่อ่าพอไปเรื่อยๆอ๋อแกอยากรู้สึกตัวอ่าเราจะเห็นละมันเป็นข้อจริงๆถูกไหม<อ>เป็นเราเราไม่ได้อยากรู้สึกตัวเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่เราบังคับจิตไม่ได้ จิตเขาประกาศเป็นอนัตตาเขาทางานเองเนาะเราก็ดูไปอย่างเงี้ยแยกดูไปเรื่อยๆว่าเขาเป็นคนอื่นแล้วตอนนี้หนูติดเพลงไหมคะเพติดค่ะติดค่ะเพราะใจระวังจะเอารู้สึกตัวใช่อ่าก็แค่นั้นเรารู้ว่าเราอยากรู้สึกตัวจากนั้นจิตจะพัฒนานของตัาเองนะคะออคือหนูทําไปแบบที่ทําตอนนี้รู้อย่างที่มันเป็นเลยค่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้ น, นเราจะเอาดีรู้สึก เรารู้ทันก่อนว่าเราจะเอาดีคืออยากหายเนี่ยอ่ะอยากหายหรือว่าอยากหายคือทันทีรู้ว่าอยากหายมันก็หายแล้วเห็นไหมอ่ะแค่นั้นแหละแต่ปัญหาคือเราอยากมีต่างหากเราไปรู้ทันว่าเราอยากดีก็รู้ตามจริงไปเรยเราเป็นคนโรคไหมปกติโ่ารู้ตรงๆเลยใช่ทุ่เลยเดือดกรอยากรุ่นอยากไปดูตัวนี้แหละตัวนี้ยเป็นมิหารธรรมเราได้ดีเลยคนะคะอืสามารถเป็นเครื่องอยู่เราได้อเพราะว่าเราจะเห็นตัวนี้ได้บ่อย เราจะได้ตัวเนี้เป็นห้องเรียนเราเ<ว>มื่อก่อนหน้านี้เห็นโทสะได้เยอะช่วงหลังๆนี้เห็นตัวโลภเยอะมากค่ะคือมันพอโลภแล้วมันไม่ได้ดังใจมันก็จะไปเจอโทสะค่ะอ่า น, นี้เราดูตัวไหนได้ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆดูแล้วย้อนออกมาจนกระทั่ทงวันหนึ่งเราจะเห็นเลยไม่มีตัวเราที่โลภหรอก ok, มีแต่จิตที่เขาพงแต่งของเขาเราจะดูมาจนถึงว่าจิตที่โลภก็ไม่ใช่เราเอจิตที่โลภเราก็บังคับไม่ได้ตรงนี้แหละค่ะเราจะเห็นเลยแล้วจิตที่โลภมันเกิดแล้วมันก็ดับ นี่คือเส้นทางพระโสดาบันที่ท่านดูกันเราดูตรงนี้เราไม่ได้เอาตัวที่อยากรู้สึกตัวนะค่ะโอเคเนาะสรุปหนกลับไปดูวิหารธรรมเป็นตัวโลกใช่แต่ว่าความรู้สึกตัวนี้จะเป็นวิหารธรรมไม่ได้เป็นเครื่องอยู่นะว่าในจิตเนี่ยเราเห็นอะไรได้เยอะเราก็ดูตัวนี้เป็นหลักแต่รูปแบบอ่ารูปแบบตอนนี้ใช้อะไรคะดูลมหายใจลมหายใจตรงนี้เนาะอ่าคราวนี้เวลาดูแล้วมันแน่นเรารู้ว่าแน่นเรารู้ก่อนว่ามันแน่นเนาะแล้วก็ถามตัวมันนั่นแหละ หายใจมาทั้งวันอย่างนี้ไหมแม่มันก็จะดาวปกติหายใจอย่างนี้หรือเปล่าอ่าแต่แม่ตัวนี้มันก็จะดับมันก็จะรู้สึกตัวปกติขึ้นมาแล้วก็ดูอย่างนั้นต่อเนอะค่ะโมทนาเชิญค่ะามขครั้งนี้อนโมทนาค่ะได้ค่ะโมทนาเช่นเดียวกันค่ะเอาเชิญเลยค่ะขออนุญาตครับก็ปีที่แล้วคุณมาลีบอกว่าเพ่งครับก็ไม่เห็นครับครับวันที่คุณมาลิงพูดก็ไม่เห็นอืแต่ก็ก็งงอืก็เหมือนโดนตีด้วยหน้าสาม และครับเพราะว่าเราปฏิบัติมานานเราก็นั่งสมาธิทุกคืนก่อนอันนี้ก็นั่งแบบวันละครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่พอคุณมารีทักก็ใช่เหรอะอะไรแต่มันแต่มันมีจุดหนึ่งที่ใช่คือมันมันมันมันแน่นแล้วมันก็มันก็ไม่ไปไหนมันก็ไม่เห็นอะไรมันก็เหมือนเดินตันๆแต่เราชินไง อืมใช่ใช่เราชินแล้วไงเราชินว่ามันตันๆก็ปกติแหละอืเราก็อยู่กับมันมันตั้งนานแล้วอยู่อีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรก็แล้วตอนนี้ยังอยู่ไหมเอาปัจจุบันแล้วไม่เอาปีที่แล้วแล้วก็เริ่มฟังซีดีหลวงพ่อครับก็อืมดีค่ะก็ดีขึ้นก็เริ่มเห็นแล้วเออเพลงเออเห็นแล้วอ๋ออันนี้เพ่เพลงอยู่อืมแล้วก็เห็นอีกด้วยว่าอ๋อเพ่งไม่ชอบเลยวะก็ดึงกลับอ่าเห็นว่าเพ่งแล้วก็ดึงกลับด้วยอืมแล้วเห็นโกรธด้วยอ่าก็เออเห็น อีขึ้นเยอะครับแต่เมื่อกี้คุณมารีก็ทักอีกว่าเลยอยเ ย, ย, ย้มๆเอ้าเคิร์มๆไหลๆแล้วใช่เออก็เห็นคือพอพูดไม่เห็นทันทีครับก็ใช่ค่ะมันจะรีเลยทามนิดนึงมันมีดีเลยเพราะว่าไม่บอกเลยว่าขี้เกียจครับเพราะว่าหลังจากคุณมารีทักก็ไม่ได้ทำคือจริงๆนเนี่ยเปูกแบบอีกเลยจริงๆตอนเนี้ยที่คุณเป็นเนี่ยก็สมควรจะขี้เกียจเพราะว่าอย่าทําเลยทําแล้วมันไม่โอเคอมืมันจะเครียดมากกว่านี้ พอมันธรรมชาตินะคะภาวนามันสุดตรงสองข้างอยู่แล้วแหละพอเราไม่บังคับเราก็ปล่อยตอนนี้คือสภาวะที่ปล่อยที่ปล่อยอยู่นะคะก็มันก็จะมีความสุขแบบอย่างที่คุณบัลีบอกก็คือแบบเย้มเยิ่มเคิมเคไม่สนใจใครไม่ยุ่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละพอเพ่งได้ที่มันจะเข้ามาตรงนี้แหละครับค่ะคอันนี้คําถามมาที่คําถามคือเมื่อกี้จะไม่ถามแล้วคิดว่าเราทําถูกแล้วแต่ว่าพอคุณบัลลีทักว่าเฮ้ยหลายๆอย่างนี้ไม่ถูกนะ และอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากถามคือเรื่องวิหารธรรมคือป ก, ปกติเราใช้ลมหายใจเข้าออกค่ะเราก็ดูแต่เรารู้แหละว่าพอเรากลับมาที่ลมหายใจปุ๊บเราเพ่งกลับมาปุ๊บเราเพ่งเลยอแล้วพอเราหลุดเพ่งเราก็จะไหลทันทีเลยถูกต้องมันจะไหลเข้ามาในนี้แล้วค่ะมันก็ไหลเสร็จปุ๊บพอไหลเสร็จปุ๊บพอเราได้สติปุ๊บมันก็กลับมาเพ่งใหม่ค่ะแล้วก็ไหลใหม่ก็เป็นอย่างนี้ทั้งวันครับอันนี้ก็คือวิหารธรรมผมไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ผมก็พอจะได้สติ ผมคิดเองนะว่าผมพอจะได้สติบ้างส่วนอีกอันหนึ่งที่ใช้ประจำเลยคือผมใช้ใช้ AI เทรหุ้น <c oughs> ใช้โรบอททีนี้เวลาดูเนี่ยคือผมไม่ต้องเถรแล้วไงผมก็นั่งลุ้นอย่างเดียวทนนีนีจ้จังห <c oughs> วะัญญาทำเนี่ยสำันงานทำมันไม่ควรแบบนี้ประเด็นคืออย <c oughs> ่างงี้ครับรรคุณเนี่ย <c oughs> คือผมเนี่ย คือปกติเดิมถ้าใช้มือเนี่ยมันต้องมีกิจกรรมทางทางร่างกายใช่ใช่พอตอนนี้มันไม่ต้องใช้แล้วอะ่ะมันดูอย่างเดียวมันเหมือนนั่งลุ้นบอลอะ่ะสิ่งที่เกิดคือเราใช้ตรงเนี้ยมองโรคมันเกิดชัดมากเลยโรคแล้วมันกลัวโรคแล้วกลัวแล้วมันจะแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจพี่เพ่งด้วยแล้วก็ด่าตัวเองด้วยแล้วก็ไปโลภใหม่แล้วก็กลัวใหม่มันก็วนอย่างเงี้ยจนเหนื่อย จบวันมันก็เหนื่อยเหนื่อยปุ๊บมันเหมือนก็ดับไปพร้ทุกอย่างรวมทั้งนอนด้วยอะไรเงี้ยล้วก็ก็เห็นภาพเนี้ยเราก็ดูมันเรื่อยๆแล้วก็แบบเออก็มีวันนึงแบบอ๋อเห็นเห็นเลยอะ่ะเห็นแล้วมันก็สึกแบบเศร้าๆถามตรงๆนะคะ <c oughs> เป็นอาชีพหลักไหมก็หลักเลยครับอต่เป็นอาชีพหลักค่ะแต่คือก็คือถ้าเป็นอาชีพหลักเราเข้าใจได้ครับนะคะแต่ถ้าไม่ใช่อาชีพหลัก เคยฟังซีดีหลวงพ่อไหมท่านพูดเรื่องคนเล่นหุ้นไม่ได้ฟังตอนเนี้ยครับอ๋อค่ะถ้าฟังจะรู้ <c oughs> ภาวนาไม่ได้หรอกคะ <No. S 1> อ่ะเพราะจิตมันกระทบกระแทกตลอดเวลาเลยมันไม่สงบจริงอะ่ะรู้หรือไม่มคะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะอืมมีคนหนึ่งไม่ใช่อาชีพหลักด้วยแตหลวงพ่อพูดก็ไม่ฟังก็เล่นมาผ่านมาผ่านไปยีสบปีก็แค่นั้นอะ จนเลิกเลิกเพราเจ๊งอ่ยนะเจ๊งคือไม่ไหวแล้วเพราะมันมันมันมันเมาจริงๆอ่ะนะเพิ่งจะภาวนามาได้นี่แหละแล้วมันแก่แล้วนะนึกออกไหมมันจะไม่รอดนะแต่ถ้าเป็นอาชีพหลักเราพูดไม่ได้ล่ะอันนี้ต้องเลือกเองล่ะอันนี้ต้องต้องตัดสินใจของตัวเองเพราะว่ามันกระแทกกระทือนทั้งวันนึออกไหมมันจิตมันมันเต็มไปด้วยกิเลส ทั้งทั้งโมหะที่ต้องถลําก็ไปในจอคุณบอกมี AI มันดูให้ก็โอเคนะแต่อย่างน้อยเรามีโลภพแล้วทําโลพาทั้งวันเลยอถ้ามันได้ก็ก็ก็ดีใจไม่ได้ก็เป็นโทสะถูกไหมมันก็จะมันก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่ในกระดานหุ้นอย่างเงี้ยทั้งวันจิตมันอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะภาวนาได้มันก็ยากเหมือนกันนะก็ใช่ครับก็แต่ตอนนี้ก็ใช้ AI แล้วครับก็แค่ก็ก็คือแทบจะไม่ได้ดูละก็ดูแค่ว่ามันทํางานหน้าจอเป็นหลับว่าคิดแล้วก็ทํา ล้วก็เทสว่าลอจิคมันได้จบก็ไม่ได้ถึงก็แบบว่าเหมือนเมื่อก่อนที่แบบไปนั่งขี่แบบเลงใช่ใช่ขนานั้นมันมันเบาลงมันไม่ต่างกับคนเล่นเกมอ่ะใช่ใช่ไหมใช่เออมันก็จะวนโมหะต่อไปมันก็โลภะอยากชนะพอมันชนะไม่ได้ก็โทสะก็มันจะวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะจิตเรานึกออกหมอ่ะวันหนึ่งเราให้มันเป็นกุศลได้เท่าไหร่กับเป็นอกุศลได้เท่าไหร่ แล้วมันจะเดินกันได้ไหมอันนี้เราต้องคิดตัวเองนะคะคือมันเป็นสิ่งมันเป็นมันเป็นแฟกเตอร์หลักในการที่จะเดินเส้นนี้อืมนะคะมันเป็นแฟกเตอร์หลักจิตเราฝึกได้นะคะอแต่ถ้าเราฝึกให้มันคุ้นเคยกับกิเลสมันก็โดนกิเลสครอบแล้วเวลากิเลสครอบไปทีหนึ่งกว่ามันจะหลุดออกมาได้มันไม่ได้สามเดือนนะคะไม่ใช่ปีหนึ่งนะคะมันใช้เวลามากมลริพูดกับตัวเองนะคะยกตัวอย่างตัวเองเลยที่กล้าพูดมีครั้งหนึ่งมลิภาวนา แล้วสภาวะมันไม่ไหวหลวงพ่อให้ล้มกระดานคุณลีไปดูหนังโอ้โหไปดูหนังฉันก็เลืิกดูหนังมาตั้งนานเสร็จแล้วมีบางท่านแนะนํานั่งด้วยกันนี่แหละคะ่ะเล่นเกมเออเกมมันง่ายดีเพราะมันอยู่ใน iPad ใช่ไหมไปดูหนังมันต้องไปเปิดเป็นเรื่อง อ, ะอ่ะอะก็เล่นเกมก็เราก็เข้าใจนี่คือปฏิบัติเพราะมันต้องล้มสภาวะมันเล่นอยู่สามเดือนเราก็เดินจงกรมที่บ้านทุกวันจนวันนึงเราไปปีกวิเวกที่วัด เาเดินจงกรมสามชั่วโมงเราไม่รู้สึกตัวเลยอ่ะช็อกนะชอ็ชอกช็อกพอช็อกเสร็จจิตเนี่ยมันจะค่อยๆปรับทํามะให้เราเองได้เหตุจากเกมเหตุจากเล่นเกมทุกคนต้องเรียนสิ่งที่ผิดนะคะนี่ว่าส่งกันบ้านหลวงพ่อแล้วค่ะหลวพ่อดูยังเงะะี้ยงค่ะก็หลวงพ่อบอกให้ไปดูหนังอะ่ะดูหนังมันก็จบเป็นเรื่องอะ่ะคุณลีคงไม่ดูสักสิบรอบหรอกอันยังเอกคนเดิมพระเอกคนเดิมอะนะเออ ดูหนังมันจบมันก็จะจบไปแต่เล่นเกมมันไม่จบเพราะมันรีเซ็ตได้ถูกไหมเราแพ้ปุ๊บเราก็รีเซตก็เล่นอยู่อย่างงี้ก็เข้าใจว่าเออเราเปลี่ยนสภาวะแล้วจิตมันมันไม่ไหวแล้วมันภาวนาต่อไม่ได้อ่โอ้โหคุณรู้ไหมจากตรงนั้นน่ะวันที่รู้เนี่ยอีกนานมากนะกว่าจิตจะรีคฟเวอร์กลับมาได้ใหม่จิตเนี่ยมันต้องเห็นโทษเห็นภัยมันถึงจะวางอย่างเราเล่นเกมมาตั้งนานเนี่ยเราจะวางมันได้เหรออืม จิตมันเห็นโทษเห็นภัยมันไม่แตะทุกวันนี้ไม่กล้าแตะเลยแล้วมันไม่อยากแตะด้วยโผไปทุกอีกนานมันไม่เอาละธรรมชาติของจิตต้องพาเขาเรียนรู้ความจริงแล้วเขาต้องเห็นโทษเห็นภัยเขาถึงจะวางแล้วไปบังคับให้เขาเลิกไม่ได้หรอกอืมกิเลส ย, ยิ่งบังคับยิ่งแรงนะอืมแต่ถ้าเรารู้ทันมันก็สลายรูป ก, ก็สลายแต่ถ้าเราไปบังคับมันมันตั้งกำแพงไปเรื่อยๆเราต้องใช้พลังไปเรื่อยๆที่จะบังคับตัวนี้ ไม่จําเป็นรู้ปุ๊บดับรู้ปุ๊บดับแค่นั้นลองใช้เวลากับตัวเองดูสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยปรับว่าตรงไหนจะยังไงดีแล้วเรื่องวิหารธรรมนี่ใช้ลมหายใจแบบเดิมที่เราเพ่งก็พอจะรู้บ้างอย่างนี้ได้ะคะือถ้าตอนนี้นะคะสภาวะที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้ยคุณพอใจในระดับนี้ก็ไปรู้ทันความแน่นเพราะยังไงมันก็แน่นยืนพื้นอยู่นึกออกไหมคะก็แค่รู้ว่าแน่นคือต้องปรับให้สบายคนนะคะ พอสบายในจิตมันเห็นอ๋อนี้มันสบายอันนี้มันแน่นเขาเลือกเองอเขาก็จะเลือกเองว่าเออรู้อย่างธรรมชาติเนี่ยมันสบายอย่างเนี้ยมันบังคับเนาะเขาก็วางเองพอวางเองจากตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยคุณทําชีวิตประจําวันให้ไม่เลื่อ ก, กับการภาวนาได้มันก็จะเดินได้คาววะชีวิตประจํำวันสําคัญนะคะอืมถ้าตกเย็นค่ําไปร้องคาราโอเกะสังสรรค์แล้วกลับมาบ้านเดินจงกรมมันก็ทําได้นะ แต่มันภาวนาแบบตุ่มรั่วไม่หวังไหมคะตุ่มมันรั่วรั่วยังไงอะวันนึงเราภาวนาแค่เนี้ยเราหลงโลกแค่เนี้ยมันติดลบทุกวันค่ะทุนทุวันเลยค่ะอืมเราก็ต้องสะสมบางวันรั่วบ้างไม่เป็นไรแต่ถ้ารั่วทุกวันเลยอ่ะยากแล้วจิตเนี่ยวันหนึ่งนะคะถ้าถ้ามันถึงเวลานะคะแล้วมันเข้าใจมันรวมพลังมาแล้วแล้วถ้ามันหลุดจากตรงนี้นะคะอีกหลายปีนะคะกว่าจะรวมพลังขึ้นมาได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง นะคะไม่ใช่เล่นๆเส้นนี้ไม่ได้ยากแต่ต้องอดทนนะคะแล้วต้องค่อยๆก้าววันละหนึ่งวันละสองแล้วเราไม่รู้หรอกมันตัดตอนไหนนะคะแต่เราต้องทําสภาพแวดล้อมให้เอื้อกับการภาวนาได้นะคะอยู่กับโลกอะโลกมันก็เสงคริงแบบนี้คุณนึก อ, ออกไหมคุณจะไปอินอะไรกับมันมากไหมนะคะอย่าจริงจังกับโลกเอาแค่พออยู่พอกินเน อ, อืมนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะลําบากแต่เราต้องจัดเวลา ส่วนหนึ่งนะคะที่เอื้อกับการพอนาของเราเชิญค่ะอะมาเลยครับมาแจ็คมาวันนี้แม่ไปไหนสวัสดีครับแม่ไปไหนวันนี้วันนี้แม่ไม่กล้ามาครับทําไมอะ่ะผมจะทราบดีใช่ไหมครับว่ายน้ําเหรอว่ายน้ําเกินหรือเปล่าหายไปเลยครับไม่กล้าพูดถึงอ้าวไม่เป็นไร <laughs> ครับ <laughs> เนี่ยพร้อมก็มากันใหม่ คิดว่าช่วงสองสามอาทิตย์นี่มันมันมันมีทั้งดีไม่ทั้งรู้สึกไม่ไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้ก็ความรู้สึกมันแปลกๆครับบางทีมันก็น ร, ร, รู้สึกโล่งมากจนบางทีกลับมาดูร่างกายแล้วรู้สึกว่ามันก็เป็นภาระอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าไอ้ตรงนี้นเป็นกลับมาดูร่างกายแบบก่อนที่เราเคยดูเนี่ยมันทําไมกลับเป็นรู้สึกถึงเป็นภาระขึ้นมาใช่ใช่เราจะเห็นเลยนอกจากโลกนี้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอ มันมีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นแจ็คเปลี่ยนไปต้องเยอะแจ็คลุ้นสุดไหมรู้สึกครับอืมเราจะเห็นภาระตรงเนี้ยทั้งหมดเลยวันหนึ่งอ่ะเราบอกเราเห็นทุกข์อ่าเออไม่มีตังค์เป็นทุกข์อืมเนาะไม่ได้ขั้นตามที่ตัวเองได้เป็นทุกข์เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราไม่ได้อย่างที่เราอยากได้เนี่ยมันเป็นทุกข์ข้อแท้จริงไม่ใช่มันคือทุกขเวทนานแล้วคนถ้าสมาธิไม่ถึงตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เห็นร่างกายเป็นทุกข์แล้วเป็นภาระ เราจะเห็นตรงนั้นเลยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผู้หญิงจะชัดนะคะมันก็จะเห็นเ อ, อ้อมันสวยหนะ้าตาแป้งมีผมอะไรก็ว่าไปแต่วันนึงเราจะเห็น<อ>ร่างกายนี้ทุกรนๆ ม, มันเป็นทุกขเวทนาที่จักเห็นนี่แหละอันนี้ถูกต้องเป๊ะเลยแต่อย่ากเกลียดมันอืรู้สึกสงเป็นความมันเป็นความสิ่งแปล ก, ปกใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมันก็จะรู้สึกสงสยัยอะไรนะเห็นไหมจิตเนี่ยเวลามันพัฒนาทีหนึ่งมันเดินปัญญาใหม่ แต่ทุกครั้งที่มันเดินปัญญามันก็จะมีใหม่ๆขึ้นมาเราจึงเห็นว่าเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราเอาจิตมาเรียนเราไม่ได้เอาสมองมาเรียนสมองมันไม่รู้เรื่องกับเราด้วยหรอกอืมแต่จิตมันรู้ของมันอ่อเห็นไหมตอนนี้สิ่งที่แจ็คจะไปเห็นต่อนะคะมันเจริญแล้วมันต้องเสื่อมสิ่งที่เราเห็นได้นะเอตรงที่วาลาเราแยกธาตุขันอะไรได้แล้วนะปัญญาเดินเป็นรอบๆได้แล้วตัวที่เราจะวัดได้ก็คือว่าเวลามันเสื่อมเรารับมันได้ไหม ธรรมชาติของจิตเจริญแล้วมันต้องเสื่อมแน่นอนถ้าคนรับไม่ได้ปั้มกันเป็นหกเจ็ดเดือนกว่าจะหลุดออกมาได้เมื่อก่อนครั้งแรกเราเจออย่างนี้หกเจ็เดือนต่อไปมันสั้นลงค่ะสั้นลงจนกระทั่งมันเหลือแค่รอบในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยโอ้รู้ดีๆีสองวันอีจิตห้าวันไม่รู้เรื่องเลยอะมันก็จะเป็นรอบแบบเนี้ยแล้วมันเป็นรอบอย่างนี้นะคะมันไม่มีว่าเจริญรวดถ้าเจริญรวดให้พึงสังเกตว่าแก่ยากแ ล, ะละ้วล่ะตอนนี้อะไรมันจะเที่ยงมันขัดกับไตรลักษณ์ นะคะคอืท่ะนั้นก็ดูอย่างนี้ไปนะคะแจ็คดีมากนะคะแล้วก็ไปดูตัวเนี้แหละเดี๋ยวมันเจอตัวนี้เราก็รู้มันไปพอรู้ไปตัวนี้มันจะค่อยๆเข้าสู่ความเป็นกลางอืมเพราะฉะนั้นอย่าอย่าทิ้งสมาธินะคะครับแล้วเราค่อยๆทําไปเนาะอย่าห่วงใครตรงนี้จะเป็นตัวกั้นเรานะคะอืมไม่ต้องห่วงทุกคนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ลูกเราก็ไม่ต้องห่วงเราทําหน้าที่เต็มที่หละได้แค่ไหนคือแค่นั้น เราไม่ใช่มีลูกชาตินี้ชาติเดียวเนาะไม่ใช่มีพ่อแม่ชาตินี้ชาติเดียวอืมเรามีนับไม่ท้วนแล้วเราไม่ได้มีภรรยาคนนี้คนเดียวเนานะเดี๋ยวมันไปก็ไม่รู้ไปไหนกันอีกละ่ะแต่ชาตินี้ยังมีคนเดียวอยู่หมายความว่าชาติอื่น <c oughs> <c oughs> ว่าชาติอื่นๆแล้วก็มีภรรยามาเพราะฉนั้นไม่ใช่มีโอถ้าเราเป็นภรรยาเขาเราภูมิใจแย่เลย <c oughs> <c oughs> นี่แหละเป็นคู่บา ร, รมีกันก็ภาวนาไปด้วยกันมันก็มีกําลังซึ่งกันและกันมันเอื้อกันนะคะ มันเอื้อกันถ้าเราโชคดีได้เป็นคู่ปฏิบัติด้วยกันนะอย่างบางบ้านเดี๋ยวบางบ้านเนี้ยเยมื่อกี้ไขรเล่านะที่บอกเปิดเปิดวิยุเอออแล้วก็ปิดว่าจริง ม, ม, มีหลายหลายบ้านเป็นอย่างนั้นนะคะเออแจ็ค ก, ก็ดูการเดินจงกรมของผมยังยังโอเ ค, คใช่ไหมครับดีครับอคือสิ่งที่เราพัฒนาแล้วเราวัดได้นั่นคือหมายความว่ารูปแบบเราทําถูกต้องถ้าเราบังคับเราจะไม่เห็นแบบนี้อ่าถ้าเรารู้อย่างเงี้ย แตถามว่าบางช่วงมันกลับมาบางังคับได้ไหมได้ค่ะถ้าบางช่วงเราแบบเหนื่อยมากหรืออะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากรู้สึกตัวเป็นเรื่องปกตินะคะเราก็รู้ทันว่าเราอยากรู้สึกตัวอ่ะแล้วก็กลับมาตรงนี้ได้มันจะเวียนอย่างเงี้ยค่ะเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นกลางเสื่อมก็ไม่เที่ยงเจริญก็ไม่เที่ยงวันนั้นมันเข้าสังขารเวทขยานถ้าทำบ้ามันก็จะถ่ายทอดอีกเนาะค่ะโมทนาค่ะเซนค่ะอ้าวว่าไงสวัสดีดค่ะ ช่วงหลังต้องตองกล่าวขออภัยด้วยค่ะต้องบอกว่าความเพียรไม่เป็นย่อนะหย่อนนะค ะ, ะ, ะช่วงหลังทําดูลงหายใจนึกรู้สึกว่ามันเบาแล้วก็เหมือนกับจะเหมาะกรสจลิดมากกว่าการเดินนะคะดีค่ะแต่ก็กําลังถกเถียงกันอยู่เขาก็พยายามจะบอกว่าเราควรจะเดินอเราก็บอกว่าแต่ฉันดูลงหายใจฉันสบายก่านาอนนะอได้เอาเข้อสบายก่อน เดี๋ยวเขารู้ว่าไม่สบายอ่ะ <Okay. S 1> เขาก็เขาก็มาเดินเองตอนนี้ที่ทิลมเนี่ยบังคับอยู่มันหนักเป็นช่วงๆรู้สึกไหพอหนักปุ๊บเรารู้มันก็เบาอ่าพอเบาปุ๊บเดี๋ยวมันก็หนักใหม่อันนี้เป็นธรรมดาค่ะนะคะแต่พอหนักแล้วเรารู้ทันว่าหนักอ hmm. สบายเบารู้ว่าสบายอ่าสบายเสร็จแล้วชอบรู้ว่าชอบอ่าตอนอึดอัดรู้ว่าอึดอัด <Okay. S 1> จิตมันจะค่อยๆเรียนรู้ว่าออกอันนี้มันดูธรรมชาติมันสบายเพราะมันมีความสุข จิตมันไม่ได้เลือกหรอกมันเลือกแต่ว่านี้มีความสุขมันจะเอาอันนี้อันนี้อึดอัดแน่ๆมันไม่เอามันวางของมันเองเสร็จแล้วเราค่อยๆดูมันไปนะคะทําอย่างนี้และค่ะทําเล่นๆนะไม่ต้องทําจริงจังแต่ก่อนรู้รมรู้ร่างกายให้เรียบร้อยก่อนค่ะเห็นตัวนี้นั่งก่อนให้สบายนะคะรู้รู้นั่งแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้อันนี้อึดอัดลองดูสิอันนี้บังคับอันนี้จงใจจงใจจะรู้สึกตัวเพอจงใจนั้นคือการบังคับ ไม่แก้รู้ว่าจงใจค่ะเห็นไหมมันจะกรุดออกไปเห็นปะอ่ามันก็จะเ่ามันก็จะดับพอเรารู้ลงปัจจุบันสภาวะนั้นเริ่มมใหอสัจจะแห่งธรรมะนะคะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับถ้าเรารู้ลงตรงปัจจุบันได้นะเพราะนั้นท่านที่รู้แล้วมันไม่หายเนี่ยให้รู้ว่าเราดูผิดตัวอืมถ้ามันโมโหแล้วทำไมมันไม่หายแสดงว่าเราไม่ได้รู้ตรงปัจจุบันแล้วอ๋อฉันอยากหายเออฉันยังไปดูตัวโมโหอยู่มันก็จะไม่ดับนะคะ เมื่อสักสองสองอาทิตย์ก่อนนะคะเล่นกับลูกอยู่เวลาที่เราเล่นกับลูกเนี่ยเราก็จะอินเข้าไปเข้าไปในในสภาในความรู้สึกแล้วมันก็มีอีกตัวหนึ่งหลุดออกมาเห็นไอแม่คนเนี้ยที่มันกําลังเล่นกูบลูกอยู่ว่า อ, อ, อมันอินเนาะแต่ก็แต่ก็แต่สภาวะเนี้ยจริงจริงมันมันมันเคยเกิดขึ้นสมัยตอนเด็กๆนะคะแต่ว่ามันหายไปนานมากออืแต่ว่าช่วงหลังตั้งแต่เริ่มมาดูโลโลลมหายใจเนี่ยรู้สึกว่าเออมัน มันเป็นของเก่ามันก็จะจำได้แล้วมีสภาวะมันเกิดขึ้นอีกครั้งนึงแต่ว่ามันาอัตตาก็สูงมากเลยคะอย่ากลัวกิเลสนะนะคะเรารู้มันไปนะคะคือกิเลสทั้งหมดมันสอนเราอืมนะคะถ้าเรากลัวกิเลสคือเราจะเอาดีดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงเนาะมันไม่มีเราหรอกมันมีแต่จิตที่มันปรุงแต่งอัตตาก็คือจิตที่มันปรุงแต่งขึ้นมาอืม เรารู้เลยว่าตัวนี้ทํานําความทุกข์มาให้เราเราก็รู้มันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นความไม่เที่ยงของมันนะแั้วเมันจะวนกลับมาดีค่ะโมทนาเป็นคู่ที่ภาวนาไปด้วยกันเนาะอย่าทิ้งกันเนาะภาวนาด้วยกันค่ะเป็นกําลังใจอเชิญค่ะหลากี่ท่านหล้ยสองท่านเองมั้งเนาะอ๋อไม่ได้ส่งอ่ะแล้วแต่หนูค่ะพอดีเลยเที่ยงตรงทุกคนช่วยกันดีมาก ค่ะคุณมาลีช่วงนี้สังเกตว่าอมันเข้าไปติดนิ่งๆอะค่ะอืมแล้วก็ประคอง อ, อยังจะเห็นชัดเลยว่าสองสาเดือนที่ผ่านมามันเป็นความเบื่อแบบโทสะที่แบบเบื่อโลกแล้วก็พยายามหลบอืหลบแล้วมันก็แต่ว่ามันเหมือนกับมันก็มีความสุขที่มันมีตัวนิ่งๆตัวนี้เอาไว้นะคะอืแต่ว่าระหว่างวันคืนตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนเลยเนี่ยจะเห็นว่ามันกระเทือนตลอด กระทบนิดหนึ่งก็กระเทือนกระทบนิดหนึ่งก็กระเทือนตอนนั้นก็ยังแอบคิดเลยว่าเฮ้ยจริ ง, รงๆมันนิ่งแล้วมันกระเทือนได้นะมันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแ ต, ต, ต่ตอนนี้เห็นชัดแล้วว่าแบบว่ามันไม่เป็นกลางอมันกระเทือนจริงแต่ว่ามันสุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งใช่มันยังปรุงโทสะอยู่ตรงนี้อคือพอดีที่มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปก็คือก่อนหน้านี้หนูเดินทรงกลมแบบสิห้านาทมาีมานานหลายปีแล้วค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงได้สักสามเดือนคราวนี้ ไอ้สเดือนเนี้ยก็รู้เลยว่าอ๋อมันไอ้ที่มันนิ่งเนี้ยมันเกิดจากการที่หนูไปเดินจงกรม3เดือนนี้ใช่ไหมคะอเพราะว่ามันเป็นจิตตัวเดียวกันเลยตอนที่เดินจงกรมกับที่มาใช้ในใ น, ในประจวบวันนะคะมันบังคับรู้สึกไหมค่ะเราเดินด้วยการบังคับค่ะออพอรู้ว่ามันนิ่งปุ๊บสา ม, มีหนูเขาก็เลยบอกว่ากันคืนนี้ไม่ต้องเดินละดูหนังกันอก็ไปดูหนังแล้วอีกวันหนึ่งก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเดินครึ่งชั่วโมงอยากถามพี่มารีว่าหนูควรจะไปชั่วโมงหนึ่งไหมคะ มันควรจะลดไหมคะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงเป็นไงในขณะที่จะเดินเนี่ยในขณะจะเดินครึ่งชั่วโมงหรือเดินชั่วโมงหรือเดินสิบห้านาทีเรารู้ทันความรู้สึกนั้นไหมเห็นโลภะมันครอบอ่านั่นแหละค่ะนั่นคือปัญหาหลักเลยเรารู้ทันว่าเราอยากจบจากนั้นเนี่ยจิตมันจะตัดสินใจเองว่าวันนี้จะเดินเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่รู้ทันมันจะครอบครอบเสร็จยังไงอ่ะเราก็บังคับอืม เพราะเราอยากดีเราทําไปด้วยอะไรตันหาที่มันขับเคลื่อนอืมเข้าใจไหมเราอยากเรามีกิเลสแล้วเราไม่รู้ทันเราก็เลย บ, งบังคับทั้งๆที่อ่ะมันไม่อยากเดินแล้วอืมแต่มันก็บังคับให้เดินใจข้างในอ่ะที่มันลึกๆอยากดีเนี่ยด้วยความอยากที่เรารู้ไม่ทันตัวอยากตัวเนี้ยเราก็เลยเดินอืรู้ทันตัวนี้ค่ะช่วงนี้ความอยากมันมาแบบมิดมากเลยมันมหนูตกใจเพราะว่าเมื่อสองปีที่แล้วหนูส่งการบ้านคุณมารีแล้วคุณมารีบอกว่า หัวจงกรมหนูเนี่ยมันโดนโลภาครอบแต่หนูมองไม่ออกหนูก็กลับไปดูใช้เวลาตั้งหลายเดือนกว่าหนูจะเห็นว่าอ๋อมันคือตัวเพ่งแล้วตัวยาวมันก็มาคู่กันทุกครั้งที่เดินจงกรมคราวนีมน้มันเพ่งไปนานมากจนแบบหนูรู้สึกว่าหนูเครียดไม่มีความสุขกับการพอนานก็นลเลยหยุดเดินจงกรมแต่ว่ามันกลับไปดักร อ, อกคุณมารีที่บ้านจิตสบายจำนัไ้ไหมคะเราบอกว่าหนูที่เคยบอกขอคุณมาลีว่าจะเดินจงกรมหนูทำต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าหนูโยนิโสมนาสิการแล้วหนูคิดว่าถ้าหนูทําต่อหนูต้องแบบ มันเพ่งอะค่ะแล้วมันไปผิดทางแล้วหนูขอหยุดเดินจงกรมก่อนอก็หยุดไป8เดืนอนคราวนี้กลับมาเดินใหม่มันก็รู้สึกว่าโดนกิเลสหลอกแล้วน ะ, ะหยุดไป8ปเดือนนี่โดนกิเลสหลอกไปเรียบร้อยแล้วเลิกภาวนานเลยไม่ได้แต่ว่าระหว่างที่หยุดไปก็ยังฟังซีดีหลวงพ่อไม่ได้ค่ะยังไงนะเดิน15นาทีอย่าถึงกับเลิกเลยคือไม่รู้ชันไม้ตายชั้น15นาทีไว้ก่อนแหละคือให้มันมีเชื้อหล่อเลี้ยงอยู่นะคือคุณเลิกไปเนี่ยมันโดนกิเลสหลอก หน้าที่กิเลสเนี่ยเขามีหน้าที่ทํายังไงก็ตามให้เราเลือกโาวนาะอ่าเขาก็จะมาหลอกเราเนี่ยอัดถักเกลียมัทฐานโยกนะที่ทําอยู่เนี่ยเออเราก็แค่รู้ทันไม่รู้ฉันก็เดินชั้นสิบห้านาทีแหละอืมไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันเนียนเวลามันหลอนมันเนียนมากเลยมันจะยกเหตุผลมากมายไก่กองมาบอกเร า, เราอแล้วเราช่วงที่เลิกไปแล้วกลับมารู้สึกว่ามันเดินดีขึ้นอื ม, มันไม่ได้เหมือนกับเขาที่แล้วแล้วที่มันแบบภาวนาแบบดุดนใจที่เขามื่ดีขึ้นไหม ตรงๆรง<ป>เข<ไ>ปเป็นไปเพ่งใช่ไหมคะไม่มันเซิร์ฟตัวเองมากเลยรู้สึกไหมอืมฉันกลับมาเดินใหม่ละเป็นมานะอืมใช่ดูตัวนี้เลยมันจะสุดโต่งนะอันนี้เรื่องปกตินะคะแต่สำคัญเนะี่ยพี่ฝากไว้คืออย่าโดนกิเลสหลอกให้เลิกภาวนาอืมตัวนี้ท้ายที่สุดเลยตอนนี้ไม่เลิกแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าคือเหมือนหนูเห็นว่าจิตเนี่ยหนูหนูจะเอาอย่างเดียวเลยไปดูตัวอย่างนี่แหละ ืถ้าเราลูกทันตัวอย่างปุ๊บเนี่ยมันก็สลายจากนั้นจิตอ่ะมันจะรู้เองว่าเท่าไหร่พออืแต่ถ้าเราไม่รู้ทันอ่ะเราก็จะทําเยอะๆการที่เราทําเยอะด้วยความอยากคืออะไรระหวังผลทําวันนี้ต้องได้อย่างเนี้ยพอถึงเวลาผลไ ม, ม, ม่เป็นแบบนี้ทําไงก็เลิกเราทําด้วยความอยากนับภาวนานะคะเราภาวนาเอาออกถ้าเม่ไรเราเองเอาเข้าอยู่ให้รู้ว่ามันไม่ใช่ออืเราแค่ทําถวายพระพเจ้าทุกวันยิ่งท่านที่มีความอยาก ม, มากมนะคะ มันมีวิธีที่เราเนี่ยเป็นเทคนิคนิดนิดเมื่อเราทําทุกวนถวายพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ทำเซิฟตัวเองเนื้อออกไหมแต่ถ้าเราไม่วางใจตรงนี้ะว่าเราทําถวายพระเจ้าเราก็จะบังคับเรื่องวิธีนี้หมดพอถึงเวลาก็เลิกเพราะมันไม่ได้อย่างใจมันต้องทําแล้วมันต้องได้อย่างนี้สิแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ก็เลิกเลิกแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่อืมกลับมาใหม่เห็นไหมจิตอย่างเงี้ยเป็นจิตอย่างนี้ไหมคะมันนิง่งๆเพ่งๆมันนิ่งเพ่ ง, พงๆงงงงทำไมมันถึงเพ่ง อยาถูกต้องนั่นแหละมันก็พยายามกดตัวอยากไวเห็นไหมคะจริงจริงจิตมันกระโจนไปอย่างนี้เลยนะรู้สึกได้ไหมคะรู้สึกว่ามันวิ่งไปข้างหน้าถูกต้องนี่แหล ะ, หละคือภพราะวะปัญหาวิภาวะปัญหาต่างๆจํ า, าจได้ไหมพระเจ้าท่านตรัสรู้เสร็จท่านบอกปัญหาเรารู้เรือนของเจ้าแล้วเนี่ยคือตัวนี้แหละตัวเนี้ยที่มันเป็นตัวบงการเราจริงๆทั้งหมด หนูรู้สึกว่าตอนนี้ที่หนูเข้าใจมันเป็นความคิดแต่ว่าจิตหนูมันไม่เข้าใจแล้วมันไม่ฟังด้วยสิ่งที่มันรีกำลังพูดเนี่ยจิตมันกําลังเข้าใจเวลามันพูดกับใครก็ตามหรือพูดกับจิตเขาไม่ได้พูดกับตัวเขาอืมจิตมันรู้เรื่องคุณดูสิตอนเนี้ยมันหลบมันทําท่านี้มันมันเหมือนกับว่ามันดาวลงเมื่อกี้มันซ่ามากเลยมันวิ่งไปข้างหน้าตอนเนี้ยมันอายกิเลสทั้งหมดเนี่ยนะคะในบรรดาที่มันน่าอายที่สุดคือตัวมนณะ เวลาที่เห็นเนี่ยมันจะอายมากเลย2เดือนนี้เห็นชัดมากเลยค่ะเทียบเขาเทียบเราตลอดเดินเข้าไปในบ้านเห็นคนดูทีวีก็ไปไปคิดในใจอุ้ยแบบหลงอะไรอย่างเงี้ยแบบตัวเองดีอยู่คนเดียวอะค่ะแล้วก็แบบปิดห้องเดินจงกลมแล้วก็อายว่าแบบถ้าน้องไม่พูดพี่ไม่กล้าพูดเลยต้องค่อยๆตั้งอมว่าเห็นยังไงอะไรยังไงค่อยๆดูมาเรื่อยๆนักภาวนาส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นอย่าตกใจนะคะแต่เรารู้ทัน เราถึงจะรู้เลยว่าเออพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะรู้ว่าโอ้เราไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะเออเราเป็นแบบนี้แบบนี้นะอืมอย่างช่วงนี้ที่คุณมารีเห็นว่าคือจิตมันพุ่งไปข้างหน้าแล้วคือตัวหนูเหนื่อยแล้วหนูไม่อยากภาวนาแล้วค่ะแต่เหมือนกับว่า ไ, ไม่เห็นไหมกําลังบอกแล้วว่าต่อไปนี้จําคํานี้ไว้หลวงพ่อสอนผิดที่สุดคือไม่ภาวนาข้อนี้ถ้าเราอยากบรรทุกเนี่ยเรารู้ทําความอยากสิตัวนี้แหละเป็นตัวทําทั้งหมดวงการเราทั้งหมดเลยเราอยากเพราอะไรเพราะระหวังผลอืม ใช่ไหมเราต้องทําอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ถึงเวลาถ้ามันอยากอ่ะแล้วระหวังผลแบบเนี้ยแล้วมันไม่ได้เราเลิกเนื้อออกไหมคะแต่ถ้ารเราวางใจเราภาวนาทุกวันถวายพระเจ้ามันจะเป็นอะไรฉันไม่รู้อ่ะเพราะฉนั้นไปนรู้ทันความอยากคือหนูไม่ได้หมายความว่าจะหยุดภาวนานะคะแต่คื อ, อเหมือนกับว่าความตั้งใจที่มันมีเยอะเกินไปอ่ะคะ่ะมันก็เลยทําให้เป็นเหมือนกับวันหนึ่งถ้ารู้ไม่ทันตัวนี้เลิกนะบางคนเลิกนี่เปลี่ยนศาสนาเลยนะคะ มีนะคะไม่ใช่ไม่มีเพราะจะเอาอย่างเดียวอะ่ะคุณภาวนาจะเอาอย่างเดียวอะ่ะถ้าจะเอาแล้วพยายามจะทําเนี่ยมันทํานิผ่านเลยไหมมันทําไม่ได้ธรรมชาติคือจิตเราบังคับมันไม่ได้แต่เราทําด้วยความอยากอืมอย่าตกใจหายใจลึกๆ ก, ก่อนหายใจให้สบายช่วงนี้นะ่ปกติชอบทําอะไรคะ่ะไม่ดูหนัง มันเป็นกิเลสชอบทําขนมไหมว่าทําขนมแล้วกั น, นไปทําขนมทําขนมแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขกลับมาที่ความสุขก่ น, นะคะที่ไม่เป็นผิดศีลนะคะสมาธิถึงจะมาได้เพราะตอนนี้มันไม่ไหวละมันบังคับจิตมากเกินไปคือพอเราทำเนี่ยเราคาดหวังเราบังคับทุกอย่างอะ่ะนึกออกไหมต้องอย่างนั้นต้องต้องต้องต้องชีวิตเปนแต่ต้องไปหมดเลยอะ่ะ พอต้องทั้งหมดนี่คือความเครียดความเครียดนี่คือโทสะทั้งหมดจิตนั้นเป็นอกุศลครอบมาหมดอืม่าใจเบาลงมาละช่วงนี้ทางานบ้านอืมบ้างแล้วค่ะอืมจากที่ไม่ไม่ทําเลยอ๋อไม่ทําเลยดีค่ะอันนี้เป็นการภาวนาไปเลยนะคะเรากวาดบ้านเราเก็บเตียงเนาะเราเช็ดบ้านเราจัดบ้านทานิดหน่อยไม่ทําเยอะอย่างนั้น <laughs> งั้นทำเยอะหน่อยไหม จะค่อยๆเริ่มอะค่ะเดี๋ยวกลัวทำไม่ได้ตลอดนะคะค่อยๆทาคือถ้าอะไรเนี่ยจิตมันมีความสุขมันจะหล่อเลี้ยงอืมเข้าใจไหมคะแล้วจำไว้เลยนะคะถ้าเวลาเราภาวนาเนี่ยเมื่อไหร่เราขี้เกียจเนี่ยให้เรารู้เลยผิดแน่ๆละธรรมชาติของนักภาวนาณนะถ้าจิตนั้ น, น่ะมันเป็นกุศลมันจะเบาโปร่งโล่งสะอาดสบายคล่องแคล่วว่องไวเหมาะแก่การงานมันจะไม่มีควาว่าขี้เกียจเลยอืม มันจะเข้าใจว่าเอออะไรต้องทําหน้าหลังอมมันจะมีความขยันแต่ช่วงนี้ขยันภาวนามากเลยก็เลยก็นี่ไงกําลังบอกว่ามันสุดตรงข้างเลยเพราะอยากทําด้วยความอยากมันไม่ได้ทําด้วยว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมันแล้วเป็นกลางมันทําด้วยความอยากอืมพอเราทําด้วยความอยากเราคาดหวังถูกไหมอ่ะพอเราคาดหวังอ่ะมันทําไม่ได้หรอกถูกไหมถ้าเราบอกว่าเราทําอย่างนี้แล้วมันจะต้องได้อย่างเนี้ เราก็ทํำไม่นิพานเลยเราไม่ต้องมานั่งเที่ยงขั้นแบบนี้ถูกปะเพราะถ้าจริงคือมันทําไม่ได้เราจะมาภาวนาเพื่อมาเห็นว่าทําไม่ได้เราไม่ได้ภาวนาเพื่อทําให้ได้เราจะเห็นเลยอันนี้ก็บังคับไม่ได้อันนี้มันไม่มีมันก็มีอันนี้มันไม่อยากให้เกิดมันก็ดันเกิดโมโหทั้งวันเลยอย่างเงี้ยหุดหิดในจิตในใจเรานะคะเราก็ดูของเราไปอืมเราจะเห็นเลยว่าบังคับไม่ได้แล้วภาวนาเพื่อมาเห็นว่ามันบังคับไม่ได้แล้วมันเกิดเอง อืแล้วเกิดแล้วมันยังไงเกิดแล้วมันก็ดับด้วยมมันเมื่อภาวนาเจริญแ ล, ล้วมันก็เสือ่อมเจริญแล้วมันก็เสือ่อมวันนี้รู้ตัวพรุ่งนี้ไม่รู้สึกตัวแล้ววันนี้ภาวนาแล้วดีพรุ่งนี้ไม่ดีเลยวันนี้ขี้เกียจพรุ่งนี้ขยันอืเราจะเห็นอย่างนี้ทั้งหมดแล้วมันไม่เที่ยงอ่ะเราจะภาวนาเพื่อมาเห็นตัวนี้ไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะทําได้อืมถ้าเราอยากทําได้เรารู้ทันความเป็นจริงอ๋อฉันอยากทําได้ความจริงจริงฉันอยากรู้ชัดๆนั่นแหละค่ะ พอไม่อย่นันตรงนี้ยพอคุณภาวนาไปช่วงหนึงอ่ะมันก็ไม่อยากทําละเพราะมันไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการเพราะเราจะเอาดีเนี่ยหลวงพ่อถึงบอกว่ารักดีหามจวนะอืมดีเกาไม่เที่ยงเราจะเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงเราถึงทุกข์ถูกไืมเที่ยงจริงๆความจริงคือมันเป็นไตรลักษณ์มันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วก็ดับอืม ม, มาๆแล้วมันก็ไปบังคับไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เราเราจะดูมาจนถึงว่าจิตนี้ไม่ใช่เรา กายนี้ก็ไม่ใช่เราสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับมไม่เข้าใจจิตมันต้านเห็นไหมเออมันใช้เวลานิดนึงปกติฟังซีดีหลวงพ่อนานเท่าไหร่ฟออังฟังของหลวงพ่อแล้วก็ฟังคราวว่าทำวันนึงประมาณสชั่วโมงะคะ่ะอืมโอเคอันนี้เวลาฟังฟังแล้วรู้สึกยังไงก็ส่วนมากก็ไหลหลงไปบ้างกลับ ม, มาอยู่ที่สีดีบ้างอะไรบางทีก็มีความคิดเกิดขึ้นบางทีก็ไปฟุ้งซ่าน คือถ้าฟังแล้วจิตเราเป็นแบบนี้นะฟังน้อยลงคาราว่าจะทำมันเลิกไปเลยคฟังฟังเยอะมากอาจจะเกินสชั่วโมงฟังแต่หลวงพ่ออย่างเดียวเพราะว่าถ้าคุณฟังคาราว่าจะทำเนี่ยคุณจะเปรียบเทียบตลอดเวลาอันนั้นเนี่ยคือตัวที่เป็นปัญหาของเราอยู่ฟังหลวงพ่อย่างเดียวให้ใจสบายหลวงพ่อเนี่ยมันมีพลังหลังเสียงนะเสียงหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่ปกตินะคะท่านมีพลังหลังเสียงนะคะ เพราะนั้นเราฟังเสียงหลวงพ่อมันจะมีความเมตตานะคะมีหลายๆอย่างในนั้นนะคะเอาฟังหลวงพ่ออย่างเดียวสมชั่วโมงเนี่ยฟังไปอืมแต่อย่าฟังทั้งวันทั้งคืนนะคะไม่แนะนําอำนะคะฟังแล้วเห็นใจเนาะดูใจเราฟังแล้วย้อนมาดูใจเราย้อมาดูความรู้สึกของเราเป็นแบบไหนนะคะอการดิ้นรนเป็นด้วยกันทุกคนแต่มากน้อยแล้วแต่คนเนาะเพราะฉะนั้นพอเรารู้ทันตัวนี้เรากลับไปดูตัวนี้ เราไม่กล้าดูเรารู้ว่าไม่กล้าดูเนาะเราอยากเยอะๆเรารู้ว่าอยากเยอะๆอืแต่ตอนนี้ทํายังไงให้ใจมีความสุขก่อนก็เนี่ยทํางานบ้านหรือทําขนมก็ได้อืที่เราชอบนะคะเอาเอารมณ์ตรงนั้นมาถ้าไม่ได้ฟังเพลงสักนิดหนึง่งให้ใจมันแช่มชื่นตอนนี้ใจเห็นไหมมันเร่าร้อนมากอ่เห็นไหมใจมันเหมือนกับมันหิวทำมามันโหยมากใช่พีะะ่ถึงบอกต้องเลิกฟังคารว่าจะทําไปก่อนเหลวงพ่อถ้าลถ ด, ดีกีได้ก็ลดนะคะ คือก็ตามใจให้นิดหน่อยว่าสามชั่วโมงก็ได้นะเวลากิเลสมันมากับธรรมะมันเนียนมันเนียนจนเราไม่รู้สึกว่าม UH ันเป็นกิเลสยังรู้สึกว่ามันเป็นน่าจะเป็นเรื่องที h h ่ดีเนาะที่แบบว่าเราต้องไปอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็ไปไปอยู่แบบหาสิ่งแวดล้อมให้ตัวเองหากรยานมิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มรู้สึกว่ามันลงตัวแล้วแต่พอมาอีกทีนึงเฮ้ยมันไปอยู่ตรงนิ่งตรงนี้สักระยะนึงแล้ว ออกมาไม่ได้ด้วย ค, ะค่ะเพิ่งรู้ว่าออกมาได้ตอนที่มานั่งอยู่ตรงนี้เองแล้วแบบคุณมารีพูดอะไรไมันวุ่นวั่งขำมากแล้วเห็นจิตมันกระเด็นหลุดออกมาเขาบอกเฮ้ยออกมาละแต่นแรกก็มันนิ่งมาตั้งหลายวันแล้วมันเริ่มสร้างภพนักภาวนาในความรู้สึกเราอะเราอยากได้ธรรมะเราอยากมุ่งอย่างงี้ปุ๊บมันก็สร้างภพนักภาวนาขึ้นมาแบบที่เราคิดคนภาวนาจริงจริหัวล้อว่อหวอหวหออาหัวล้อโมโหร่ว่โมโหอิจฉารูว่าอิจฉาแต่มันอยู่ข้างในนะมันไม่ได้ออกมาอืมแล้วการภาวนามันไม่ได้แย่งชีวิตเลยอะ มันล้อมอยู่ทั้งหมดในการภาวนาที่เป็นตัวเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงของตัวเรานี่แหละความเป็นจริงมันเป็นยังไงเรารู้คอยรู้สึกตรงนี้หนึ่งๆอนนะคะอย่าตกใจนะเส้นที่มันติดด้วยกันทุกคนจะติดตรงไหนมากน้อยอันนี้แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเรามีหลักมันจะไม่ติดนานนะคะมันจะรู้ทันพอรู้ทันเสร็จเราตอบตัวเองได้นะคะค่ะพันาไปหมดแล้วหมดพอดีใช่ ทุกคนบริหารเวลามีไหมค ะ, ะมีอีกท่านหนึ่งเชิญค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับฟังหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมบหึงเดือนกกว่าปฏิบัติมาวันละชั่วโมงกว่าครั บ, รบถ้าวันไหนว่างเยอะก็ปฏิบัติเยอะนั่นนครับใช้อะไรคะธรรมที่แบบไหนคะใช้อานาปานสติครับแล้วเห่กากเห็นร่างกายครับทำอย่างนี้มานานเท่าไหร่คะเดือน ออกเดินกกว่ามือนกั น, กนเริ่มคล้อมกันเวลานั่งรู้สึกไหมอะตอนนี้ที่เราหายใจอะมันเหมือนกับหายใจอทั้งวันไห ม, ท, ไหมที่เราหายใจอยู่ครับเป็นอย่างนั้นไหมเป็นเฉพาะตอนตอนคิดว่าปฏิบัตินะใช่มันเป็นอย่างนี้ถูกไหมคะคทั้งวันเราหายใจไม่เป็นแบบนี้ครับอ่าครั้นี้หลวงพ่อบอกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราก็จะมาดูเล่นๆว่าร่างกายตัวเนี้ยที่มันหายใจ24ี่ชั่วโมงเนี้ยมันหายใจแบบไหนครับแต่พอเรามาดูเราไม่ดูอย่างนั้นเราทํา นึก อ, ออกไหมครัอันนี้แก้ไหมไม่แก้อ่ารู้อย่างที่เขาเป็นก่อนอ่าอย่างที่เขาเป็นเป็นยังไงคะที่คุณเห็นได้ก็มันก็บางครั้งก็รู้สึกว่าถูกบางครั้งรู้สึกว่าอ่าตอนนี้ค่ะอ่าตอนนี้ค่ะว่าตอนนี้ยเอารู้สึกยังไงตรงเนี้ยที่เราหายใจอยู่ตอนเนี้ยมีรู้สึกว่ามันรู้สึกกับมันติดอยู่กับลมหายใจอะครับใช่ครับมันแนบเลยครับรู้สึกไหมครัไม่แก้รู้อย่างที่เป็นก่อนค่ะเพราะมันแน่นมันแนบครับอืออ่าหลุดไหมหลุด เห็หลุดได้ไหมคะตึงออกไปอ่านี่แน่นใหม่คอันนี้เข้ามาใหม่นะคะอันนี้จิตดวงใหม่แล้วเห็น ไ, ไหมคะตอนนี้แนบแล้เนี่ยหายใจแล้วแนบเลยครัไอ้ตรงแนบเนี่ยนะคือจิตที่เราไหลไปแนบนะคะอ okay. เราแค่รู้ว่ามันแน บ, บเดี๋ยวมันจะถอยออกมาเหมืมื่อกี้นี่ยค่ะอ่าถูกต้องอ่าแล้วมันก็แนบใหม่เห็นไหมคะคอ่าโอเคค่อยดูคะ่ะอ่าตอนนี้เห็นแล้วนะคะถ้ามันแนบให้รู้ทัน มาเริ่มก่อนว่าเหตุอะไรมันเป็นแบบนี้นะคะมันต้องมีเหตุอยู่ดีมันไม่แน่ครับตอนที่เราเริ่มนั่งเรารู้สึกได้ไหมคะว่าเรานั่งอยู่เราลืมตรงนี้ครับพอนั่งปุ๊บหายใจเลยเรายังไม่รู้ตัวทั่วพร้อมอืมเราไม่เห็นร่างกายก่อนนะคะอะนั่งให้สบายคะ่ะเพีงให้สบายรู้สึกตัวก่อนว่าตัวนี้นั่งอยู่ค่ะไม่ <laughs> อิดอัดไหมรู้ก่อนรู้ก่อนอะรู้ก่อนตอนนี้มันลอยขึ้นมาตรงนี้ละเออตรงที่มันเอิดอัดไหม ยิ้มหวานก่อนนะคะอะยิ้มหวานโอเคอันนี้เห็นก่อนตัวนี้นั่งอยู่ครับอืมอ่าถูกต้องเห็นได้ไหมคะคอ่าพอมันถูกต้องปุ๊บ ม, มันก็จะไปดูอีกนิดนึงแต่มันรู้ทันเห็นไหมคะไอ้ตรงแหนบมันก็หลุดออกมาอ่าถูกต้องไปเลยรู้ตัวทั่วพร้อมก่อนอหายใจออกไปทีนึงคะ่ะอ่าแล้วก็เห็นร่างกายนี่หายใจเข้าอ่าถูกต้องมันจะแนบิดนิดไม่เป็นไรมันชินมา แต่เรารู้ทันพอเรารู้ทันปุ๊บมันก็จะไม่เข้าไปแนบถูกต้องเป๊ะทำได้ไหมได้แล้วนะไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะรู้สึกไหมพอมันจะไหลเข้าไปแนบรู้ทันอย่างนั้นนะคะมันก็จะสบายขึ้นโอเคอันนี้พอมาถึงตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะนิ่งๆแล้อให้รู้ทันความนิ่งไี้ก่อนเห็นไหมความนิ่งนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความนิ่งไม่ใช่เราเห็นใจไหมคะตอนนี้จะอยากอะไร อยากรูอาอยากดูแล้วอยากอะไรอีกมันมีตัวหนึ่งเห็นใจที่อยากสงบไหมไปดูตัวนี้ละค่ะตัวนี้มันทำให้เราไม่แน่เพราะใจเราอยากสงบเรารู้ทันเลยอ๋อเราอยากสงบรู้ทันเลยเห็นไม่สงบไหมสงบอะเรารู้ทันความสงบนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเหมือนกันความสงบไม่ใช่เรารูตรงๆงไปเลยค่ะนี่คือวิธีดูตรงๆความสงบเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสงบไม่ใช่เรา เห็นไหมความสงบก็ดับอะไรเกิดคะตอนนี้ปิติเกิดเห็นไหมค ะ, ะ, ะรู้ทันเลยปิติเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า<ะ>ปิติก็ไม่ใช่เรา<ะ>เห็นไหมปิติเกิดเอง<ะ>ปิติดับเองความสงบเกิดเองความสงบดับเอง<ะ>ตรงนี้แหละเราเดินปัญญา<ะ>เราเห็นแล้วสิ่งใดเกิด<ะ>สิ่งนั้นดับนี่คือเส้นทางปัจฉริบัญดูแบบเนี้ยเราก็ฝึกดูอย่างนี้ไปบ่อยครับ<ะ>แต่ถ้าเราบอกนั่งปุ๊บฉันก็จะเอาสงบ ืนั่งปุ๊บฉันก็จะเอาดีมันไม่ใช่เส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะที่จะพ้นปัญญาขั้นแรกปัญญาขั้นแรกนี่คือเรารู้แค่สิ่งได้เกิดสิ่งนั้นดับกายไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราแค่นี้ค่ะเราก็จะเห็นเลยจิตก็ไม่ใช่เราเห็นไหมมันสงบมันสงบเองอืใช่ไหมมันดับมันก็ดับเองเกิดก็เกิดเองตรงนี้ทั้งหมดแหละที่เราจะมาดูเมื่อปัญญามันเดินในสมาธิที่เวลาเรานั่งนะคะอืจากนั้นจิตจะเป็นอะไรเราก็รู้ไปทีละขณะที่เขาเป็นนะคะ โอเคเนาะดูได้แล้วนะครับค่ะโมทนาครับ